ทั้งคณะพากันยืนนิ่งขึงไปชั่วขณะเบิกตาโพลงจ้องไปในทิศทางนั้นเป็นตาเดียวกลุ่มพลันพื้นเมืองยังไม่มีใครเฉลียวคิดอะไรได้ในขณะนี้ต่างแยกย้ายกันถือโอกาสลงนั่งพักเหยียดแขนขาและดื่มน้ำอย่างกระหายระพินไพรวันตื่นจากผวังอันหนักอึง้งและเกือบสะดุง้งเมื่อรู้สึกว่ามีมือวางบนไหลท่านหัวหน้าคณะนั่นเองเชษฐายิ้มให้อย่างเยือเย็น ไงผู้กองถ้ามันจะไม่ดีซะแล้วสินะจอมพรานไม่กล่าวอันใดทั้งสิ่งยกนิ้วขึ้นดีรุมพรานพื้นเมืองหันมามองตามเสียงนั้นเป็นตาเดียวพอสบตาแง่สายผู้กำลังยืดอกสูดลมหายใจลึกลำหน้าห่างจากทุกคนออกไปทางด้านหนึ่งเขาก็กวักมือเรียกหลักนั้นเดินสวบสวบเบก็ามาหาโดยปกติท่านใหญ่คงไม่กล่าวอะไรอยู่เช่นเดิม หากแต่ส่งกล้องสองทางไกลให้และชี้มือแทนความหมายไปยังช่องเขาขัดนั้นแง่าสายมีสีหน้าฉ ง, งนเล็กน้อยไม่ถามอะไรเหมือนกันยกกล้องขึ้นจะหดกระสายตาทั้งคู่และปรับเล่งช้าๆอย่างเยอือกเย็นอึจใจใหญ่จึงลดกล้องลงสีหน้าและแววตาเปลี่ยนไปหันมามองหน้าจอมพรานและคณะเจ้านายจะเห็นแล้วใช่ไหมแง่าสายเชิดถ า, ถามเบา นายใหญ่ผมเห็นแรงตัวนั้นครับแล้วคิดยังไงเหตุการณ์บังเอิญหรือว่าเป็นแรงคนละตัวชยันพูดเร็วจ้องหน้าขมิงแง่ท า, ายเบือนหน้าช้าๆไปทางพรานใหญ่เหมือนขอทราบความรู้สึกของเขาก็ไม่พบอะไรมากไปกว่าสัญญาณเงียบขรึมจากดวงตาคู่นั้นเท่านั้นนี่ทางอื่นที่เราจะตัดทิวเขานี้ออกไป โดยไม่จาเป็นจะต้องผ่านช่องที่เห็นอยู่นั่นบ้างไหมนี่ใจรพินพูดเรียบเรียบน้ำเสียงปกติที่สุดแต่ก็เป็นงานเป็นการที่สุดเช่นเดียวกันยอมพเนจรกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากนิดหนึ่งเหลียวกลับไปมองทางช่องเขาซึ่งเห็นอยู่เบื้องหน้าแห่งเดิมผู้กองก็เห็นแล้วนี่ครับจากแผนที่ลายแทงฉบับนั้นแล้วผมก็เห็นเหมือนกันในแผนภาพแห่งความฝัน ไม่มีเส้นทางอื่นใดอีกเลยทั้งสิ้นครับนอกจากว่าเราจะปีนเขาอันสูงชันและถ้าปีนได้สำเร็จก็หมายถึงว่าจะต้องใช้เวลาไม่ตำกว่าทาี่เต็มเต็มมันเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงอันตรายโดยใช่เหตุครับท้างั้นก็แปลว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องตัดผ่านช่องเขานั้นออกไปให้ได้และในระยะเวลาที่จากัดด้วยสิพรานใหญ่พึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเอง บดเรียฝีปากแน่นตาทั้งคู่รีลงเหมือนจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งและพินหมายความว่าไอ้ยักษ์มันดักอยู่ตรงนั้นเหรอดารินสกิดแขนเขาถามเกือบเป็นเสียงกระซิบหน้าขาวเปื้อนรูปการมันบอกอย่างงั้นใช่แล้วละครคุณหญิงถ้าแรงที่เราเห็นในกล้องนี่เป็นตัวเดียวกันกับที่ติดตามเรามาตลอดก็ไม่มีปัญหาแล้วครับมันแน่ แล้วก็ก็หันมาทางหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วต่อมาว่าพวกคุณชายและทุกคนรอพักอยู่ที่นี่สักครู่ได้ไหมครับผมกระแงงส า, ายสองคนจะเข้าไปใกล้กว่านี้อีกสักนิดนะึงแล้วก็จะเลือกชยภูมิสองกล้องสำรวจดูให้ชัดถ้าเป็นมันจริงๆเชื่อว่าเราจะต้องเห็นได้จากกล้องแน่นอนเพราะภูมิประเทศตรงช่องเขานะ่ะมันไม่มีอะไรบังมากนะมันคงไม่สามารถหลบกบาบังได้มิดชิดนะครับ ก่อนที่เชษฐาจะตอบดารินก็ชิงพูดขึ้นทันทีก็ทําไมจะต้องให้พวกเรารออยู่ที่นี่ด้วยเล่าก็จะไปด้วยเห็นแน่ก็ก็ไปด้วยกันนี่แหละยกเว้นสัมภาระ ก, กับลูกหาบให้หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนจริงด้วยสิผู้กองเราไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละยกเว้นพวกลูกหาบให้เฝ้าของรอยอยู่ที่นี่แล้วกันชายันยืนยันมาอีกคนหนึ่งไม่มีปัญหาที่จะต้องโต้เถียงกันมากเมื่อคณะนายจ้างปรารถนาเช่นนั้น ก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องขัดกระพินหันไปสั่งพวกพลานพื้นเมืองของเขาทั้งหลายให้ทราบวัตถุประสงค์แล้วก็ออกเดินนำเลาะลัดเรียบกำบังไปตามชายป่าหินเตี่ ย, ยซึ่งติดกระทุ่งรากที่โผล่ออกมานั้นโดยเร็วแข่งกับเวลาเพียงชั่วไม่กี่นาทีก็เลือกได้โมหินบนพื้นที่ดอนลูกหนึ่งในมุมเฉียงกับตาแหน่งซึ่งลูกหาดพักอยู่ในขณะนี้ห่างจากที่เดินออกมาได้ประมาณ200เมตร ปยิงขึ้นไปบนยอดสูงและพังภาพกายบนยอดเนินนั้นใช้กล้องส่องตรวจ ด, ดูตรงช่องเขาขาดอย่างระมัดระวังเชิดาดารินและชายันซึ่งมีกล้องประจำตัวติดมืออยู่แล้วก็ปฏิบัติตามโดยแยกกันส่องคนละมุมชั่วไม่ทันถึงอึดใจของการส่องตรวจ ด, ดูจากตำแหน่งใหม่นี้ชายันก็อุทานลั่นออกมาอย่างลืมตัวว่าชัดเลยมันอะ นอนหมอบอยู่บนชะ ง, ง่อนหินที่โผล่ยื่นขวางออกมานั่นและทุกคนก็เห็นพร้อมกันหมดด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกกระพินถอนกล้องออกจากสายตาส่งไปให้แงาใสายตนเองใช้นิ้วมือคีบสันจมูกหลับตานิ่งเหมือนจะนอนพักอยู่ตรงนั้นแงา่ใายเมื่อมองเห็นชัดแน่ใจแล้วก็ส่งผ่านไปให้มาเรียจากภาพในกล้องหรือแม้จะมองด้วยตาเปล่าก็ตามซึ่งอาจเห็นได้ราง หากมีการชี้ตำแหน่งบอกกันซะให้รู้ชัดไอ้มหายักษ์เจ้าแห่งพิภพโลกในอดีตนอนหมอบนิ่งดักขวางอยู่ปากทางของช่องเขาขัดอาการของมันเราก็ว่าจะรอคอยดักพบคณะมนุษย์ทุกคนที่กำลังจะบ่ายหน้าเข้าไปหาอยู่ในขณะนี้สีสันและท่าหมอบตัวของมันแถบจะกลืนกับสภาพของก้อนหินที่แวดล้อมอยู่ก็จริงแต่โดยเลนขยายขนาด12เท่า ช่วยแยกให้เห็นชัดทีเดียวว่าส่วนไหนคือหินและส่วนไหนคือร่างกายของมันซึ่งปรากฏอยู่ในทิศทางมองของฝ่ายมนุษย์ยามนี้เกือบจะเห็นครบหมดทั้งตัวแรงตัวนั้นบินว่อนอยู่เหนือตัวของมันบางขนาดก็บังอยู่กับยอดหินและบางขณะก็พลวกมาท่าบทองฟ้าซึ่งเป็นแบกร้าวอยู่เบื้องหลังช่วยเห็นชัดขึ้นอีกเพราะปราศจากต้นไม้บัก มารีฮอฟมันขยับริมฝีปากขมุบขมิบเหลือบตาขึ้นไปเบื้องบนท้องฟ้าและเอามือทำอาเมนอย่างคนใกล้จะหมดลมหายใจนี่คือเจ้าเวนนายกรรมเก่าของพวกเราทุกคนและเชษฐากล่าวแหบแห้งเดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้ชัดแล้วล่ะว่าพวกเราทั้งหมดกำลังฝืนกฎของธรรมชาติอย่างร้ายแรงที่สุดเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ดินแดนซึ่งพระผู้เป็นเจ้า หวงห้ามไว้และเขาก็มีหน้าที่คอยสกัดกั้นยับ ย, ยั้งเราไว้เราจะตายกันทั้งหมดหรือว่าจะยอมจำนวนถอยกลับเท่านั้นเอาละผู้กองพวกเราทุกคนอยากจะฟังความเห็นของคุณว่าจะเอาอยัางไงจากสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่แล้วถ้าคุณเห็นว่าเราสมควรจะกลับผมก็พร้อมแล้วที่จะกลับอย่าย้อนถามหรือฟังความเห็นจากผมนะ ผมบอกแล้วว่ามอบหน้าที่การตัดสินใจให้กับคุณอย่างไม่ต้องใช้เวลาไตร่ตรองอะไรทั้งสิ้นรพินไทรวันพูดหรือเพียบว่าฆ่ามันแล้วก็ผ่านช่องเขานั้นไปให้ได้หรือมิฉะนั้นก็ให้มันฆ่าเราครับอดีตท่านทูตทหารบกสูดลมหายใจลึกส่งมือมาให้เขาจับแล้วบีบกระชับแน่นตกลง ทุกคนหันมาจ้องเขาเป็นตาเดียวกันด้วยความรู้สึกตรงกันหมดระพินไครวันได้พิสูจน์ท่าแทะออกมาอย่างแจ่มชัดที่สุดด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำของเขาเท่านั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จักเขาอย่างไม่มีอะไรเครือบแคลงอีกแล้วในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหน้าที่หรือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแม้กระทั่งแง่ายซึ่งแบบ น, นี้ก็มองนิ่งมาด้วยสายตาอันคาระวะยกย่อง จากส่วนลึกของหัวใจและก่อนที่พรานใหญ่ใจเพชรจะขยับตัวลุกขึ้นจากท่าที่หมอบพังภาพอยู่นั่นเองเฉถาก็เอื้อมมือมากดไหล่ไว้ซะก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆผู้ ก, กองอย่าเพิ่งทำอะไรพวดพลาดเรามีแผนการที่รอบคอบรับกุงกระมัดทุกระยะแล้วและนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายเป็นศึกในขั้นแตกหักแล้วในระหว่างเรากำมัด มาวางเปลนกันให้รัดกุมที่สุดไอเรื่องเสี่ยงตายนะพวกเราเสี่ยงกันหมดทุกคนอยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะแต่เป็นการเสี่ยงที่เราต้องใช้สมองซึ่งเป็นอาวุธสำคัญชนิดเดียวเท่านั้นที่เราจะพิคิตมันได้อะบอกมาสิคุณวางแผนยังไงสำหรับเหตุการณ์ที่เห็นเฉพาะหน้านี่ถ้าซึ่งซึ่งหน้าและเดี๋ยวนี้เลยผมกัแง่ายจะเดินเข้าไปหามันโอกาสก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแะครับว่า ธนูติดระเบิดของเราที่จะยิงไปถึงตัวมันากับการที่มันจะพุ่งเข้าใส่เรานะใครจะเร็วกว่ากันแต่ผมเชื่อตัวเองกับแง่ทายและอำนาจระเบิดขอได้ยิงเพียงลูกแรกเท่านั้นโอกาสซ้ำจะมีขึ้นในทันทีและแน่นอนขึ้นเชิดขาสั่นศีษะอย่างตัดสินใจเฉียบขาดเหมือนกันที่จะขอยับชังระพินผมจะคล้อยตามคุณ ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับเหตุผลที่สมควรเท่านั้นนะเสียงของท่านหัวหน้าคณะเครียดแต่ในกรณีที่บอกมานในผมไม่เห็นด้วยมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศเหตุการณ์และเวลาซึ่งไม่เข้าข้างเราเลยสักอย่างเดียวประการแรกอีกไม่กี่อุจใจข้างหน้านี้ก็จะมืดสนิทลงแล้วกว่าคุณกระเงีสายจะเข้าถึงตัวมันก็คงมืดพอดีทําให้พวกเราทางนี้ไม่สามารถมองเห็นเหตุหการณ์ได้ ว่าอะไรมันเกิดขึ้นทำนองไหนประการที่สองเ ร, รากลากรมเดินหนักอ่ อ, อนเพลียกันมาแล้วทั้งวันถ้าเหตุการณ์ต่อสู้เกิดขึ้นในตอนนี้เราจะไม่มีความคล่องตัวเหลืออยู่เลยถึงคุณกระเงยทรายซึ่งทรหดอดทนที่สุดก็หนีความจริงข้อนี้ไม่พ้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เราควรหาทางหลีกเลี่ยงพักดูเชิงมันก่อนอย่างน้อยที่สุดก็ให้เราได้มีเวลาพักกันบ้างสักระยะหนึง่ง แต่คุณชายทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเรารอช้าหรือถวงเวลาให้ยืดออกไปไม่ได้เราจะต้องผ่านช่องเขาไปให้ได้ในระยะเวลาจำกัดตายตัวผมแน่ใจนะครับว่ามันจะต้องรู้เชิงและดักเฝ้ารอเราอยู่ตรงนั้นเองเป็นการสกัดกั้นเราไว้นี่ระพินให้ผมถามคุณสักคำเหอะสมมุติว่าคุณกาแงสายฆ่ามันลงได้สาเร็จภายในคืนนี้ แล้วคืนนี้เราจะเดินทางกันต่อไปได้ไกลสักแค่ไหนคำพูดของราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะทำให้รพินชะ ง, งักคิดใคร่ครวนอีกครั้งเชษฐาเห็นเขานิ่งไปก็กล่าวต่อมาว่าก็คงไม่ไปกันอีกไกลสักแค่ไหนไม่ใช่เหรอซึ่งตามแผนเดิมเราก็กําหนดกันไว้แล้วว่าจะพักแรมตรงเขาขาดนั่นแหละแล้วทีนี้แทนที่จะย้ายเข้าไปยึดที่พักตรงนั้น กับการที่เราพักคุมเชิงอยู่ในบริเวณป่าหินนี่มันต่างกันหรือว่าช่วยคืบระยะทางไปได้สักแค่ไหนตรงนี้กับตรงนั้นมันห่างกันไม่เกินสามกิโลเมตรเท่านั้นผลมันก็ไอ่เท่านั้นเองในกรณีที่คุณอ้างว่าเราจะเสียเวลาไปอีกความจริงนะ่ะไม่เสียเวลาเลยสักนิดเดียวถ้าเราเลือกเวลาเข้าโจมตีมันอย่างเหมาะสมถูกต้องโดยไม่เสียเปรียบมันเกินไปนักกระพินกลุ่มขมัก แล้วก็รู้สึกว่าตนเองเคลาไปถนัดใจเพราะความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียซึ่งทำให้สมองอ่อนเปลียทำงานช้าลงโชคดีเหลือเกินที่นายจ้างของเขาเป็นผู้ที่รอบคอบและฉลาดเฉลียวเสมอแล้วพรานใหญ่ก็ยิ้มออก่ากกร่อ ย, อยแล้วคุณชายจะเอาอยัางไงะครับผมนึกอะไรไม่ออกเลยนะครับตอนนี้มันมึนงงไปหมดเทถาหัวเราะเบาๆตบไหล่อย่างปราณี ตะพินคุณเหนื่อยมากเราทุกคนก็เหนื่อยเกือบขาดใจกันหมดทุกคนนั่นแหละแต่ในภาวะเช่นนี้นะเราไม่พร้อมสำหรับการต่อสู้อันเป็นศึกใหญ่อย่างที่เห็นอยู่นั่นผมถึงได้บอกไงว่าใจเย็นๆไว้ค่อยๆ ค, คิดในรอบครอบดีกว่าถึงยังไงเราก็ยังมีเวลาพอสมควรที่จะใช้สมองได้ความเห็นของผมก็คือคืนนี้เราถอยกลับเข้าที่พักในป่าหินนั่นก่อนเป็นการพักเอาแรง แล้วก็ดูท่าทีมันด้วยจะยังไม่ทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับมันนอกจากระวังเตรียมพร้อมไว้ในกรณีที่มันจะบุกเข้ามาพักผ่อนกันให้เต็มที่นอนหลับกันใส่เต็มอิ่มตะวันขึ้นพรุ่งนี้ถ้ามันยังดันทุรังนอนขวางเป็นเจ้าอยู่ยังงั้นเราก็จะจัดการกับมันทันทีคุณกระเงยายจะเดินเข้าไปยิงมันด้วยธนูซึ่งซึ่งหน้าหรือมีแผนยังไงผมไม่ขัดเลยขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ให้ผ่านคืนนี้ซะก่อนแล้วเราจะได้ดูเจตนาของมันให้แน่ชัดด้วยอีกว่ามันต้องการจะดักขวางเราจริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าตะวันขึ้นพรุ่งนี้แล้วมันยังอยู่ที่เก่าก็แน่นอนที่สุดแต่ว่าได้เลอคืนนี้มันอาจเคลื่อนย้ายไปที่อื่นก็ได้นะชยันดารินและมาเรียเห็นพ้องด้วยกระคำพูดของหัวหน้าคณะแางยืนยันสนับสนุนมาเป็นเสียงเดียวจอมพรานเบ้มริมฝีปากแน่น เหลยอตามาทางแง่ทรายเหมือนอยากจะเห็นความคิดก็พบว่าเจ้ากระเหลียงพเนจรคู่ขาของเขาจับตานิ่งมาก่อนแล้วยังอ่านความคิดไม่ถูกผมเขาไปมากครับจริงอย่างที่คุณชายพูดในที่สุดเขาก็ถอนใจเบาๆรับออกมาตามตรงทั้งหมดล่าถอยจากที่หมอบซุ่มส่องกล้องดูย้อนกลับมายังพวกลูกหกัก ซึ่งกำลังนั่งรอกันอยู่ยังไม่เฉลียวคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นแต่แล้วคำสั่งกระทันหันของระพินที่ให้เคลื่อนย้ายเข้ายึดที่ตั้งแคมป์พักนอนสําหรับคืนนี้ตามชายป่าหินที่เพิ่งจะโผล่กันออกมาหยกหยกแทนที่จะบายหน้าตรงไปยังช่วงเขาขาดตามที่กําหนดไว้แต่แรกทําให้พวกนั้นเกิดความสงสัยอ้าวทำไมละนายคืนนี้เราไม่ไปนอนกันที่ช่องเขาที่เห็นอยู่โ น, น่นหรอกหรือบุญคําหน้าตื่น ถามขึ้นอย่างแปลกใจอย่าเพิ่งถามอะไรทั้งสิ้นทาตามคำสั่งก่อนเร็วจนจะมืดเต็มทีแล้วการแสวงหาชายภูมิสำหรับพักผ่อนในขณะเดียวกันก็ต้องปลอดภัยสะดวกต่อทางหนีทีไล่ทุกด้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ถูกกระทํากันขึ้นอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาระพินเป็นผู้สำรวจและค้นหาเลือกบริเวณด้วยตนเองแฉกสีน้าเงินของสายฟ้าแลบ ให้เห็นอยู่ทางด้านตะวันออกพร้อมกับลมแรงซึ่งกันโชคมาเป็นระยะและมีเสียงฟ้าร้องแววมาแต่ไกลตามสันเขาลิบลบราวกับจะเป็นเสียงบนพืมของอสูรคงอีกไม่นานนักทั้งคณะมีหวังเผชิญกับพายุฝนอย่างแน่นอนซึ่งความทุลักทุเลคลุกขลักจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีปัญหาในที่สุดสิ้นแสงพลบค่าพอดี ก็เลือกได้ใต้เพิงหินใหญ่แห่งหนึ่งในแวดวงของที่กำบังจากธรรมชาติที่พอจะป้องกันพายุและสายฝนซึ่งอาจกระนำซัดลงมาได้แม้จะไม่ดีนักก็เป็นชยภูมิเหมาะเจาะที่สุดแล้วเท่าที่จะสแสวงหาได้ในละแวกนั้นครานพื้นเมืองผู้ร่วมคณะทุกคนจึงได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแผนจึงต้องเปลี่ยนอย่างกะทันหันเช่นนั้นรวมทั้งแผนคืบหน้าในอันดับต่อไป คนเหล่านั้นทันทีที่ทราบเรื่องก็ภหวาตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ขวัญและกำลังใจยังคงดีเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนายใหญ่ตัดสินใจได้ถูกต้ อ, องแล้วบุญคำเอ่ยขึ้นอาการของแกเครียดขึมไปจากเดิมเกือบจะเป็นคนละคนเราควรรอให้ถึงรุ่งเชา้ากลางคืนน่ไม่ดีคืนนี้บุญคำจะทำพิธีบวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขาและฟ้าดินอธิษฐานขอเปิดทางกรวดน้า แผ่เมตตาแผ่กุศลไปให้มันถ้าไม่มีเว้นกรรมกันมาก่อนก็ขอให้มันลีกทางให้เราด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ยอมไปจนถึงตะวันขึ้นพรุ่งนี้ก็ให้มันบันไลกันไปข้างหนึ่งรู้แล้วรู้รอดสะทีชยันหัวร้อนแค่ น, คนบอกมาป่วยการเสียเวลาบุญคำจะไปคิดแผ่เมตตาแผ่กุศลอะไรให้มันซะยากเลย ถเวนกำระหว่างเรากับมันจะหลีกเลี่ยงกันได้อย่างที่บุญคำหวังมันก็ควรจะเลี่ยงได้ซะก่อนที่จะเกิดการประทะจนถึงเลือดทั้งฝ่ายเราและมันอย่างที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งในวาระสุดท้ายทางผ่านจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยผ่านไปมันก็ยังอุดสาหมาคอยดักขวางสอเจตนาชัดไร้สอเจตนาไร้ชัดเจนแบบเนี้ก็แปลความหมายได้อยู่แล้วว่ามันจงใจจะจองล้างจองผลาญเรา จนถึงที่สุดเราก็จะแผ่ส่วนกุศลน่ากับมันเหมือนกันแต่แผ่ด้วยระเบิดทีเอทีไม่ใช่วิธีการกรวดน้ำลงกับแผ่นดินปราสาทพันธุมวดีและนิทราคอนครอันอาถันยังถล่มราบค่าหมดริตเดชไปแล้วด้วยอำนาจระเบิดงูยักษ์ก็ดีประขาบยักษ์ก็ดีมีอะไรเหลืออยู่ได้บ้างไอไดโนเสาร์ตัวนี้มันจะเก่งไปกว่ามันก็ให้มันรู้ไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัญญาและความกล้าหาญตลอดจนฝีมือของพวกเราทุกคนประโยค์หลังอดีตนายทหารปืนใหญ่กล่าวเพื่อเป็นการปลอบขวัญพวกพลานพื้นเมืองทุกคนแล้วฝนก็ซัดกระหน่ำลงมาจริงๆฟืนก็ไม่มีจะสุมไฟทั้งคณะนั่งหอตัวนาวสั่นอยู่ในความมืดมิดภายใต้เพิงหินนั้นคอยฟังทั้งเสียงฟ้าฝน และเสียงอื่นๆที่จะแปลกปลอมเข้ามาอย่างอึดอัดภวะภพวนใจมันช่างเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายกาดไกลช น, นี้ทุกคนได้แต่รำพึงอยู่ในใจแต่ไม่มีใครปริปากบน่นต่างผวาหว า, วาดกลิ่งเกรงเหมือนกันหมดในข้อที่ว่างระหว่างที่ฝนซัดหนักจนลืมหูลืมตามไม่ขึ้นละคนไปกระเสียงฟ้าคำรามกึกก้องผาเปรี้ยงปรางอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นถ้าไอ้มหายักษ์ไทแรน อโอกาสนั้นคือจูโจมเขาเล่นงานฝ่ายมนุษย์จะรับมือแก้ไขกันได้ยังไงสายฝนอันนาทึบและมืดมัวเป็นอุปสรรคสำหรับทางหนีทีไล่ทุกประตูและแน่ละเสียเปรียบมันอย่างเต็มที่ธรรมชาติของสัตว์ทุกชนิดจะไม่ออกล่าหยื่อหรือเล่นงานศัตรูในเวลาฝนตกหนักและฟ้าคะนองมันอาจไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นแต่มันกลัวธรรมชาติวิปริตที่สุดเพราะ จอมพานกล่าวพึมพำขึ้นเหมือนจะอ่านใจคณะนายจ้างของเขาที่คิดกลิ่เกรงอยู่ในขณะนี้ได้ถูกเป็นความจริงตามพิษฎีเชื่อมั่นของเขาตลอดระยะเวลาที่ฝนตกหนักชั่วโมงเศษที่คณะพักนั่งคอยระวังระแวงจิตใจระส่ำระสายเต้นระทึกรอคอยว่าวินาทีมหานรกมันจะพลวดพลาดเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นไม่ปรากฏว่าจะมีวิแววท่าทีร้ายอย่างใด จากเจ้ายักษ์นั่นมือจนนิดเดียวจับรหัสไม่ได้ด้วยว่ามันยังนอนเป็นเจ้าปัทภีขวางช่องทางอยู่ในช่องเขาทางผ่านหรือว่าเคลื่อนย้ายขยับขยายไปอยู่ที่ใดในระหว่างฝนตกหนักเมื่อฝนซาเม็ดลงเหลือเพียงพรมพรมซึ่งมีทิท่าว่าอาจโปรยพรมเช่นนี้ไปตลอดครึ่งค่อนคืนต่างก็เผชิญกับความเงียบขนาดได้ยินความคิดของตนเอง และนำฝนที่ไหลซาะตามขอบพื้นแง่หินจากที่สูงไปหาที่ต่ำอากาศไม่เพียงแต่จะหนาวเยือกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังชื้นไปด้วยละอองน้ำจนหมอดารินต้องงัดเอายาออกมาแจกและบังคับให้ทุกคนกินก่อนที่จะเกิดอาการเช่นไรขึ้นมาแต่ถึงเช่นนั้นก็ตามสางปลาผู้ทรโหดที่สุดกับเกิดซึ่งเป็นลูกปาแท้ก็ยังจับไข่ลงนอนสันถึงขั้นต้องตรวจอาการและเยียวยากัน แม้จะไม่หนักหนาหน้าวิตกอะไรนักสำหรับหมอดารินแต่ก็เต็มไปได้วยความฉุกละหุกพอดูถ้มกลางวิกฤตการที่แวดล้อมอยู่รอบๆอบตัวก่อให้เกิดการห่วงหน้าพะวงหลังวิตกต่อเหตุการณ์ไปหมดสามป่าจะเป็นอะไรมากไหมน้อยมาริยแอบเข้ามากระซิบถามดารินด้วยความเป็นห่วงในทุกอย่างสีหน้าของหลอนกลัดกลุ้มเมื่อเห็นอาการอันไม่เข้าท่าของลูกสี่ก้นกุติ จะสกุลสาวผู้เป็นแพทย์มือเยี่ยมของคณะตกเบาๆที่ไหลเพื่อนสาวอย่างปลอบใจนิดหน่อยนะเมย์ไม่ต้องห่วงรรกแค่ไข้ธรรมดาเท่านั้นแหละมันร้อนอบอ้าวเหนื่อยหนักมาทั้งวันแล้วจู่ๆก็โดนฝนอย่างกระทันหันร่างกายก็ปรับไม่ทันว่าแต่เธอเถอะรู้สึกเป็นไ ง, งมั่งมีอาการยังไงแล้วก็รีบบอกนะจะได้สกัดทันแต่เนิ่นๆพวกเราขณะนี้ก็อยู่ในสภาพทุรักทุเลกันเหลือเกิน แมมสาวฝืนจิ้มตอบบีบมือดารินแน่ฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกน้อยเป็นห่วงก็แต่ว่าถ้าคนของฉันเกิดไม่สบายมากจะเป็นอุปสรรคให้แก่พวกเราทั้งหมดเท่านั้นแหละและเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นของไพั์วันเหมือนการเมไขรปวดหัวตัวร้อนธรรมดานอนพักเสียพรุ่งนี้ก็หายอ่ะโอ้พระเจ้าพระองค์ช่างลงโทษทรมานพวกเราสิจริง ตลอดเวลาเหมือนตกอยู่ในห่วงฝันร้ายไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนหายใจกันได้สะดวกเลยเราทั้งหมดจะทนทานฟันฝ่นากันไปได้นานอีกสักเพียงไหนเนาะเราจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงไปได้โดยตลอดเม่เชื่อที่น้อยในที่สุดเธอก็หนักแน่นมั่นคงกว่าฉันซะอีกนะมาเรียพืมพรมแผ่วเบากอดราชสกุลสาวไวพร้อมกับซบหน้าลงกับไหลดาลิน อย่างท้อแท้อิดโรยการเวลาผ่านไปอย่างเช่มช้าภายใต้เพิงหินแคบๆที่มนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตใช้เป็นที่ยึดกำบังตนนั้นในที่สุดฝนก็สาขาดเม็ดได้ยินแต่เสียงน้ำหยดปอกปัดจากยอดหินลงสู่พื้นเบื้องล่างอยู่ทั่วไปเสียงพูดคุยกันเบาๆระหว่างเชฐิฐถาช้ยัน ทอดระยะห่างออกไปเป็นลําดับในที่สุดก็เงียบสงบทั้งหมดบ้างนั่งบ้างนอนขดรวมกลุ่มกันอยู่ภายในบริเวณอันจํากัดถูกสะกดด้วยมนของนิทราลมที่ค่อยๆคืคคบคลานเข้ามากระพินไพร์วันนั่งชันเข่าพิงผนังหินอยู่ปากเพิงใบหน้าซุกกลมอยู่ในระหว่างอ้อมแขนที่กอดเขา่าไม่มีใครทํานายได้ถูกว่าเขาหลับ หรือตึงฝั่งตรงข้ามเยื้องออกไปเล็กน้อยแงส า, ายนั่งเหยียดขาพิงก้อนหินต้นคอพาดอยู่กับแง่ตอนบนนิ่งสงบพอพอกัดหินทุกก้อนที่แวดล้อมอยู่ยามน้ทันใดนั้นทุกคนก็ถูกปลุกให้ผวาอย่างคนปร ะ, ประสาทเสียขึ้นมาพร้อมกันหมดเมื่อเสียงหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแม้แต่สางปลาและเกิดซึ่งยังซมอยู่ด้วยพิษข่า ย, ยามนี้ก็พงกกายพรวดพราดขึ้นมา ในลักษณะอกสันขว้านแขวนมันเป็นเสียงการเคลื่อนไหวตัวของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งค่อยๆผ่านอย่างจดจดจ้องจ้องมาตามดงหินน้ำหนักตัวอันมากของเจ้าของร่างกายไม่สามารถจะปิดบางเสียงของการเคลื่อนตัวนั้นได้แม้ว่ามันจะมาอย่างเงียบซักเพียงใดก็ตามทุกคนไหวตัวพร้อมกันหมดใจที่เต้นโครมครามแทบจะระเบิดออกมานอกอก มือเท้าเย็นเฉียบไปหมดเพราะเป็นการถูกเสียงนั้นปลุกขึ้นมาอย่างจู่โจงกระทันหันในระหว่างเคลื่อนหลับมันเอาเราแล้วนายใครคนนึงในบรรดาพรานพื้นเมืองของเราพินร้องออกมาอย่างลืมตัวแต่แล้วก็เงียบลงอย่างกระทันหันเพราะใครอีกคนนึงตะครุบอุดปากไว้มัน่นคนร้องคือเสยและคนอุดปากมีหน้ำยังกดศรีรษะลงไปทิ่มอยู่กับพื้นคือตาเท่าบุญคํา ขยินคลานตะกายมาที่พลานใหญ่โดยเร็วในขณะที่เงาายเอื้อมไปกำคันธนูแน่นกระชับอีกมือหนึ่งควานไปที่กระบอกสอนเพื่อความแน่ใจว่าลูกธนูทุกดอกยังอยู่ครบถ้วนแล้วอดีตนักเลงโตลมทางลมช้างก็เอาหูฟังกับพื้นนายจ้างทั้งสี่พากายอย่างเงียบกริบมาชุมนุมรวมกลุ่มอแน่นอยู่ที่ระพินเช่นกันในระหว่างที่เขาหมอบ พ, พังพากระซิบกระซาบ หาหออยู่กับขยินเสียงนั้นดังขาดขาดหายหายอยู่เป็นระยะแต่เว้นช่วงห่างไม่นานนักได้ยิ่งและยิ่งฟังได้ธนัดชัดเจนขึ้นทุกทีเมื่อมันเคลื่อนไกล้เข้ามาอีกสามารถฟังได้ยินแม้แต่หูปกติของฝ่ายนายจ้างเป็นเสียงของการเดินช้าๆเลาะละัดมาในระหว่างหมู่ก้อนหินอันระเกะระกะ บางขณะก็ยำลงไปบนพื้นแอ่งที่ขังน้ำฝนเสียงกระฉอกระเซ็นของน้ำฟังชัดอึดใจใหญ่ต่อมาจอมพลางก็เงยหน้าขึ้นประกายตาในความมืดคู่ น, นั้นวาวโรดแฝงไปด้วยความชะงนสนเทใจแปกมากครับเขากระซิบกับทุกทุกคนเสียงมันเดินต่อแต่ยังไงพี่กนครับคล้ายๆอาการเดินของเป็ด แต่ขยายขนาดขึ้นไปประมาณหลายพันเท่าแล้วก็มีเสียงเอาปากไซน้ำตามแอ่งน้ำฝนที่ขังไว้เล่นด้วยทั่วไรใครคนหนึ่งร้องออกมาในเสียงกระซิบเช่นกันพระใหญ่สันศีสะอย่างมึนงงหันไปซุบซิบเร็วปรือกับขยินซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเรดาร์และโซน่าพร้อมอยู่ในตัวและจึงหันมารายงานต่อ ขจินพอกว่าเดินด้วยอุ้งเท้านิ่มๆสองเท้าแต่รวมเสียงแล้วมีสี่ขาก็น่าจะต้องเป็นสองตัวและมาจากทางด้านใต้ไม่ใช่ด้านเหนือที่ไอ้ยักษ์นั้นดักเราอยู่ในขณะนี้ฮะแน่ใจเหรอว่าไม่ใช่ไอ้ยักษ์ไทรันตัวนั้นน่ะแน่ใจครับฟังจากเสียงเดินแม้จะเป็นขนาดใหญ่ก็ตามแต่ก็เล็กกว่ายักษ์ไทรนนันมากลักษณะของมันไม่ได้มีเจตนาจะย่องเข้ามาหาเรา หากแต่เดินเฉียดผ่านใกล้เท่านั้นไม่งั้นมันคงไม่เดินไปพลางเล่นน้ำไปพลางด้วยล่ะครับทุกคนเต็มไปได้วยความพิษสวงยิ่งและภายหลังจากเงี่ยหูสดับเสียงประหลาดที่แหววมาให้ได้ยินนั้นอย่างพิเคราะห์ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นจริงตามที่รพินบอกทุกอย่างเจ้าสัตว์ใหญ่ลึกลับชนิดนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีจนรู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ห่างออกไปจากปากเพิงที่พักไม่กี่เมตรนี่เอง ถ้าทางไม่ได้ฉเฉลียวคิดดอรู้มาก่อนว่ายังมีสัตว์อีกประเภทหนึง่งที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์เป็นจํานวนหมู่ใหญ่หลบซ่อนตัวอยู่ใต้เพิงหินที่มันเฉียดกลใกล้เข้ามาแต่ถึงเช่นนั้นก็ตามอาการที่มันใกล้เข้ามาเต็มทนและแผ่นดินที่สะเทือนไหวเพราะน้ำหนักตัวทำให้ไว้วางใจต่อสถานการณ์ไม่ได้ทั้งสิน้นจะใช่ไอ้ยักษ์นั่นหรือไม่ก็ตาม รูปการมันไม่ดีแน่นะแต่ขืนป่วนเปลี่ยนเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เอาไปดูมันดีกว่าผมไปด้วยเชษฐาบอกด้วยเสียงหนักๆรพินพยักหน้าเป็นสัญญาณกับแงซ า, ายซึ่งเตรียมพร้อมอยู่เสมอแล้วให้ย่องเข้ามาสมทบกลุ่มนายจ้างอีกสี่คนรวมทั้งเขาด้วยก็เคลื่อนตัวออกจากใต้เพิงที่ซ่อนลบอยู่อย่างแผ่วเบาเงียบกริบโดยให้พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลาย สงบระวังพร้อมอยู่ที่เดิมก่อนทั้งหกคนแฝงกายไปตามซอกหินซึ่งขณะนี้เย็นเยียบและชุ่มไปด้วยน้ำบาบหน้าไปทางด้านที่ได้ยินเสียงดังอยู่ในขณะ น, นี้และเพียงชั่วไม่กี่ก้าวที่ออกมาจากใต้เพิงสำหรับหลบตัวนั่นเองตางก็มองไปเห็นภาพประหลาดชนิดหนึ่งปรากฏเป็นเงาตะคุ่มสูงเด่นโผล่ล้ำขึ้นมาในหมู่ก้อนหินเตีย่ย ซึ่งแซมยอดสลับอยู่ทั่วไปแม้ฉากจะเป็นราตรีอันมืดมนแต่ปรากฏการบนท้องฟ้าภายหลังฝนตกหนักผ่านไปแล้ว <c oughs> ก็ช่วยทำให้สายตาที่ชินความมืดมองเห็นอะไรได้รางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่นั้นและเห็นได้พร้อมกันหมดโดยไม่จำเป็นต้องส ก, กิดบอกกันครั้งแรกต่างก็เข้าใจว่าเป็นยอดหิน เพราะความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบด้านแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นสิ่งที่แลผาดผ่าดในความมืดว่าเป็นก้อนหินนั้นเคลื่อนไหวได้มันห่างออกไปเพียงไม่เกินสิบห้าเมตรท่ามกลางด่านสายใหญ่ซึ่งบัดนี้เป็นทางไหลของน้ำฝนสันฐานที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดก็คือส่วนคอที่ยาวสูงขึ้นไปเหมือนยีราฟและหัวเรียวยาว ขณะนี้มันกำลังหยุดนิ่งอยู่กับที่ชูคอสูงและเหลียวเฉพาะส่วนศีสษะอยู่ไปมาเชษฐาประทับจุดสี่หกศขึ้นไลอย่างระมัดระวังใช้สอกสกิดเตือนน้องสาวที่หมอบแนบซอกหินตะลึงอยู่ใกล้ๆเป็นสัญญาณให้ฉายไฟส่วนรบพินกับแงซ า, ายขณะนี้จ้องสำรวจนิ่งเหมือนจะคเนให้แน่ใจที่สุดว่ามันคือตัวอะไรแนะ่ ทันทีที่ดารินพุ่งไฟฉายปราดออกไปกระทบกับสีแสดที่ชูสูงนั้นมาเรียซึ่งเตรียมไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือเช่นกันก็ร้องห้ามอย่ากระทันหันก่อนที่ใครจะทันปล่อยกระสุนออกไปอย่ายิ้มเสียงร้องและไฟฉายที่สาดออกไปกระทบมันอย่างจู๋โจนนั่นเองเจ้าสัตว์ใหญ่รูปร่างประหลาดผู้มีศีรษะเหมือนเป็ดลำตัวออกเทานมนสลับไปกับลายเหลืองก็ผวาตึงตกใจพันหน้าออกไปพร้อมกับเสียงร้องเบาๆ มันมีอยู่ด้วยกันสองตัวเดินเคียงคู่กันมาตรงตามที่ขยินคำนวณไว้อ ย, ย่างแม่นยำเชื่ากับชัยยันยั้งมือได้ตามเสียงห้ามของมาเรียชั่วพริตตาเดียวเท่านั้นทั้งทั้งที่ยังไม่เข้าใจนะักว่านักโบราณชีวาศาสตร์สาวมีเหตุผลอันใดในการยัดยังไว้ด้วยท่าทีอันตื่นตกใจระคนพิสวงในสิ่งอันแปลกปลอมที่มันได้รับอย่างกระทันหันนั้น เจ้าสัตว์ยุคหินลักษณะเหมือนเป็ดที่ปราศจากขนนอกจากหนังหนาลายเทาสลับเหลืองคู่นั้นพากันเดินอย่างรวดเร็วและเลี้ยวหน้าเหลียวหลังตลอดเวลาไฟฉายหลายดวงที่ส่องตามหลังมันไปในขณะนี้ทําให้มองเห็นรูปร่างของมันอย่างถนัดทนีใบสั้นคู่หน้างอติดอกในลักษณะเดียวกับไทแรนโนซอรัสแต่แพรเป็นพืชหนังติดกัน เหมือนปีนของสัตว์ประเภทสะเทินน้ำสะเทินบกวางลำตัวอยู่บนขาหลังอันอวบใหญ่แข็งแรงทั้งสองซึ่งเป็นปีนเป็ดเช่นเดียวกันและมีหางยาวลากไปบนพื้นอันเป็นหางแบบสัตว์เลื้อยคลานดึกดาบรรทั้งหลายอาการเดินที่ดูว่าเตาะแตะตุ้มเตียวก็เป็นการเดินของเป็ดไม่ผิดกันเพียงแต่ว่าตัวใหญ่ขายาวทำให้มันเคลื่อนหางฝ่ายมนุษย์ ที่จ้องไฟฉายและเตรียมยิงอยู่ขณะนี้ออกไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าตัดป่าหินออกสู่ที่ราบโล่งด้านเนือ้อลักษณะของมันเห็นชัดจากส่วนสีสะว่าไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายอะไรเลยแม้ว่าขนาดอันใหญ่ยักษ์จะทำให้หน้าสะพึงกลัวก็ตามระพินกระแงสายจ้องมองดูมันเฉยอยู่โดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นนอกจากอาการข้ครวนวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ตัวอะไรรูปร่างแปลกจังดารินร้องเสียงสั่นด้วยความตื่นเต้นระคนไปกับความรู้สึกอันพลันรึงวาดสยองนาน า, นาประการที่จําแนกไม่ถูกแคโโ็โคดอนมาเรียบอกมันไม่ดูร้ายหรือเป็นอันตรายต่อใครหรอกกินพืชสาหร่ายและพวกปลาเป็นอาหารนิจใสจะตื่นกลัวอยู่เสมอเป็นเยื่อย่างดีที่สุดของพวกไดโนพันกินเนื้อทั้งหลาย ทุกคนถอนใจออกมาได้อย่างโล่ง อ, อกเฉถากระชั ย, ยันลดไรเฟิลลงจากไหลตังสองไฟฉายตามดูการเคลื่อนไหวของมันไปจนกระทั่งลับตาสิงชัยยันสบดพรมด้วยความเสียเส้นตางพากันออกจากที่มัน่นเข้ามารวมหมู่กันอีกครั้งพรานใหญ่สองไฟตรวจ ด, ดูรอยเท้าตามพื้นแฉะที่มันเหยียบย่ำไว้เป็นเถือนแล้วกราดไปยังทิศที่มันเดินมาแต่แรก โผล่มาจากดงหินด้านใต้จริงๆด้วยแล้วก็บายหน้าตัดขึ้นเหนือจอมพรานพูดเบาๆอย่างงุนงงไม่สามารถจะคันเน อ, อะไรได้ทั้งสิ้นเพราะนิสัยใจคอและธรรมชาติของสัตว์ดึกดำบันประเภทนี้เขาไม่เคยผ่านพบศึกษามาก่อนเราอยู่ใกล้หนองน้ำหรือวิชนั้นก็บึงใหญ่จริงๆด้วยตรงตามที่คาดคันเนไว้แล้วละไพวันฉันรับรองได้ร้อยเปอร์เซว่า ข้ามฝ้าเขาที่กั้นหน้าเราไว้ไปจะต้องเป็นทะเลสาบมรณะอย่างไม่ผิดจุดหมายคุณรู้ได้ยังไงเมทแรโคโคดอนคู่นั้นไงเป็นสัญลักษณ์บอกเตือนให้รู้ได้ดีที่สุดมันเป็นสัตว์อาศัยและหากินอยู่ในเขตที่ลุ่มหนองน้ำทะเลสาบหรือบึงถ้าฝนไม่ตกน้ำนองจึงไปหมดอย่างว่าตอนหัวค่ำนี่เราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นมันหรอก ฉันสันนิษฐานว่ามันคงจะเดินท่องเที่ยวอยู่ที่ใดที่หนึ่งทางด้านใต้ของป่าหินซึ่งอยู่ในรัศมีของทะเลสาบที่มันอาศัยอยู่พอฝนตกหนักมันก็เดินเล่นฝนจะบ่ายหน้าย้อนกลับไปยังทะเลสาบถิ่นเดิมแน่ใจเหรอเม่ไวาาเป็ดไดโนเสาร์คู่นั้นกําลังจะไปที่ทะเลสาบเชษฐาถามโดยเร็วลืมตากว้างแน่ใจใช่ครับพี่ใหญ่ ถ้าธรรมชาตินิสัยและชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ตึกดำบันที่ฉันศึกษาร่ําเรียนมาไม่ผิดออกไปถ้างั้นก็แปลว่ามันจะต้องผ่านช่องเขาขาดที่เจ้ายักษ์ไทรันนันดักเฝ้าเราอยู่ในขณนะนี้สิถ้ามันจะกลับไปยังทะเลสว์และถ้าไม่มีเส้นทางผ่านทางด้านอื่นอีกอย่างที่ไพรวันกรงเทบอกมันก็ต้องอาศัยผ่านช่องเขาขาดนั่นแน่นอนค่ะคาบอกเล่าของมาเรียทาให้ทั้งหมด มองหน้ากันบางกลับเข้ามาในเพิงพักอีกครั้งในนั้นพวกพรานพื้นเมืองทุกคนนั่งรวมกลุ่มปืนและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือคอยฟังข่าวด้วยความเร่าร้อนส่วนขยินก็ยังคงอาศัยเอาหูฟังเสียงกับพื้นตามเดิมมันไปทางเหนือนายทางช่องเขาคาที่ยักษ์มันดักอยู่ละนายเสียงขยินรายงานอย่างตื่นเต้นตรงกับที่มาเรียคาบไมยไว้ทุกประการ ทุกคนเงียบกริบได้แต่นั่งเบิกตาพโพลงหูคอยสดับกับฟังเสียงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในความเงียบด้วยใจเต้นระทึกและไม่สามารถจะทายเหตุการณ์ถูกทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปได้วยปริศนาซึ่งจะต้องรอผลคำตอบออกมาด้วยตัวของมันเองครคคโคดอนคู่นั้นจะเฉลียวคิดไวทันหรือไม่ว่ามัตยุราชเจ้าพิภพดักขวางากทางผ่านที่มันกำลังบายหน้าใกล้เข้าไปทุกขณะ สภาพของมันในขณะ น, นี้ไม่ผิดอะไรกับกวางที่กำลังจะเดินเข้าไปสู่ปากเสือและเจ้าไทแรนโนซอรัสตัวนั้นล่ะที่มันไปเฝ้าดักคุมเชิงอยู่ปากทางทานมันมีเจตนาดักเฝ้าอะไรของมันแน่ดักหาเยื่อจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะอาศัยผ่านเส้นทางอันจำเป็นนั้นหรือต้องการจะดักมนุษย์กลุ่มนี้โดยตรงอย่างไรก็ตามครคโคดอนคู่นั้น อุปมาประหนึ่งเรือนําร่องหรือเครื่องชิมลางที่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วเพื่อให้ฝ่ายมนุ ษ, ษย์ที่ฉลาดกว่าเฝ้าสกัดฟังข่าวแล้วประมวลผลยังหาลูกทางต่อไปและพก็คงจะรู้ชัดกันออกไปภายในไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้เข็มวินาทีกระดิกผ่านไปอย่างแช่มช้าท่ามกลางความเงียบสงัดคงได้ยินแต่เสียงน้ําฝนที่ไหลซ้อไปตามพื้นหิน ดังอยู่ริกๆทุกคนอยู่ในสมาธิอันแน่วหนิ่งแทบไม่มีใครหายใจบัดดุลนั้นเองสิ่งที่ต่างรอคอยอยู่ด้วยความระแวงไว้ก่อนแล้วก็ระเบิดขึ้นด้วยสำเนียงเสียงกึกก้องฟังสยองไปทุกขุมขนมันเป็นเสียงแผดคำรามสนั่นห ว, วั่นไหวราวกับฟ้าร้องพร้อมกับเสียงแผ่นดินไหวเฮือกระคนไปกับเสียงก้อนหินพลิกถลม่มกลิ้งกระจัดกระจายเสียงร้องแหลมอย่างกรกตกใจและเจ็บปวด และเสียงของการดิ้นรนฟาด ฟ, ฟันต่อสู้ระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่าเสียงเหล่านี้ดังเพราะสารประปรนกันจนจำแนกไม่ถูกเอาเข้าแล้วมันเล่นงานแท็กโคโดอนสองตัวนึงจริงๆใช้ยันหวาสดุร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวเสียงแผดคำรามระคนต่อสู้ซึ่งดังก้องไปทั้งราตรีแห่งความสงัดเรากับโลกจะถล่มทลายดังอยู่เพียงอึดใจใหญ่ ถามกลางการตะลึงฟังด้วยเลือดในกายอันเย็นเยียบของฝ่ายมนุษย์ในที่สุมทั้งสิบสองชีวิตแล้วมันก็จางเงียบหายไปทุกสิ่งทุกอย่างกลืนอยู่ในความสงบและความมืดมนต่อไปเสร็จหมดทั้งสองตัวแล้อเนี่ยเชฐากระซิบขึ้นลอยๆในความมืดสงสัยครับคงคบขบกมองแหลกหมดทั้งสองตัวนะั่น ใช้เวลากระทันหันรวดเร็วเหลือเกินทั้งโหดร้ายทั้งหิวแล้วก็ทั้งตะกะตะกรามผู้ตอบคือพรานใหญ่ซึ่งนั่งประสานมือกอดเข่าอยู่ดารินกมามเรียครางออกมาอย่างสยองใจโธ่ไอเป็ดไดโนเสาร์คู่นั้นนะเคราะหร้ายแท้ๆนี่มันไม่รู้ตัวบ้างเลยเหรอว่ามันเดินเข้าไปหามัจจุราชพวกเราก็ใจร้ายกันเหลือเกินทาไมเราถึงไม่ทาอะไรสักอย่างนึง ให้เจ้าสัตว์ที่น่าสงสารคู่นั้นเบนทิดออกไปซะนี่ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้มหาการันดักอยู่ก็ยังดูดายปล่อยให้แท็กโคดอนคู่นั้นเดินไปเข้าปากไอ้ยักอย่างเลือดเย็นที่สุดหมอดารินอดลงสังเวชออกมาไม่ได้ตามนิสัยหรือไหลานาน้อยเชยันดุมาด้วยเสียงขุนๆมันเป็นเจความผิดของเราสักนิดนะน้อย แล้วก่อนที่จะนึกพุดโทรสงสารอะไรกันน่ะก็หันมาสงสารตัวเองก่อนดีกว่าเราจะไปมัวห้ามหรือป้องกันไอ้สองตัวนั่นไม่ให้เข้าไปหาที่ตายแล้วพวกเราเองก็ต้องตายแทนมันยังงั้นเหรอฉันเห็นว่าเป็นการดีที่สุดแล้วนะที่ทักโคดอนคู่นั้นเซอร์ซ่าเข้าไปเป็นเหยื่อให้ไอ้ยักษ์นั่นซะก่อนซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได้ผลดียังไงดารินถามเอ่อย นี่เราคิดอีกแง่หนึ่งนะสมมุติว่าถ้ามันไปดักคอยเหยื่ออยู่ตรงนั้นเพื่อจะจับอะไรกินพอให้อิ่มท้องเดี๋ยวนี้มันก็ได้แค็กโคโดอนคั้วนั้นเป็นอาหารแล้วถ้ามันกินอิ่มมันอาจจะพละออกจากการนอนเป็นจระเข้เจ้าขวางปากทางเราก็ได้ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็จะดีที่สุดอาจผู้ถูกก็ได้นะชยันสหายราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าคณะของเขากล่าวขึ้นโดยเร็ว แล้วหันมาทางจอมพรานผู้ยังใช้ความคิดหนักอยู่คุณและผู้กองคุณคิดยังไงก็อาจเป็นความจริงอย่างที่คุณชยันคาดคะเนก็ได้ครับและถึงที่เมได้บอกเอาไว้ก่อนแล้วก็มีส่วนถูกอย่างมากหนทางช่องเขาขาดนั้นแบ่งแยกแผ่นดินออกเป็นสองฝ้าฝากหนึ่ง แ, แห่งแรงกันดา n อีกฝากหนึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายที่ท่องเที่ยวหากินอยู่ในละแวกนี้จะต้องอาศัยช่องทางนั้นเป็นทางผ่านเข้าออกอยู่เสมอไอ้อยักษ์ไทรันจะต้องรู้ดีอยู่แล้วมันยังไปดักคอยหาเหยื่ออยู่ที่นั่นและเดี๋ยวนี้มันก็ได้เหยื่อพอที่จะอิ่มได้แล้วกินเหยื่อเสร็จมันอาจจะไปก็ได้โอพระเป็นเจ้าขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆเถอะมาเรีย พ, พึมพำ ประสานมือไว้ระหว่างอกในความเงียบนั้นทุกคนซึ่งสุดประสาทยังเปิดเตรียมพร้อมได้ยินเสียงตะกุยฉีกเนื้อและเสียงเคี้ยวขยอกกินอย่างสดส ด, สดร้อนร้อนดังแววมาจังๆแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาก็พอจะนึกวาดภาพได้อย่างถนัดชัดเจนที่สุดจากซาก ข, ของไดโนเทารมและสเตโกสระที่ไอยักษ์เคยฉีกินทิ้งซาก อ, อันเรี่ยราดกระรุ่งกระริ่งเป็นที่วาดสยองไว ให้หินมากอดต่างสงบเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างใจเต้นระทึกไม่เป็นสั์ไม่มีใครเดาความคิดของใครถูกในขณะนี้จนกระทั่งเชษ้ถางงัดกล้องยาเส้นออกมาจุดสุดควนันอันฉุนกึกที่กระจายไปทั่วบริเวณแคบแคบที่รวมกลุ่มกันอยู่ช่วยปลุก ป, ประสาทอันเป็นเน็บชาของทุกคนให้ตื่นจากข่วงคิดอันวกบนขึ้นมาอีกครั้งเสียงคานใหญ่พูดอะไรแผ่วเบาอยู่กับคนของเขาและขยิน อดีตในบ้านหลุมช้างก็ยังคงทาหน้าที่ฟังเสียงจากแผ่นดินต่อไปอย่างตั้ง อ, อกตั้งใจเสียงเคี้ยวขย่ากัดกินเหยื่อนั้นแว่วมาให้ได้ยินอยู่เป็นเวลานานทีเดียวแล้วในที่สุดก็เงียบหายไปถามขยินที่ผู้กองว่ามันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวยังไงของไอ้ยักษ์บ้างไหมตอนนี้ชยยนเตือนเขาขึ้นเมื่อไม่อาจสงบทนจมอยู่ในความเงียบที่แฝงไปได้วยปริศนานั้นต่อไปได้ ขยินบอกว่ามันหยุดกินซากเหยื่อแล้วครับแล้วตอนนี้นิ่งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างใดทั้งสิ้นครับแน่ใจหรือว่ามันยังอยู่ที่เก่าโดยไม่แผละจากไปแล้วนะขณะนี้เดี๋ยวนี้ขยินไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนตัวใดใทั้งสิ้นครับก็น่าจะแปลว่ามันนิ่งอยู่ที่เก่านั่นแหละอาจจะนอนพักอยู่ที่เดิมก็ได้ผมให้ขยินกระบุญคําคอยเฝ้าจับเสียงอยู่ตลอดเวลาแล้วครับทุกคนของฝ่ายนายจ้างเริ่มกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง เอแถ้ามันจะเอายังไงกับเราแน่แฮะได้เยื่ออิมีพีมันแล้วก็น่าจะไปสะทีไงถึงยังคุมเชิงนิ่งอยู่ตรงนั้นออดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาที่จะให้ไอ้มหายักษ์ไทรันย้ายตัวเองออกไปซะให้พ้นปากทางกล่าวออกมาอย่างหนักใจแล้วก็เป็นความรู้สึกชนิดเดียวกันกับทุกคนในขณะนั้นนั่นเองเราฟังมันดูสักพักเถอะนายทหารบุญคาบอกมาอย่างปลอบใจ มันอาจขมือบเข้าไปเต็มคราบพุงกลางเดินไม่ไหวก็เลยลงนอนพักอยู่ตรงนั้นก่อนตอนใกล้ใกลรุ่งอาจไปก็ได้บุญคำก็ยังไม่อยากเชื่อนักหรอกว่ามันมีเจตนาร้ายที่จะจ้องอาฆาตดักเราโดยเฉพาะนอกจากคอยดักเหยื่อทั่วๆไปตามธรรมชาติหาอาหารของมันพวกเจ้านายทั้งหลายอย่ามัวนั่งเฝ้ากังวลใจอยู่เลยนอนพักเถอ ะ, ะลอยหน้าที่ไอ้บุญคำไอ้พวกนี้เองจะคอยจับฟังเสียงไม่เหตุผลไปได้หรอก บุญคำพูดถูกแล้วครับพวกเราควรนอนพักเอาแรงดีกว่าพรุ่งนี้ก็รู้ชัดกันเองวครับว่ามันไปหรือไม่ไปตอนนี้จะมัวมาคอยนั่งเฝ้าท่าทีของมันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่ผมกล้ารับรองได้แน่ๆก็คือไม่ว่ามันจะไปหรือไม่ไปจากที่นั่นก็ตามตลอดทั้งคืนนี้มันจะไม่บุกเข้ามาที่นี่เป็นอันขาดกระพินบอกกับคณะนายจ้างของเขามาอีกคนหนึ่ง ทั้งสคนจึงชวนกันย้ายที่กลับเข้าไปในส่วนลึกของเพิงหินเพื่อพักนอนต่อไปตามคําแนะนํานั้นปล่อยให้แพนใหญ่กับคนของเขานั่งชุมนุมกันอยู่ตรงปากเพิงด้านนอกด่ารินถือโอกาสนั้นเรียกแง่ทายให้เข้ามานั่งใกล้ตรงน้าแง่สรายธนูของเธอทุกดอกเรียบร้อยไว้าวางใจได้ดีอยู่เลยเรียบร้อยครับนายหญิงแต่จะระเบิดหรือไม่ระเบิด ระยะช้าเร็วเพียงใดขึ้นอยู่กับนายทหารและผู้กองที่ทำไว้ครับเธอเข้าใจแผนของเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ถ้ามันยังขวางทางอยู่อีกเราจะไม่หลบเลี่ยงมันอีกแล้วแต่จะจัดการอย่างเด็ดขาดนงาสายก้มศีรษะลงอย่างสงบไงยสายเข้าใจครับนายหญิงขอให้ฉันหวังไว้ล่วงหน้านะว่าเมื่อเหตุการณ์สาคัญที่สุดในวันพรุ่งนี้มาถึง เธอจะให้การประสานงานร่วมมือกับผู้กองระพินอย่างดีที่สุดโดยไม่มีอะไรขัดแยง้งไม่ว่าจะในด้านทางตรงหรือทางออกซึ่งจะทำให้พวกเราพินาศกันทั้งหมดในความมืดผู้กำกับสั่งความคาดคั้นและอีกสามคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยไม่สามารถจะมองเห็นข่าวเงื่อนใดๆจากใบหน้าเจ้าคนรับใช้พิเศษนั้นได้เห็นแต่เพียงว่ามันนิ่งอยู่เป็นครู่ก็รับคาเสียงลึกว่า แงาายจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับนายหญิงเอาล่ะต่อไปนี้เป็นคำถามที่ฉันต้องการให้เธอตอบอย่างสุดจริตใจจริงราชสกุลสาวเอ่ยเน้นหนักเช่มช้าหางเสียงเคร่งขรึมจริงจังแงาสายเธอรู้ดีเธอรู้ดีอยู่แล้วนะว่าเราทั้งหมดจะต้องเดินทางไปให้ถึงเนินพระจันทร์ในวันขึ้นห้าข้ามเดือนหน้า ซึ่งก็เหลือกำหนดจวนเจียนอีกเพียงไม่นานนักแล้วทะอรู้ทางตัดขึ้นเทือกเขาประสิวะอยู่กับตัวเองดีแล้วไม่ใช่เหรออาการอั้อึ้งและ ว, วีแววของความลำบากใจเกิดขึ้นจากร่างนั้นทุกคนสังเกตเห็นได้ชยันก็ดูตามด้วยเสียงแข็งซ้ำมาในทันทีนั้นอย่าโกหกหรืออย่าออกลูกไม้ใช้เล่ครมบิดพริ้วเงื่อนงใดๆไป น, นั้นขาดนะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมา รู้ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ใช่ผูกกองระพินผูกกองนะเขาอาจอภัยให้แกเสมอมาไม่ว่าแกจะออกลูกไม้อะไรกับเขาแต่ฉันกับนายใหญ่นะกระทืบกันแน่ๆนเอาลองดูก็ได้แง่ไาซายยิ้มอยู่ในความมืดนายทหารครับโดยสัตยปฏิญาณนะครับถ้าแง่ไซปกปิดมดเทจหรือเมเลมีเละทุจริตใตดๆขอให้ถึงการแตกดับไปด้วยอานาจอาถรรพ์ของไพรเถื่อน ที่เรารเผชิญกันอยู่ในขณะนี้แงไซไม่รู้เส้นทางเดินครั้งนี้มากไปกว่าผู้กองรบพินถ้าปราดจากผู้กองซะแล้วแง่ไซจะไม่มีวันไปถึงที่นั่นได้แต่ในทางตรงข้ามถ้าปราดจากแงไซผู้กองก็ยังสามารถนำพวกเราทุกคนไปถึงได้นี่เป็นความรู้สึกเชื่อมัน่นและพูดด้ยวยความสุดจริตใจครับฮึแกพูดอย่างฉลาดนี่แง่ไซเชษ่ถาว่า พูดโดยสมองและลิ้นของปัญญาชนที่แฝงซ่อนอยู่ในคราบคนดงของแกซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราไม่มีวันที่จะต้อนแกได้จนมุมว่ากันให้ตรงประเด็นดีกว่านี่คืนหนึ่งก็ได้เขียนภาพลงไปบนแผ่นหินเพื่อให้พรานใหญ่เห็นภาพที่เขียนนัเป็นภาพแผนที่บริเวณเนินพระจันทร์และมีเทวรูปของสิวเทพประทับนั่งทางด้านตะวันตกของเนินประจันท์นั้นมีจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่นใช่ปะ แกเขียนภาพนั้นใช่ไหมโดยสงบแง่สายก้มศีรษะรับอีกครั้งครับนายใหญ่ผมวาดภาพนั้นจริงแล้วอะไรเป็นเจตานาของเธอหรือว่าภาพนั้นมีความหมายอย่างไรเราต้องการคำอธิบายที่กระจ่างที่สุดดารินสอดถามมาโดยเร็วผมได้รับคำสั่งหรือคำบอกเตือนมาว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงเรืองรองขึ้นเมื่อใด เมือนั้นท่านพระอูมาจะปรากฏให้เห็นและนั่นหมายถึงการตัดทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะได้อย่างถูกต้องจากเสียงสอนเตือนที่ยังแว่วอยู่ในโสตของผมจนกระทั่งบัดนี้บรรดาลใจให้ผมวาดเป็นรูปพระศิวะผู้ทรงจันทร์เป็นปิ่นขึ้นและทิ้งไว้ผู้กองเห็นเพื่อว่าจะช่วยให้เกิดความคิดอะไรแก่เขาขึ้นได้บ้างแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะสนใจต่อภาพที่ผมเขียน ไม่แม้แต่จะถามผมว่ามันหมายถึงอะไรด้วยซ้ทคาพูดของแง่ทรายทาให้คณะนายจ้างหันมองหน้ากันดารินซักต่อมาในน้ำเสียงรัวลิ้นเช่นเดิมว่าผู้กองนะ่ะเขาสนใจมากนะในภาพเขียนของเธอนะ่ะเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงให้เธอรู้เท่านั้นแหละว่าแต่ว่าเธอรูปปริศ น, นาในลายแทงฉบับที่ผู้กองใช้เป็นเครื่องนำทางอยู่ในขนาดนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบครับ ว่าปริศนาในลายแทงนั้นเป็นยังไงนะแล้วเธอรู้ข้อความนี้โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งหรือคำบอกเล่าเตือนมาจากไหนล่ะพระธุดงหลวงปูอาจารย์ซึ่งเป็นทั้งผู้อุปการะผมมาแต่น้อยท่านย้ำเตือนผมไว้นักหนาท่านบอกถึงเส้นทางเข้าสู่มรกรครและสั่งให้ผมกลับคืนเข้าสู่แผ่นดินเดิมของผมเมื่ออายุวัยผมถึงขีดกาหนดครับประหลาดมาก มันตรงกันกับข้อความในปริศนาลายแทงของผู้กองที่ระบุไว้เช่นนั้นชยันร้องขึ้นเฉถาก็ร้องเรียกพลานใหญ่ขึ้นเบาๆสั่งให้เข้ามารวมกลุ่มกันทันทีระพินเราซักความแง่าสออกไปแล้วละ่ะต้องการให้คุณมาร่วมฟังรู้เห็นกันซึ่ ง, งหน้าอย่างนี้เลยจะได้ช่วยกันขบคิดหารือกันด้วยและท่านหัวหน้าคณะก็เล่าให้ฟังว่าแง่ใสพูดเช่นไรบ้างแล้วว่าคุณมีอะไรจะพูดกับแง่ใส่ ก็พูดกันซะต่อหน้าเรานี่แลหละภายหลังจากนิ่งไปครู่ใหญ่จอมพรานก็เอาตะเกียงแบตเตอรี่แห้งขนาดจิ๋วซึ่งสมวนไว้สำหรับใช้คราวจำเป็นที่สุดของคณะมาเปิดสว่างเรืองขึ้นกลางวงขอกระดาษจากสมุดแดารี่ของชา ย, ยันมาแผ่นหนึ่งยื่นส่งให้แง่ทรายพร้อมกับปากกาหมึกแห้งสั่งว่าเอาละแง่ทรายแกเขียนภาพอย่างชนิดที่แกเคยเขียนทิ้งไว้ชันดูคืนก่อนนั้นอีกครั้งสิ เขียให้เหมือนที่สุดนะไงสายไม่กล่าวคําใดทั้งสิ้นรับปากากากับกระดาษก้มหน้าสเก็ตอยู่ครู่หนึ่งก็เงยขึ้นส่งให้แก่เขาอย่างสงบสงเงียบระหว่างนั้นทุกคนเงียบกริบรอดูปฏิกิริยาท่าทีจากบุคคลซึ่งเท่าเทียมกันทั้งสองต่างเห็นรพินรับเอาไปตรวจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนต่อมาจึงล้วงเอาแผนที่ลายแทงของเขาออกมากลางแผ่ตรงหน้าของทุกคนที่มุงล้อมอยู่ แล้วเอาภาพที่แงซายเขียนค่อยๆวางเทียบลงไปในแผ่นลายแทงใหญ่ยังตำแหน่งที่ระบุบอกไว้ว่ า, วาเนินพระจันทร์โดยเปรียบเทียบหันด้านให้ตรงกับทิศในแผนที่ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดจ้องมองเขมิงแล้วก็เห็นชัดในการเปรียบเทียบนั้นด้วยความรู้สึกอันยากจะกล่าวถูกทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแฝงเงาอยู่ในปริศนายางไงพิกฏบริเวณเนินพระจันทร์ในเสี่ยวสวนที่แงซายเขียนนั้น มีรูปลักษณะสันฐานใกล้เคียงกับที่ปรากฏในแผนที่ใหญ่มากแมท้ทิศที่กำหนดไว้ก็ตรงกันตลอดจนทิวเขาอันเป็นภูมิประเทศแวดล้อมอื่นๆถ้าจะมีแตกต่างพิเศษออกไปจากแผนที่ใหญ่ก็คือทางด้านตะวันตกของเนินพระจันทร์เท่านั้นในแผนที่ใหญ่เป็นลักษณะทิวเขาแต่ในแผนที่ที่แงา ย, ายเขียนปรากฏเป็นภาพเทวรูปพระศิวะทรงจันทร์เสี้ยวประทับนั่งอยู่ หังหันพระพักไปทางเนินพระจันทร์ซึ่งอยู่ด้านตรงข้างรพินพร์วันมองสุตานายจ้างเขาไปทีละคนตามลำดับและในที่สุดก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่แง่ทรายพร้อมกับเอ่ยขึ้นเสียงต่งๆว่าโปรดพิจารณาให้ถีทวนรอบข้อระหว่างเนินพระจันทร์ในแผนที่ใหญ่แผ่นนี้กับเนินพระจันทร์ในแผนที่ย่อยอันเป็นจินนาการภาพของแง่ทรายอะไรที่จะเกิดเป็นคาถามขึ้น ก็ปรดถามแง่สายาไปเดี๋ยวนี้เลยชายันขยับปากแต่เช่ฐ้ายกมือขึ้นโบกห้ามซะก่อนสายตาของหัวหน้าคณ ะ, ะอันเต็มไปด้วยการไตรตรองอย่างสุขุมคัมภีรภาพรีมองลงไปยังภาพเปรียบเทียบทั้งสองที่แผ่อยู่ตรงหน้านั้นแล้วพยักหน้ากับตนเองช้าๆเอานิ้วเคาะลงไปในแผ่นของแง่สายตรงตำแหน่งที่เขียนรูปพระศิวะไว้แง่าย เทวรูปพระศิวะในภาพเขียนของแกนี่อยู่ทางด้านตะวันตกใช่ไหมแล้วก็หันพระพักไปทางตะวันออกด้านเนินพระจันทร์ใช่ไหมใช่แล้วครับนายใหญ่แต่มีหลักเกณฑ์ด้วยเหตุผลยังไงถึงได้เขียนภาพเทวรูปนี้ไว้ทางด้านตะวันตกแล้วหันหน้าไปทางตะวันออกนั่นเป็นคําถามที่ถูกต้องตรงกับประเด็นอันควรถามที่สุดแล้วในความรู้สึกของรพินผู้หนึ่งฟังอยู่ด้วย ในจ้างใหญ่ของเขาฉลาดเฉลียวเสมอแล้วเขาก็คอยสังเกตดูว่าเจ้าคนลึกลับจะตอบเช่นไรหลวงปู่บอกผมว่าพระศิวะจะประทับอยู่ทางด้านตะวันตกของเนินพระจันทร์และหันพระพักไปทางด้านนั้นครับแงาสายตอบชัดเจนแช่มช้าภายใต้น้ำเสียงราบเรียบปราศจากวี่แววใดให้จับความรู้สึกแท้จริงภายในได้พระศิวะที่หลวงปู่ของแกบอกนี่หมายถึงอะไร ภาพปั้นหรือภาพสลักเป็นองค์เทวรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ยังบริเวณนั้นเหรออดีตร้อยโทกองโจเรเกลียงสันสีสักข้อนี้ผมไม่ทราบครับหลวงปู่ไม่ได้บอกละเอียดแน่ชัดลงไปนักท่านบอกแต่เพียงว่าพระศิวะจะอยู่ทางฝ้าตะวันตกให้รอเวลาปิ่นที่ปักมุ่นเกษาของพระองค์ส่องแสงเรืองขึ้นก็จะแลเห็นทางขึ้นได้เอง และจากสิ่งที่จดจำฝังใจมาเป็นเวลานานแสนานานของผมนี่เองผมถึงได้วาดเป็นภาพนี้ขึ้นในลักษณะสมมุติฐานให้ผู้กองได้เห็นมาแล้วและได้วาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามคำสั่งของผู้กองบนกระดาษแผ่นนี้เชษฐายกมือขึ้นรูปลายคางอย่างใช้ความคิดหนักเหลือตาดูจอมพรานมีอะไรห้ายต่อหลายอย่าง ในพื้นฐานการรับรู้มาก่อนของแง่ทรายกับสิ่งที่ระบุไว้ในลายแทงของคุณมันประสานสอดคล้องกันได้ยังไงพิกลอยู่เรามาช่วยกันใช้ความคิดให้รอบคอบที่สุดดิบางที่เราอาจจะตีปริศนาออกไปได้โดยใช้พื้นฐานการรับรู้ของแง่ทรายเป็นส่วนประกอบช่วยเหลือเราเคยตีปัญหากันมาก่อนและลงความเห็นกันแล้วว่าคาว่าปิ่นพระศิวะก็คือพระจันทร์เสี้ยงในคืนห้าค่า น, นั่นเอง แต่แง่ทายเขียนเป็นภาพเทวรูปพระศิวะอย่างชัดเจนที่สุดตั้งทิศไว้ทางตะวันตกลองคิดให้ดีสิมันน่าจะมีอะไรสัมพันธ์กันอยู่บ้างเหมือนกันนะระหว่างที่พรานใหญ่ยังใช้สมองอยู่ดารินก็เปิดฉากสอบปากคำแงซายแทนให้แก่ทุกคนทันทีโดยอาศัยความละเอียดที่มีอยู่เป็นทุนแล้วนี่แงซายเธอปฏิ ญ, ญาณไวแล้วใช่ไหมว่าเธอจะพูดแต่ความจริงเท่าที่เธอรู้โดยไม่ปกปิด ครับผมแงาสายปฏิญาณแล้วครับพระทุดงองค์นั้นน่ะท่านกำหนดบอกเธอไว้ตายตัวหรือเปล่าว่าปินพระศิวะจะใช้แสงให้ห็นก็เฉพาะแต่วันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองในรอบปีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นใช่แล้วครับคืนเดียวเท่านั้นในรอบปีถ้าผิดจากวันเวลานั้นไปแล้วก็จะหาทางขึ้นไม่ได้เลยครับมือของเทพเจ้าหรือมิฉะนั้นก็มนอาถรรพ์จะปิดบังหนทางไว้หมดสิ้นไม่ให้ใครมองเห็นทางครับ Movement, มรกตนาคอนเป็นนาคอนที่แฝงซ่อนอยู่ในแดนสุนทยาแดนซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่ของภูมิศาสตร์โลกก็เป็นนั้นว่าข้อความนี้ตรงกันแน่นอนกับคำสั่งที่ระบุไว้ในลายแทงของมังมหานรธาสินะหลนหันมาบอกกับพักพวกทุกคนเหมือนจะตื่นให้รับทราบและตั้งข้อสังเกตไว้แล้วห like ันมาถามเงซายต่อไปนี่อาจารย์ด้หลวงปู่ของเธอน่ะ ท่านไม่ได้บอกไว้ด้วยหรอกเลยที่ว่าปินนรัศวะฉายแสงน่ะหมายถึงลักษณะอะไรยังไงท่านไม่ได้บอกอะไรผมมากไปกว่านั้นนะครับบอกแต่เพียงว่าถ้าผมไปถึงยังตำแหน่งนั้นตรงกับวันเวลาเมื่อไหร่ก็จะค้นหาคำตอบได้เองครับออมันก็แปลกดีเหมือนกันมันล้วนเป็นปริศนาไปหมดคาสั่งในลายแทงมังมาหานรธาบอกว่าในลักษณะปริศนา ที่จะต้องให้ครบเองส่วนแง่ซ้ายเท่าที่เขาได้รับคำบอกเล่าจากพระธุดงองค์นั้นก็เป็นปริศนาอีกนั่นแหละประมวลความจากทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถจะทำให้เราคาดคะเนหรือเดารูปการใดๆไ ด, ได้ทั้งสิ้นจนกว่าเราจะไปถึงเนินพระจันทร์ด้วยตัวเองแล้วบางทีภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของสถานที่นั้นอาจจะให้คาตอบเราก็ได้นี่จะลองคิดหาคาตอบคาดคะเนเอาไว้บ้างหรือ ย, ยังแล้วว่า หลวงปูของแกบอกไว้ชะนนั้นคืออะไรชัยยันถามบ้างผมเองก็ยังนึกเดาไม่ถูกเหมือนกันครับแล้วก็หวังไว้อย่างที่นายหญิงพูดเมื่อครู่นี้คือพยายามไปให้ถึงที่นั่นตามวันเวลานั้นซะก่อนอืมจะเป็นไปได้ไหมมาเรียฮอฟมันซึ่งตลอดเวลานั่งฟังเงียบอยู่เอ่ยขึ้นบ้างสมมุตินะสมมุติว่าทางด้านตะวันตกของเนินพระจันทร์มีเทวรูปเป็นหินสลัก ปรากฏเป็นองค์ให้เห็นชัดอยู่จริงตรงกับที่พระธุดงบอกแง่สายไว้โถ่ใครจะมาปั้นหรือสลักเทวรูปไว้ที่นั่นเพื่ออะไรหนึง่งประการหนึง่งส่วนประการที่สองถ้าแม้ว่ามีองค์เทวรูปเป็นที่หมายให้เห็นปรากฏชัดอยู่ก็จริงในแผนที่ของมังมหานรทาฉบับนี้ก็ควรจะต้องระบุชัดไว้แล้วแต่สังเกตจากแผนที่นี่ล้วนเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสูงชันทั้งสิน้น อย่าลืมสิว่าทีเงยทายเขียนภาพเทวรูปไว้ทางด้านตะวันตกของเนินพระจันทร์เป็นการเขียนขึ้นจากมโนภาพที่จำลองออกมาจากคำบอกเล่าของพระธุดงองค์นั้นเป็นภาพซึ่งเจ้าตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสมมุติฐานพรายใหญ่แยงขึ้นแล้วต่อมาว่าผมคิดว่าเรายัางตีปัญหาอะไรไม่ได้นครับกราบที่เรายังไปไม่ถึงเนินพระจันทร์อย่างคุณหญิงว่าบางทีนะครับ บางทีถ้าเราไปถึงแล้วอาจพบว่ามันเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่นิดเดียวก็ได้การจะมาคาดคะเนล่วงหน้าขนาดนี้นะ่ะมันไม่ช่วยเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยอย่างไรก็ตามการสอดถามแง่ซเส้นในคืนนี้ทำให้เราได้ข่าวเงื่อนเพิ่มเติมเพื่อประกอบข้อใคร่ครวนวินิจฉัยต่อไปข้างหน้าอยู่เหมือนกันแต่สำหรับเดี๋ยวนี้ผมว่านอนพักเอาแรงกันไว้ก่อนดีกว่าครับพร้อมกับกล่าว เขาพับเก็บแผนที่ลายแทงทั้งฉบับของตนเองและของแงซรายที่เขียนไว้แล้วดับตะเกียงมืดลงตามเดิมค่อของดาตีนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรกระตุกกระตากขึ้นอีกจวบกระทั่งรุ่งเช้าขณะที่ฝ่ายของนายจ้างเริ่มรู้สึกตัวและปลุกกันเองนั้นก็พบว่าระพินและพวกพลานพื้นเมืองทุกคนรวมทั้งเกิดและสังตา ผู้จับข่าอยู่เมื่อคืนนี้ได้ออกไปจากเพิงหินหมดแล้วเสียงคนเหล่านั้นพูดกันเบาๆแต่หางเสียงเต็มไปด้วยความร้อนรนอยู่หน้าปากทางเข้าจึงรีบลุกพรวดพระตามออกไปทันทียังไม่ทันจะออกพ้นหลืบหินพรานใหญ่ก็สวนเข้ามาสก่อนลักษณะของเขาต้องการจะเข้ามาปลุกนั่นเองแสงสว่างของยามเช้าตรู่พอจะทาให้มองเห็นสีหน้าและแววตากันชัดเจนเป็นยังไงผู้กอง ไอมหาการนั่นไปแล้วหรือยังท่านหัวหน้าคณะถามเร็วปือเตรียมตัวได้แล้วครับมันยังดักเราอยู่ที่เดิมครับทั้งสี่คนตะลึงกันไปชั่วขนาดจิตเมื่อได้ยินคำบอกเครียดเครียดประโยคนั้นเมื่อต่างสงบจิตใจและตามออกมายังเบื้องนอกเพิงพักธรรมชาติที่อาศัยยึดเป็นที่หลบกำบังนอนเมื่อคืนแล้วใช้กล้องซองตรวจ ด, ดูตรงช่องเขาขาด ก็พบว่าเป็นจริงตามที่จอมพรานบอกไอ้มหายักษ์เจ้ากรรมยึดที่มั่นอยู่บนชะงอนหินใหญ่ก้อนเดิมนอนหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นทัศนวิสัยในเช้าวันนี้ปลอดโปรงกระจ่างใส ย, ยิ่งทาให้สามารถมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ถนัดซะยิ่งกว่าตอนโพลเพลเมื่อวานอีกเชตถามเม้มริมฝีปากแน่นในขณะที่ชา ย, ยันสะบดอะไรออกมาในลาคอดารินกมารีนั้น มือที่กำกล้องส่องทางไกลเกรงโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนนี้มันกลับมันจับแท็กโคโดอนคู่นั้นขยอ ก, กินแก้หิวเพื่อเอาแรงไว้รอเราเท่านั้นเองท่านหัวหน้าคณะกล่าวลอดไรฟันออกมาลดกล้องลงจากระดับสายตาไม่มีทางเลือกละระพินลองท้องกันซะก่อนดีไหมครับวิจัยผมดำเนินการซะเดี๋ยวนี้เลย ท้องหิวทําให้คนขาดแรงเท่าเๆกับขาดความคิดและเราก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องรีบร้อนกันจนเกินไปนักนะเวลามีพอเพียงทีเดียวอีแบบนี้ก็บอกชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ไปไหนหรอกนอนรอเราอยู่นั่นแหละทุกคนอาบน้ําลูบหน้าขจัดความงูเงียและกินอาหารกันอย่างไม่มีอะไรรีบร้อนเกิดกับสางปาหายไข่เป็นปกติเรียบร้อยและแข็งแรงดีที่สุดแล้ว ทราบได้จากอาการอันแค่คล่งคองปราดเปรียวเหมือนเดิมและการตรวจเช็คโดยละเอียดของดารินทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเพราะการพักผ่อนที่เพียงพออาจจะมีอยู่เพียงสองคนที่หมอดารินอดหวาดระแวงเสียไม่ได้คือรพินไพร์วันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วที่เขาจะต้องทํางานสําคัญที่สุดในการเอาชีวิตเข้าเสี่ยงถ้าพ่อเจ้าประคุณเกิดไข้กลับมีอาการสั่นขึ้นมาในตอนนั้นล้วก็ หล่อนคงไม่มีโอกาสได้แก้ไขเยียวยาอีกแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเชษฐาพี่ชายของหล่อนเองระหว่างประจันบาลฉุกและหกอยู่ถ้าเกิดขาแพลงซ้ำเข้าอีกอันตรายก็จะถึงตัวโดยช่วยกันได้ยากที่สุดตลอนก็ไม่มีโอกาสที่จะท้วงติงหรือแสดงความรู้สึกใดๆเกี่ยวกับความกังวลใจข้อนี้อีกแล้วในภาวะเช่นนี้นอกจากคิดภาวานาอยู่ในใจแล้วฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในหัดของพระผู้เป็นเจ้า เมื่ออิ่มหนำสํำราญกันดีแล้วอดีต ท, ท่านทูตทหารบกก็ตั้งคําถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นกันยังไงเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วเมื่อวานนะครับเอาเป็นว่าทุกคนรอคอยอยู่ที่นี่ผมกับแง่ทรายเพียงสองคนเท่านั้นจะเข้าไปจัดการครับมันไม่ถูกหลักอรพินเมื่อตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าเราจะล่ามันพวกเราทั้งหมดมีกันอยู่สิบสองคนก็ควรจะเป็นทั้งสิบสองคนนี่แหละประสานงานช่วยกันหมดทุกแรง สิบสองแรงมันย่อมดีกว่าสองแรงแน่นอนแม้ว่าสองแรงจะเป็นหลักใหญ่อีกสิบแรงเป็นส่วนประกอบช่วยเหลือก็ได้มันธุระอะไรที่จะให้คนถึงสิบคนงอมืองอเท้าคอยฟังข่าวอยู่เท่านั้นแต่ผมยังมองไม่เห็นว่าพวกเราคนอื่นอีกสิบคนจะมีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับสำหรับไอ้ยักษ์นั่นนอกจากเสี่ยงโดยไร้ประโยชน์เสี่ยงแต่ไม่ไร้ประโยชน์หรอก แล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าที่จะปล่อยให้คุณดำเนินการกะแงยทายตามลำพังสองคนด้วยเราไปที่ก้อนหินที่เราซุ่มดูมันเมื่อเย็นวานนั่นก่อนระพินประเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าเราจะวางแผนยังไงระพินไทรวันมองหน้าสุภาพบุรุษในราชสกุลด้วยความพิศวงแต่ถึงยังไงเขาก็ศรัทธาเชื่อถือในด้านความคิดอ่านและความรอบคอบของเชษฐาเสมอเพราะเห็นฝีมือในด้านนั้นมาอย่างดีแล้วระหว่างที่เขายังอ้อึงลังเล ชายันก็หัวเราะออกมาตบไหล่และกล่าวอย่างให้เกิดอารมณ์ขันว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักให้แม่ทัพเชษฐถาเป็นผู้วางแผนดีกว่าถึงยังไงพันโทหม่อมราชวงศ์เชษถาวราริษก็ผ่านการเป็นเสนาธิการมาแล้วเชื่อก็เฮอผู้กองจอมพรานยิ้มออกมาได้เพราะคำพูดติดตลกของชายันซึ่งเขาจับเครดรู้เส้นมาตลอดเวลาด้วยความเคยชินแล้วว่าในครั้งใดก็ตาม ที่จะถึงคราวคับขันกันถึงชีวิตระหว่างความเป็นกับความตายชายันนักจะต้องพูดหรือทำอะไรให้ขบขันเสมอเมื่อนายจ้างติงมาเช่นนี้แล้วเขาก็มาอยู่ในฐานะที่จะขัดได้ทั้งหมดรวมทั้งครานพื้นเมืองทุกคนทิ้งสัมภาระส่วนใหญ่ให้อยู่ในที่พักคงมีแต่เฉพาะไรเฟิลประจำตัวพร้อมกระสุนเต็มอัตราศึกพากันยกขบวนมาซุ่มอยู่ที่หมหินซึ่งรพินและฝ่ายนายจ้างของเขา ยึดที่มันส่องกล้องสำรวจดูไอยักษ์ยังช่องปากทางฐานนั้นซึ่งทำให้มองเห็นภูมิประเทศและตัวมันได้ถนัดทนีที่สุดภายหลังจากส่องกล้องสำรวจดูอย่างละเอียดที่ท่วนพักหนึ่งอดีตท่านทูตทหารบกก็กำหนดแผนขึ้นในทันทีนั้นนี่เห็นหมูเห็ น, ห, นหินใหญ่หมู่นั่นไหมพร้อมกับพูดเชษฐาก็ชี้มือไปยังยอดหินหมูย่อมย่อมหมูหนึ่ง ทางด้านซ้ายมือของปากทางห่างจากชะง่อนที่ไอ้ยักษ์ขึ้นไปนอนหมอบนิ่งอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรตั่งดินเป็นกองอยู่ในที่ราบโลง่งบริเวณตีนเขาพอจะใช้เป็นที่พรางตัวหมอบซุ่มได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นถ่ามกลางภูงมิประเทศที่โปร่งตารอบด้านจอมพรานมองตามอย่างพิเคราะห์และพยายามจะเดาความคิดของเชิฐ้าไปด้วยครับเห็นครับ ธนูติดระเบิดของเราจะไปซุ่มดักรอจังหวะคอยมันอยู่ที่นั่นวิธีไปอย่าให้มันทันหินโดยการอ้อมเลาะไปตามตีนเขาด้านซ้ายมือแล้ว ค, ค, ค่อยๆคืบเข้าไปซุ่มอยู่ตรงหินหมู่นั้นระยะที่เราซุ่มอยู่ตรงก้อนหินกับที่มันนอนหมอบตัวอยู่ที่นโน่นแน่ละธนูยิงไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเดินลงมาแล้วผ่านก้อนหินหมู่นั้น ไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือขวาจะเข้าระยะเหมาะเจาะของธนูทันทีคุณนึกภาพออกไหมที่บอกเนี่ยครานใหญ่รีตาลงแล้วพยักหน้าครับพอจะเข้าใจครับแล้วยังไงต่อไปครับปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเมื่อฝ่ายธนูเข้าไปดักรอจังหวะอยู่แล้วทํายังไงถึงจะให้อายักษ์มันลงมาจากชะ ง, ง่อนผาที่มันขึ้นไปนอนอืดอยู่นั้นเพื่อเดินเข้ามาเป็นเป้าธนูได้ถนัด โดยฝ่ายธนูไม่จำเป็นจะต้องเดินออกไปให้มันเห็นตัวล่วงหน้าเอาล่ะคราวนี้ดูไปทางป่าหินเตียเต้ยๆทางตีนเขาด้านขวามือห่างจากหมู่หินทางด้านซ้ายราวๆห้รารอยเมตรและเป็นด้านที่ใกล้กับปากทางช่องเขาขัดเราทำทีเหมือนจะผ่านช่องเขาไปให้ได้และไม่มีปัญหามันจะต้องเป็นฝ่ายห็นพวกเราแน่นอนวิธีที่จะยั่วยุให้มันทยานลงมาเล่นงานฝ่ายล่อให้เร็วขึ้นก็คือ เดินเข้าไปใกล้าปากทางพอสมควรไม่กระชั้นชิดนักหรอกเว้นระยะห่างพอที่จะหลบหนีเข้าไปยึดกำบังอยู่ในป่าหินเตียเต้ยๆขวามือนั่นได้ในกรณีที่มันรุกไล่เข้ามาและในระยะที่เห็นเหมาะสมแล้วนั้นถ้ามันยังไม่ไล่เข้ามาเราก็จะใช้กระสุนไรเฟิลยั่วยุมันเมื่อมันปรีเข้าไล่ฝ่ายเลามันก็จะผ่านหมูหินที่ฝ่ายธนูดักคอยโอกาสนั้นอยู่เพียงแค่นั้นเอง ระพินก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปโปรงตามแผนอันแยบยนต์ของเชษฐาซึ่งแน่ละมันเป็นแผนที่รอบคอบรัดกุมกอบด้วยไหวพริบชั้นเชิงอันชาญฉลาดยิ่งกว่าวิธีที่เขาคิดไว้แต่แรกที่ว่าจะเดินเข้าไปยิงมันด้วยธนูซึ่งซึ่งหน้ามากมายนักระยะที่จะเดินตรงเข้าไปยิงมันด้วยธนูอย่างได้ผลนั้นย่อมจัดว่าเป็นระยะอันตรายขีดสุดเป็นการแลกกันซึ่งซึ่งนาถ้าพลาด แม้แต่นิดเดียวก็แปลว่าทั้งเขาและแง่ใสจะหมดโอกาสมีชีวิตรอดอีกแล้วและก่อนที่จะเดินตรงเข้าไปจนได้ระยะมันก็ย่อมจะมองเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วภูมิประเทศบริเวณนั้นไม่มีที่กำบังพอที่จะย่องเข้าไปใกล้มันได้โดยไม่ให้มันเห็นได้เลยแต่วิธีของเชษฐาเป็นการซุ่มดักรอและล่อให้มันเข้ามาสู่ระยะธนูเองโดยให้พวกพ้องทุกคนร่วมมือด้วย แล้วก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปนักจอมพรานมองดูนายจ้างผู้ปรีชาของเขาด้วยตาที่เป็นประกายแจมย่มใสก้มศีรษะไห้อย่างน้อมคาราวะสุดจริตใจจริงเป็นแผนที่ดีมากครับผมเองเข้ามาตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วอะทีนี้ว่าถึงฝ่ายธนูแต่เดิมทีนะคุณจับคู่กับแง่สายสองคนและคิดว่าพอเพียงแล้วแต่วิธีนี้ถ้าจะให้แน่นอนเชื่อมั่นได้มากที่สุด ควรจะมีใครสำรองไปด้วยอีกคนน่คนคนนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะรับหน้าที่แทนคนใดคนหนึ่งได้ทันทีถ้าคุณพลาดทำงานแทนคุณถ้างแงฮซายพลาดก็จะแทนแงฮสายและผมขอเสนอตัวเองว่าไม่มีใครจะเหมาะไปกว่าผมอีกแล้วเพราะผมยิงธนูน้ำหนักแปดสิบปอนของแงฮซายได้เท่าเท่ากับที่จุดชนวนระเบิดได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าฝ่ายธนูก็ไปด้วยกันสามคนมีคุณ แง่ร า, ายแล้วก็ผมนอกนั้นที่เหลือทั้งหมดภายใต้การควบคุมของชายันให้ถือเป็นฝ่ายลออมีใครจะคัดค้านหรือมีปัญหาอะไรอีกไหมประโยคสุดท้ายเขาหันไปถามทางชายันมาเรียและดารินทั้งสามคนเต็มไปด้วยอาการครุ่นคิดหนักแต่แล้วก็มองไม่เห็นวิธีอื่นใดจะดีไปกว่าที่ท่านหัวหน้ากำหนดไว้นี้แล้วเป็นนั้นว่าตกลงตามที่แกว่าแล้วกันเชดา ในที่สุดชัยยันก็พยักหนะ้ารับคํามาเสียงหนักๆอย่างตัดสินใจแน่นอนว่าแต่ทางฝ่ายฉันน่ะจะมีรายละเอียดให้ทํำยังไงบ้างล่ะก็อย่างที่บอกแล้วอนะเดินตรงเข้าไปตามปกติเพื่อล่อให้มันไล่ระยะที่จะเล่นเอาเธอเจ้าล่อเข้าได้เข้าเข็มที่สุดน่ะไม่จําเป็นจะต้องพากันเข้าไปใกล้มันทั้งเก้าค kind of นหรอกให้คัดเอาพวกที่คล่องแคล่วรวดเร็วและฝีเท้าตลอดจนการรักษาตัวรอดได้ อย่างดีที่สุดสามคนเข้าไปล่อมันใกล้ๆนอกนั้นให้คอยยึดป่าหินคอยช่วยยึ้งนวงเหนียวไว้เราจะแยกจากกันเป็นสองฝ่ายพวกแกคอยถ่วงเวลารอดูอยู่ที่นี่ก่อนไม่เห็นทางด้านฉันกระพินและแง่ทรา ย, ายอ้อมเลาะตีนเขาเข้าไปซุ่มประจำในหมู่ก้อนหินนั่นเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเดินเข้าไปตามแผนเอาเข้าใจแล้ว เชิดถาก็ให้รพินเรียกพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเข้ามารวมกลุ่มประชุมบอกย้ำแผนการทั้งหลายตามที่กำหนดกันไว้ให้เป็นที่เข้าใจทุกคนชั่วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกคนก็พลักพร้อมเอาละถ้างั้นก็ลงมือได้แยกกันเดี๋ยวนี้แหละเชิดาสั่งการในทันทีนั้นสัมภาระทั้งหมดของกองว่ ย, ยังที่พักเมื่อคืน ท้งคณะสิบสองคนบัดนี้คงมีแต่ปืนและกระสุนเต็มอัตราสึกเท่านั้นสาหรับศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนอนขวางทางรออยู่เบื้องหน้าฝ่ายของพรานใหญ่อันประกอบด้วยแง่ทรายและเชิฐารวมสามคนแตกแยกออกด้านซ้ายในขณะที่ฝ่ายของชายยันกับที่เหลือทั้งหมดอีกแปดคนมุ่งอ้อมไปด้านขวาลักษณะของการเดินจะโอเป็นปีกเพื่อมุ่งเข้าไปสู่ปลายทางเดียวกันคือช่องเขาขาด ที่ไอมหายักษ์ไทรรนโนซอรัสนอนคุมเชิงขวางเป็นนายทวารดักอยู่ก็จะผละห่างกันออกไปดารินก้าวสวบเข้ามายืนดักหน้าพรานใหญ่กระเงซทรายสายตาของหล่อนที่แลมาเต็มไปได้วยความกังวลแน่ใจร้อเอร์เซนเต็มไหมว่าจะไม่เกิดอาการหนาวสั่นขึ้นอีกระพินยิ้มให้ถ้าสั่นคราวนี้ก็คงสั่นเพราะความกลัวแล้วครับคุณหญิงคงไม่สั่นเพราะโรคเก่าครับ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 ริมปากทางดังเช่นที่กําหนดหมายตาไว้แล้วดังนั้นชายันจึงนำพวกทุกคนเดินไปอย่างช้าๆถ่งเวลารอให้เชิดทารพินและแง่าสายเข้าซุ่มพร้อมในที่หมายซะก่อนในลักษณะที่แยกกันออกไปคนละทิศไปโอบเป็นปีกาทั้งสองฝ่ายสามารถมองเห็นกันได้และติดต่อกันโดยสัญญาณมือ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 แต่คราวนี้เราจะล่ามันบ้างและท่านหัวหน้าคณะกระซิบลอดไรฟันออกมาขณะที่กำไรเฟิลจุด460กระชับแน่นอยู่ในมือทั้งสองระหว่างนั้นสามคนหมอบซุ่มเข้ามาบังอยู่หลังแนวก้อนหินสังเกตไปยังเป้าหมายเพื่อสำรวจท่าทีชั่วขณะหนึ่งก่อนจะเคลื่อนต่อจอมพลไม่ตอบเช่นไรเพียงแต่หันมายิ้มกล้านา น, นิดหนึ่งและเชษฐาก็ย่อมตระหนักได้อย่างดีที่สุด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 โดยไม่ต้องนัดแนะหรือกล่าวเตือนกันเลยรพินกงเงซายตรวจทางลมเฉฐาผู้พยายามจะใช้สายตาจับสังเกตเพื่อทราบความในเองโดยไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากถามคำใดอันเป็นนิสัยประจำของเขาก็เลยเห็นเขาอึกอักลังเลใจจากบุคคลทั้งสองสำหรับพรานใหญ่ยืนสงบนิ่งอยู่กับที่อาการเหมือนจะใช้ประโยชน์จากเซนทุกส่วนในสมอง แล้วหันไปมองดูฝ่ายของชายันซึ่งพากันเดินเกาะมูอยู่ลิบลิอีกฝากหนึ่งของพื้นที่โลงส่วนแง่สายก็กรอกกลิ้งตาอันคมกริบไปรอบด้านเหมือนจะค้นหาลูกทางที่เหมาะสมที่สุดตำแหน่งมูหินที่กะการไว้ว่าจะเข้าไปแอบซุ่มยึดเป็นที่มั่นดักยิงก็ลเลยห็นอยู่เบื้องหน้าห่างไม่เกินสี่รอยเมตรนี่อีกตลอดแนวทางที่จะเข้าไปถึงที่นั่นก็ล้วนมีที่กำบังตาอย่างดี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 แต่ถ้าเราย้ายไปซุ่มอยู่ตรงโมูหินโนนเมื่อไหร่มันจะได้กลิ่นเราอย่างถนัดที่สุดครับเพราะโมหินนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกับช่องเขาและลมพัดจากที่โล่งฟากนี้ผ่านช่องเขาไปทางฟากโนนยากมากครับที่เราจะเข้าไปซุ่มอยู่ที่นั่นโดยไม่ให้มันรู้ตัวได้อย่างที่หวังไว้เอทถ้างั้นแผนเดิมของเราก็คงจะไม่เข้าท่าจะแล้วสิพวกนั้นยังเดินกันอยู่ริบๆนน คงจะเจตนาถ่วงเวลารอให้เราเข้าไปซุ่มอยู่ที่หินหมู่นั้นก่อนแล้วถึงจะเคลื่อนใกล้เข้ามาแต่ถ้าเราเข้าไปถึงที่หมายแล้วไอ้เฮียโบราณนั่นได้กลิ่นพรวดพราดลมาเล่นงานเราซะก่อนแผนการทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีก็นี่แหละครับผมถึงกําลังคิดอยู่เนี่ยว่าเราจะแก้ไขกันยังไงถ้าเราเข้าไปถึงที่นั่นก่อนในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สอดคล้องกันได้อย่างที่หมายไว้แต่แรก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 ยังเดินทอดน่องกันเข้ามายัางไม่เป็นระเบียบนักโดยมีขคยินกับุนคำนำอยู่เบื้องหน้าชัยยันดารินและมาเรียรวมกลุ่มตามมาเบื้องหลังในระยะใกล้พร้อมกับสางตาและพรานพื้นเมืองอีกสมคนของรพินคนเหล่านั้นมองด้วยตาเปล่าหมือนจุดที่เคลื่อนที่ได้แต่มองผ่านกล้องก็เห็นถนัดพอสมควรว่าเดินกันไปพลางแกล้งผู้จาส่งเสียงเอะอะกันไปพลางตามแผนซึ่งกาหนดไว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 มันก็บุกตามไล่ตามกลิ่นเข้ามาได้อย่างแม่นยํานี่แสดงให้เห็นว่าจมูกของมันใช้การได้ดีพอสมควรทีเดีย ว, วระยะห่างจากหินหมูนั่นไปยังที่มันนอนหมอบอยู่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะักมีหน้าซ้ํายังไม่มีอะไรกําบังขวางกั้นอยู่ทั้งสิน้นลมพัดแรงแล้วก็พัดเป็นแนวตรงไปหามันมันจะต้องได้กลิ่นเราอย่างแน่นอนที่สุดเว้นไว้แต่ยังไงอย่างเพินเราจะเสี่ยงไหมครับ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 ให้มันไล่พวกโนนและเราดักยิงสกัดดีกว่าที่จะให้มันสนใจพุง่งเข้ามาหาเราโดยตรงแต่เราไม่สามารถจะเข้าไปถึงก้อนหินโน้นได้โดยมันไม่รู้ตัวนะครับนายใหญ่ไงสายเอ่ยห้าวห้าวขึ้นเป็นประโยคแรกก็ช่วยกันคิดสิว่าเราจะเอายังไงต้องรอบคอบที่สุดอย่างน้อยเราก็จะต้องเป็นฝ่ายถวงเวลาคอยพวกโนนจนกว่าเขาจะใกล้เข้ามาจนได้ระยะให้มันเห็นและไล่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 ปัญหาตอนนี้มันก็มีอยู่ว่าเราจะติดต่อส่งข่าวให้พวกนั้นรู้ได้อย่างไรเท่านั้นว่าแผนของเราน่ะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปแล้วมิฉะนั้นพวกนั้นก็จะไม่รู้เรื่องและมัวคอยเราอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไรเราจะเข้าไปยึดที่มั่นตรงนั้นเพราะตกลงกันไว้แต่แรกว่าพวกเขาจะเข้าไปล่อก็ต่อเมื่อเราเข้าประจำที่มั่นแล้วภายหลังจากใช้ความคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งรพินก็ถามว่า คุณชายันมีความรู้ในทางสัญญาณหรือรหัสระบบมอร์สบ้างไหมครับเชษฐาลืมตากว้างขึ้นอย่างได้ความคิดตอบไปเร็วว่าต้องรู้แน่ชายันก็เคยอบรมในหน่วยสื่อสารมาก่อนว่าแต่คุณจะใช้อะไรเป็นเครื่องส่งสัญญาณล่ะพรานใหญ่ไม่ตอบแต่วางไรเฟิลประจํมมือพิงไว้กับโคนหินตัวเองค่อยๆไต่ขึ้นบนยอดสูงของหินหมู่นั้นแล้วล้วงย่ามหลัง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 ก็รู้สึกได้ต่อความผิดปกติบางประการหล่อนเดินไปพลางก็จ้องดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามคนนั่นไปพลางในที่สุดก็ขมวดคิ้วอย่างเอะใจเอ๊พี่ใหญ่กับสองคนนั่นทำไมถึงได้ไปหยุดอยู่ที่ทิวหิน น, นานเกินไปนักนะเขาควรจะเคลื่อนเข้าไปยึดตรงหมู่หินที่กําหนดกันไว้ได้แล้วอ่ะระยะมันก็ห่างแค่นั้นเองชา ย, ยันกระดารินหันขวับไปมองตามในทันที และพบได้กับจุดสะดุดใจนั้นตามที่แมวสาวตั้งข้อสังเกตจริงด้วยสิชา ย, ยันสามคนนั้นไป ร, รออะไรอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเกิดอะไรขึ้นกระมังดารินพูดโดยเร็วอย่างร้อนใจทั้งคณะเก้าคนของช้ ย, ยันก็หยุดชะงักลงในทันทีอดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งบัดนี้มีกล้องทางไกลคล้องติดอยู่กับคอตลอดเวลายกกล้องขึ้นส่องดู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 ให้กลับเข้ามารวมกลุ่มทันทีและบอกให้ทราบถึงท่าทีผิดสังเกตของพรานใหญ่กับพวกไหนขอกล้องให้บุญคําหน่อยสินายทหารตาพรานเท่าขามินมองตามแล้วแบมือไปทางชายันเขารีบส่องกล้องให้โดยเร็ ว, รวบุญคํารับมาส่องอย่างทีท่วนและกราดสํารวจไปในละแวกใกล้เคียงแถบนั้นยังต้องการอ่านเหตุการณ์แล้วแกก็ทําหน้าพิกลยกมือขึ้นเกาหัวกรากร่างออกมาอ่อ ย, ออย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 ถ้า3าคนนั่นยังไม่เข้าไปซุ่มอยู่ตรงหินนั่นซะก่อนตามที่ตกลงกันไว้ไปเดี๋ยวผิดแผนก็ได้แหลกกันหมดเท่านั้นแหละดารินพูดเร็วปรือ้อย่างรุ่มร้อนกระสับกระส่ายยิงใช้กล้องส่องแล้วร้องมาว่าพา่านใหญ่ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหินสูงดูเหมือนเขาพยายามจะส่งสัญญาณอะไรมาที่เราใช่แล้ว เขาใช้กระจกเงาสะท้อนกระแสงพระอาทิตย์พระเจ้าแล้วใครจะไปอ่านสัญญาณของเขาออกเล่ามาเรียอุทานแต่ชายันใช้แขนปาดแหม่มสาวผู้ยืนบังอยู่เบื้องหน้าให้พ้นทางไปจ้องตาขม็งพร้อมก็ บ, บอกว่าถอยไปเมอยา่าบังแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ยกมือขึ้นชูโบกเหนือศรีรษะเพื่อบอกให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่าเขากาลังสนใจรับสัญญาณอยู่อย่างไรก็ตาม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 โดยอาศัยแสงสะท้อนจากดวงตะวันกล้าแสงบนท้องฟ้าโต้อตอบกันอยู่ครู่ใหญ่ทั้งดารินและมาเรียจึงเห็นชัยยันปิดกล่องบุรีเก็บไว้ตามเดิมทั้งสามคนนั่นบอกว่าจะยึดแนวหินตรงเชิงเขาด้านซ้ายมือนั่นก่อนสั่งให้พวกเราเดินเข้าไปตามแผนเดิมเมื่อเราเข้าไปได้ระยะยิงไอ้ยักษ์นั่นเมื่อไรพวกเขาจึงจะวิ่งเข้าไปที่หมู่หินน้น แล้วให้เราพยายามล่อให้มันไล่ทางฝ่ายเราไว้อไปกันเถอะรู้เรื่องกันแล้วนี่ไริลืมตาโผล่นี่แปลว่าเขาจะไม่เข้าไปยังที่ซุ่มตามแผนที่กําหนดไว้เดิมจนกว่าไอ้ยักษ์จะถลันเขา้าไล่เราอย่างนั้นเหรอสามคนนั่นนะครับไปยังหินหมูนั้นไม่ได้น้อยคืนเข้าไปก่อนที่เราจะถึงที่หมายไอ้ยักษ์มันจะปราดเขาเล่นงานพวกเขาก่อนทันทีระยะนั้นน่ะมัน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 นี่อย่ามัวแต่เกิดปัญหาอะไรอยู่เลยน้อยทำตามที่เขาสั่งที่ถ้าช่วยส่งสัญญาณออกไปหน่อยได้ไหมส่งสัญญาณบอกอะไรล่ะบอกว่านายไพรวันคนรู้มากเห็นกับตัวไม่เอาไหนเลยทำแบบนี้จะถูกตัดเงินค้าจ้างใช้ยันหัวเราออกมาได้ดีน้อยมันมีอารมณ์ขันอย่างนี้ซะ่ัหมก็ดีโดยเฉพาะอีตอนฉุกเฉินขีดสุดอ่ยไม่ได้มีอารมณ์ขันหรอก呀 ฉันโมโหนายนั่นจริงๆตกลงกันไว้แบบนึงแต่แล้วก็กลับมาเป็นอีกแบบนึงนี่เธอแผนทุกอย่างนะมันจําเป็นต้องเปลี่ยนไปสุดแต่ภูมิประเทศเหตุการณ์ไอจะถือตายตัวมันไม่ได้เธอไม่น่าจะลืมซะนะว่าพี่ชายขาเป๋ของเธอน่ะตกอยู่ในภาวะรับผิดชอบของเขาด้วยในขณะนี้เธอคนไม่ต้องการให้พี่ชายตัวเสี่ยงจนเกินไปไม่ใช่เหรอฉันเห็นว่าเขาทําถูกแล้วนะที่ไม่บ้าระห่ำจนเกินไป นี่ทำไมติเชืท้าอยู่ด้วยนะฉันว่าป่านนี้ไอ้เสือนั่นกางแงซายฟาดกับเจ้าเฮียโบราณนั่นเขาให้แล้วโดยไม่จำเป็นมงขอความร่วมมือจากเราเสียเวลาร้อหมอดารินคนขี้งองแงก็เลยเงียบเสียงไปในทันทีนั้นเก้าคนคืบหน้าต่อไปในทิศทางเดิมและเริ่มทำเวลาทันทีโดยไม่จำเป็นต้องห่วงพวงอะไรอีกเพราะทราบแผนการแล้ว ระพินภพรวันกระโดดลงจากยอดหินที่ขึ้นไปยืนส่งสัญญาณโต้ตอบกับชัยันพร้อมกระถอนใจเฮือกเอาละครับคุณชัยันน่ะคล่องในการใช้รหัสมอสยิ่งกว่าผมจะอีกคราวนี้เราก็เป็นฝ่ายรอพวกนั้นให้คุณตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าในระยะไหนและเหตุการณ์ยังไงเราถึงจะพลักออกจากที่นี่ไปยึดที่หมายนั่นและเชษฐาก็เรียกแง่า ย, ายเข้ามา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 ต่างแยกตัวแฝงเขาหาเงาหินทันทีเพื่อเตรียมสาดกระสุนส ก, กัดขยินบุญคำชยันมาเรียและดารินคงปรีดิ้งเข้าไปอีกอย่างเยือกเย็นทั้ง5คนกระจายกันออกทิ้งระยะช่วงห่างกันประมาณ10เมตรในมือกระชับไรเฟิลพร้อมในท่าเตรียมระเบิดกระสุนออกไปได้ทุกขณะและทันทีนั้นเองมาเรียขยินและบุญคำสมคนซึ่งจัดว่าคล่องตัวที่สุดในการประจันหน้ากับอันตราย ก็วิ่งลำหน้าออกไปเมื่อผ่านระยะร้อยเมตรเข้าไปแล้วเฮ้ยไอบอดไอยักษ์นั่งเอ็งแน่จริงมาไล่กัดก้นข้านี่สิเว้ยตาทาบุญคำตะโกนด่าเอ็ดอึงคะหนึ่งออกไปผสมไปกับเสียงพรรุลุตสวา่าบวยวายอย่างยุยย่ของขยินบงเบงกึกก้องไปในความสงัดที่แวดล้อมอยู่สองคนนั่กระ โ, โดดโลดเต้นช่วยกันร้องดา่าท้าทายคล่มถมเทไปหมด มาเรียมไม่ยั่วยาวมันด้วยเสียงแต่หลอนยั่วมันด้วยจุดส7 5เจ็ห้าแมกนัมในมือเป็นประถ ม, มะระลึกและเป็นการแย่ด้วยไหวพริบที่ฉลาดเยี่ยมแทนที่จะยิงเข้าไปยังส่วนอื่นใดของร่างกายอันใหญ่โตซึ่งกระสุนไรเฟิลแทบจะหาความหมายใดๆไม่ได้เลยนั้นหลอนเล็งไปที่โคนหางที่เห็นวางราบอยู่บนชะง่อนหินเสียงตูมสนั่นสะท้อนกึกก้องไปทั้งภูเขา ได้ผลอย่างยิ่งสำหรับการสร้างโทษาสให้แก่ไอมหายักษ์ไทรันผู้พยายามจะวางตนเป็นอุเบกขาอยู่มันแผดเสียงร้องราวกับฟ้าคัมรนแว้งตัววูบจนแผ่นดินไหวเฮือกก้อนหินใหญ่น้อยที่แวดล้อมตัวทัลมร่วงคลืนโครมประดุดปลาอานน์พลิกตัวก่อนที่จะกระโจนลงจากชะง่อนจุด600นไนโตรของชัยยัน และจุด300เวเทอร์ของดารินซึ่งคอยจังหวะอยู่แล้วก็ปะทะลั่นกับเสียงแผดคำรามของมันขึ้นพร้อมกันที่หายกัวไปพรขอมอันทัคุบทะมึนราวกับภูเเจ้าผีพบโลกล้านปีเคลื่อนตัวของมันเองลงมายังพื้นเบื้องล่างในลักษณะทะไหลลื่นเสียการทรงตัวและบัดนี้ทั้งขยินกระตาบุญคำก็หันหลังกลับวิ่งตูดต้นแข่งกันย้อนกลับมา ระว่างที่ดารินกับมาเรียสลัดลูกเลื่อนชัยยันจึ่นใช้ไรเฟิลแฟดก็ระเบิดนัดที่สองจากลำกล้องขวาของเขาออไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องเล็งเพราะเป็นการยิงเป้าไมายขนาดกำแพงเมืองจีนอยู่แล้วจากนั้นเขาก็กระชากลากเขนดารินเอาตัวรอดไว้ก่อนเหลือแต่เพียงมารียเท่านั้นรังท้ายและใกล้ชิดอันตรายที่สุดมาเรียปล่อยกระสุนนัดที่สองในระหว่างวิ่งถอยไปพลาง นัดนี้เสยเข้าปลายจมูกและเรียกไหลไปทาไปบตาสันของหน้ามันแฉลพ้นกระโหลกด้านบนขึ้นไปได้วยอาการเกลี้ยกลาดดุร้ายปานราหูพิโรธชันนี่ติทุกคนเคยพบเห็นกันมาแล้วทันทีที่มหายัญไทยรันโนสระสทรงตัวอยู่บนขาทั้งสองได้ถนัดก็อ้าปากกว้างส่งเสียงขู่คำรามปานจะถล่มฟ้าพังดินออกลกไล่ติด ต, ตามมาในทันทีทุก แขาวางไวแล้วตอนนี้มันไม่ได้หันไปสนใจทางใดทางสิ้นบอกจากเหยื่ออันเป็นมนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยฝ่ายล่อกที่เข้าไปยั่วยุอยู่ใต้จมูกใกล้ๆนั่นเองมันกวดไล่ฝ่ายของชัยยันอย่างไม้จะงงับเก็บไปคนละคำเติดเสยจัดและสาปตาอันเป็นทัพหนุนเบื้องหลังก็สากระสุนเข้ า, าไปเไว้ตามแผนเพนื่อเปโอกาสการล่าถอยพลาดหนีของพวกที่เข้าไปล่อมันใกล้ๆ ก็สุนไรเฟินต่างขนาดผสมตัวลูกซองเหล่านั้นจิงอยู่ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้แต่ก็ทำความสะดุ้งสะเทือนได้เหมือนกันพระดูกถูกสาดซัดด้วยกรวดทรายขั่วไฟร้อนสองมืออันปุกสั้นไม่ได้ส่วนของมันต บ, บปัดอยู่ไปมาร้อมกระเพรยเสียงร้อสนันวันไหวจนหูดับไปหมดแต่ก็ไม่ยอมชะ ง, งักหรือยอมเสียเวลาเปิดโอกาสให้คงโ ก, กรธแ่จัเกิดชันชิด มันเข้าไปยันหน้าวาเสียวเพราะอัตราส่วนหนึ่งเของมันกับส่วนยีของ่ายพันธุ์มาเรียจำต้องแตกหนีอนอกนทางซะแล้วเพราะความจวนตัวบอนไม่สามารถจะเล่นหนีมาทางเดียวกับที่ทักพวกวิ่งย้อนกลับได้ลบฉากแล้วเข้าไปในป่าหินเตี้ยตี้ทางซ้ายมือและไอ้ยักษ์ก็ชะงักขันความไปความสนใจกับหลอนซึ่งเป็นเป้าหมายใกล้ที่สุดมันหมุนตัวกว่าทางเข้าโตถูคำรามกึกก้องไปทาง เราพินและแง่ทรายเห็นภาพเหตุการณ์นั้นอย่างาชัดเจนที่สุดเพราะทั้งก็พากันวิ่งหน้าตั้งเข้ามายังไม่ทันจะดึงที่ไหมที่กาหนดไว้มีหนังซ้ําเหตุการณ์ยังผันแปรไปเล็วไอ้ยักษ์ไปโม่งไล่ต้อมารียอยู่คนเดียวมันยังยังไม่มีทีท่าจะผ่านใกล้หมูหินด้านที่คอยหมายดักนั้นคุณชกายแง่ทรายก็คอยดักอยู่ที่หมายเดิมแล้วไม่ต้องตามผมมาแล้พินตะโกนสุดเสียง และลำและสั่งการแทบไม่เป็นภาษาตะเบ้งแข่งก็สับเพสันเนียงอืออื้อหน้าสะบูงตัวนั้นเสียงคำรามของไอ้ยาเสียงปืนที่ระล่มกันระบิดอยางสับสนไม่เป็นจังหวะไม่ทราบวิญญาณใารบอกไปว่านในภาวะที่เต็มไปด้วยความจุลมุนสับสนสุดยอดเชน่นนี้และตัวเขาเองก็วิ่งแยกต่างทางพุ่งก็ไปยังเจ้าเทีท่ยวโบราณซึ่งขณะนี้กาลังตั้งใจรือยอดหินไปโจยกระจายค้นหามารีอยู่ เชื่อถ้าพาวะผวงด้วยความตกใจแทบหมดจะไปอยู่พริปตาเดียวแต่แล้วก็ถูกแงไซสยสกิดให้ออกแล่นตรงไปยังหมู่หินที่มั่นตามคำสั่งของจอมราชจึงออกวิ่งตามไปในทันทีทั้งทั้งที่เป็นพ่วกไปหมดและเดาไม่ถูกว่าเหตุการณ์มันจะดำเนินเช่นไดต่อไปรู้แต่เพียงว่ากริตรการสุดยอดเกิดขึ้นกับแม่สาวผมทองแล้วบุงคำขยินยังโวยอ้าวต่อไปจนตายีจิงทอ สกัดให้อยู่จนดารินกับชายันห ม, มุนตัวกลับไม่เห็นภาวะคับขันของมาเรียก็หยุดชะงักอีกครั้งแม่ช่วยแม่เร็วชา ย, ยันดารินร้องแหลมกรี๊และยังลืมตัวชั่วขณะเพราะความเป็นห่วงเพื่อนสาวตามหิวผู้ตกอยู่ในพวงอันตรายขีดสุดว่าจะสมุนสาวกลับวิ่งราย้อนทางเดิม ใช่เงินพ่นกับมีดาัดหักถังเดียวบรโจุกระสุนลูกใหม่ลงรางเพลงได้ออกวิ่งตามไปพร้อมกับส่งเสียงรองห้ามดาริโก็มันเสื่อสามอเลมานไปหมดจนจำแลกไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรเกิดเซยจันและสามปาก็พรวดออกมาจากที่ซุ่มยิงในเวลาใกล้เคียงกันทั้งหมดโดยไม่ต้องนัดมันหมายถึงความสามัคคีประกอบกับความกล้าหาญยอดเยี่ยมเมื่อมองเห็นอันตรายตันตาบังเกิดขึ้นกับผู้ร่วมคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาง่ตาผู้ตามปกติและจะเชื่องชาที่สุดแต่บับ น, นี้มันไวปานโปรโดออกข้อแนบตัดหน้าดารินออกไปด้วยความเป็นห่วงในาสาวผมทองของมันศาสตรการช้าเส็นแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ช้าวกว่ารพินไพรวันผู้ซึ่งการเคลื่อนไหวปฏิบัติการของเขาทุกชนิดเป็นไปด้วยสัญชาติตยามเคยชินมากกว่าสมองจะทันสั่งการ เขาวิ่งอ้อมเลาะแนวหินมาอีกด้านหนึ่งลืมคิดถึงตัวเองหรืออะไรทั้งสิน้นนอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือชีวิตของบุคคลผู้ร่วมคณะคนหนึ่งซึ่งบัดนี้ตายมากกว่าเป็นสำหรับภาวการเช่นนี้ไอ้ยักษ์ผู้เครียวกราดซึ่งกำลังผวาอาแขผนขยับปากอันกว้างใหญ่ดักอยู่ยังหมู่หินเตีย้ยเตีย้ยซึ่งเห็นมาเรียแหวบหายก็ไปในนั้นและในทันทีเขาก็เห็นมันชะง่อหัววูบลงไปพร้อมกับสำเนียงกรีดร้องของมาเรีย พิกตาตมามันก็เหยื่อหัวสะบัดขึ้นภาพที่เห็นในสายตาอันเบิกลมก็คือทิ่งตัวที่จำได้ว่าเป็นเสื้อของมาเรียปิดปากมันขึ้นมาส่วนจะมีเลือหรือเลือดปะกปนขึ้นมาด้วยหรือไม่นั้นเขาไม่อาจมองเห็นได้ในสายตาตลึงเลชั่วแวลนี้และบัดนั้นเองดวงตาอันลุกโชดด้านขวาของมันก็หันมาทางด้านเขาพอดีห้าแม้ว่าวินาที สามารถจะแยกออกไปเป็นส่วนละเอียดปรีย่อยที่สุดได้สักเท่าใดก็ตามหนึ่งในจำนวนส่วนย่อยของการเวลานั้นคือปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของระฟินไทรวันยามนี้ช่วงระยะปฏิบัติการดังกล่าวหมายถึงไรฟที่โฉกขึ้นมาอยู่ในแนวเลงนิ้วซึ่งแตะไอเข็มแทงจนวนพุ่งเข้ากระทบจำนวนไฮเระสุนแก๊สเผาไม้กลาเป็นพลังงานขับโลหะหัวแข็งน้าหนักห้าร้อยก ไอรีดควงตัวไปตามเกลียวลำกล้องแล้วพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายจุดที่ห้าของแบตอแอฟริกัน น, นั้นก็ต้องกำปนาขึ้นเราก็พริบตาสิที่หมายดวงตาด้านขวาของไอยักษ์ข้างนั้นและต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาก็ดับวูบลงชั่วขณะหนึ่งเหมือนภา พ, พยนตร์ขาดกลางจอ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 ในจังหวะที่ผวาตู่และดิ้นรนด้วยความเจ็โปวดนั้นปะทะกับก้อนหินที่แซมยอดระเกะระกะรอบด้านทา ง, ทางทตกลายเหมือนตึกล้มครับชิ้นส่วนจากสะเก็ดกระเด็นวอนไปรอบ ท, ทางส่วนหนึ่งลอยมาที่ร่างของระผิดแล้ตาก็เห็นเขากระเด็นพั ง, งาขึ้นทั้งตัวในอากัศกิริยาแทบไม่ผิดอะไรกับไอ้ยักษ์ขณะโดนปืนล้มคว่ำหน้าลง ก, กับพื้น ไถนในมือหลุดกระเด็นห่างตัวไปทางหนึ่งดูเหมือนจะแน่นิ่งตรงนั้นไท่รันโนซรัสตนนั้นไถยหลังจากดิ้นพะวาไปครบครอบศีรษะอันให ญ, ญ่มาึือมาซึ่งยังอ้าปากค้างอยู่นั้นก็ปากทิ่มลงตอนนี้เองที่มันส่งเสียงขึ้นเป็นเสียงที่แหบเรือลากยาวเยือกอยางโหยๆแสดงถึงความเจ็บปวดปวดราวสสาหัส เมืตัวร่างกายทุกส่วนดูเหมือนแต่ว่าจะสั่นระริกเต้นกระตุกเกรงไปหมดแล้วมันก็เงยพลวดขึ้นมาอีกครั้งลักษณะไม่ผิด ก, กับตาบ้าพัขยะมหินทุกก้อนที่มันควานไปกระทบามาข้างขวาบัดนี้เลืแดงฉานต้ทพุ่มไปหมดอา ก, กรรมยีนยาเคลือ่อนไหวบอกได้ชัดว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมืดสําหรับมัน ไม่มีใครรู้ว่ามารในขณะนีน้นอยู่ที่ไหนในภาวะไรภายในงาบนพใต้ทางของไอ้ยักษ์และไม่มีใครคาดถูกว่ารัพพินจะมีโอกาสหายใจได้อีกหรือไม่จากร่างที่นอนมือกลางเท้ากลางคว่ำหน้าอยู่กลางพื้นไม่กระดิกกระเดี้ยนนั้นในสภาพที่ตาบอดสนิทหมดทั้งสองข้างซึ่งตกอยู่ในความเจ็บปวดผสมไปกับความโกรธแค้นเกลียดกราดจนถึงที่สุด ไอยักษ์ไทรันเปิดฉากอรารวาสเป็นไฟบาลัยกันเอากับสิ่งที่ pitches, มันรอบตัวซึ่งก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าก้อนหินใหญ่น้อยซึ่งนอกสูตงต่างำทั่วไปการพื้นคุณิระเทศมันก้าวตะลุยมาเบื้องหนะ้าเป็นขั้นหนึ่งของการขยับเดินเกือบจะเหยียบลงมาบนร่างของพระพินที่นอนพิงอยู่แล้วก็ผ่านพ้นไปตะไปทางด้านของชายาดารินและตรงทานพื้นเมืองทุกคน ซึ่งบัตนี้ชะงักโบตาตะลึงมองอยู่จะมองเห็นหรือไม่ก็ตามแต่เพราะทิศทางที่มันเดินถื่อเข้าใส่ทำให้คนเหล่านั้นกระจัดกระจายกันออกไปอีกอย่างไม่เป็นสัตว์เชิดฐานั้นทันทีที่แลเห็นพรานใหญ่ถูกขีดกระเด็นลงไปล้มนิ่เขาก็ทลันจะเล่นตามออกไปด้วยสัญชาตยานแต่ก็ต้องชะงักเพราะงเงา้ายฉุดแขนไว้มัน่นอย่าครับในายใหญ่เราช่วยใครในขณะนี้ไม่ได้ทั้งสิน้น นอกจากสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําในขณะนี้ได้ถ้าโอกาสเป็นของเราแล้วครับตามันบอดหมดทั้งสองข้าแล้วครับเล้วเงยสายก็ยิ้มเห็นฟันขาวทั้งสองแถวส่งทั้งคันธนูและดอกศรไปดระเบิดมาให้ราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะนายใหญ่ควรจะทําลายมันด้วยมือเองนะครับไม่มีเวลาที่เขาจะคิดอะไรแล้วทั้งสิ้นในภาวะเช่นนี้เมื่อเงยสายส่งธนูกับดอกศรมาให้เฉดทาก็กระชากมาโดยเร็ว กับกรามจะน้นเป็นสันวางดอกธนูขึ้นคาดสายยกขึ้นเตรียมพร้อมจะเคยทดลองยิงมาก่อนหรือไม่ก็ตามแบบนี้ความจำเป็นสุดยอดมาถึงแล้วเชษฐาตัดสินใจเชียบขาดด้วยเจตนาอันแนะ่วแน่ไล่มันออกไปทางที่โล่งขวามือเล่งห น, นีให้ห่างไม่ต่มกว่าห้าสิบเมตรลบหาที่กำบังไว้ท่านหัวหน้าคณะตะโกนขึ้นสุดเสียงสั่งความไปยังชยัน เสียงตะโกนร้องบอกกันต่อๆไปอออึงละคนไปกับเสียงปืนที่เรามงกล้องไม่เป็นจังหวะและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคำสั่งของเชตฐาคนเหล่านั้นภายใต้การนำและบงการของชั ย, ยันยิงล่อไอ้ยักษ์ให้มันหันเห อ, ออกเดินเตปปะเป็นไก่ตาแตกไปทางด้านที่โลกงใกล้เคียงกับตาหิงขวามือแล้วทุกคนของฝ่ายลอก็หยุดยิงโอยแนะ่สุดฝีเท้าหนีออกพ้นดอสมี50เมตร เข้ายึดที่ลบกำบังตนสุดแต่ใครจะหาได้เชิดาเพ่นออกมายืนเด่นอยู่ในที่โล่งทิศทางของเขาเยื้อง45องศาจากด้านหลังของไห้ยักษ์ซึ่งเงืก ง, งะหมุนอยู่พร้อมกับเสียงคำรามไม่หยุดปากมือทั้งสองตะกุยปัดตามหน้าของมันเองอยู่ไปมาวุ่นไฟหมดแส่สายปลาก็ามาขนาบข้างเขาในมือถือใต้ที่ลุกติดไฟพร้อมจุดชนวนเขาร้อง ยกธนูขึ้นในมุมที่จะส่งลูกออกไปในวิถีโคง้งแง่าสายก็ไตไปลายครบเข้ากับสายชนวนระเบิดที่มัดไปจุกระดอกสอนทันทีริงนายใหญ่เชิดฐานานวสายสุดแรงเกิดด้วยพละกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งอำนาจกำลังใจที่กองพิจตนา ม, มุ่งมั่นอย่างเต็มที่สอนของฟ ร, รามเชิดฐานสิ่งความจริงก็คือดอกธนูติดระเบิด TNT บัรนีสายชนวนกำลังลามมากแวทอากาศคุ้วออกจากแรง้ายานเป็นวิถีโค้งพุ่งเข้าหาไทรันโนทรัสอย่างเที่ยงตรงที่สุดไม่เฉะเฉะออกนอกทิศทางหรือว่าเปะปะเสียการทรงตัวไปทางใดอทางสิน้นด้วยกำลังทรงของคันนาวน้ำหนัก80ิปอนอยานั้นอยายหมุนตัวตะแคงกลับมาพอดีหัวธนูซึ่งทาด้วยโลหะแหลมเป็นแฉกเงี้ยงในจังหวะที่ายหัวลงในมูม ก็เสียบยึเข้าไปยังซอกรักแร่ตรงบริเวณขา ห, าห้าซ้ายของมันยมมิดเข้าไปในผิวหนังอันครุกระประมาณหนึ่งในห้าส่วนของดอกธนูซึ่งยาวร่วมเม็ดทั้งเชิดาและงซทรายสุดตัววูบลงนั่งไปพื้นทันทีโดยไม่ต้องร้อง บ, บอกเตือนทันทีที่เห็นธนูเสียบติดเป้าหมายก็ดังอยู่หลังก้อนหินใหญ่ ไมใ่ใครสามารถคาดคิดทำนายเหตุการณ์ได้ถูกในวินาทีดับจิตนี้เจ้าเขี้ยโบราณผู้ครองความเป็นเจ้าพิภพโลกในอดีตสมัยร้องว้าอย่างโกลแค้นจากพิสสมของหัวธนูที่ปักทะลุหนังเข้าไปเพิ <c oughs> ่หวานเจ็บคันกระตุกโทศัพาดฟันตัวเองอยู่ไปมาเสียงสนั่นลั่นปัทพีไปหมดราวกับพระสุธาจะพลิกคว่ำลงแต่แล้วบัดใจต่อมานั่นเอง ทุกสัพพะสัมเทียงกันน่าสะพึงตัวอยู่ขนาดนี้ก็ถูกตบเสียหมดสิ้นเสียงที่ดังปรบนั้นดังเหมือนระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินเชตากระดอนโลกเป็นหนึ่งว่าจะหยุดหดลงชั่วขณะระยะเวลานั้นจะผ่านพ้นไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ เมื่อได้สติขึ้นอีกครั้งท่านหัวหน้าคณะตะกายเกาะหินค่อยๆพยุงกายโผล่ขึ้นมองไปยังที่หมายเบื้องหนะ้าท่ามกลางม่านควันและผงธุลีที่ปลิวคลุงเป็นหมอกสีขาวร่างมาคือมาเป็นภูเขาเหล่ากาของไอยักษ์งายท้องอยู่กลางแผ่นดินขาอันทรงพลังด้านหลังทั้งสองถีบตะกายอากาศอยู่เดวเดอ้าปากพงาบเลือดทะลักทะทังออกมาจากปากและรูจมูก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 ยกกระบะเทคลนเหลวๆลงมาเพื่อถมพื้นที่ช่วยมันพ้นทรมานซะโดยเร็วเถอะในายใหญ่เสียงกระซิบเบาๆมาจากเบื้องหลังปลุกสติสัมปชัญญะซึ่งเหมือนถูกสะกดให้ตกอยู่ในห้วงฝันของเชื้าอีกครั้งอดีต ท, ท่านทูตทาหารบกเชื้อพระวงศ์พาดดอกธนูเป็นคำลบสองสุดลมหายใจลึกเต็มปอดแล้วพยักหน้าเป็นความหมายเงยสายก็จุดสายชนวนให้พร้อมกับสัญญาณยิงเขาปล่อยดอกที่2แหวกอากาศออกไปเป็นการซ้ำ แม่นยำราวกับสวรรค์จะเป็นใจช่วยครั้งนี้มันปักสวบเข้าไปที่ก้านคอเยื้องมาทางด้านหน้าของไอ้ยักษ์ผู้อาปากสำรอกเลือดอยู่เป็นระลอกเช่ถากะเง่ทายไม่หลบลงต่ำเหมือนครั้งก่อนแต่เกาะนิ่งกะแง่หินจ้องมองภาพเหตุการณ์อย่างสงบด้วยหัวใจอันแน่วนิงท่ง TNT ลูกที่สองระเบิดขึ้นเร็วกว่าลูกแรกซะอีกเพมันคลื่นขึ้นและมันันต้องัวัมนอีก เห็นแต่ท่อนปลายหางของมันที่วาดอย่างเชื่มช้าอยู่กับพื้นแล้วก็สนิทนิ่งไปก่อนที่ควันจะจางลงไอ้มหายักคู่เวรคู่กรรมของคณะเดินทางมหาวิบาศนทั้งหมดสงบฤทธิ์ลงอย่างราบคาบแล้วร่างของมันกองนิ่งอยู่ที่เดิมในท่าตะแคงพอหันพับขึ้นมาเกยอยู่บนลำตัวหน้า แงนเงยสู่ท้องฟ้าในสดประสาทอันลั่นอื้อของเชษฐาไม่ได้ยินสัพ ป, ประสำเนียงใดๆอยู่ชั่วขณะโลกทั้งโลกดูจะเงียบไปหมดครั้นแล้วต่อมาเขาก็แววเสียงโหร้องอื้ออึงสนันวันไหวของพวกพรานพื้นเมืองเสียงกูตะโกนร้องบอกกันอย่างยินดีของคณะพักและเงาของคนเหล่านั้นก็พากันวิ่งพรูออกจากที่ซ่อนตรงมาที่เขาส่วนเบื้องหลังเหลียวมาก็ไม่พบเงาทายซะแล้ว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 นอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่ในซอกหินตอนหนึ่งเสื้อราสัตว์ทางด้านหลังทั้งแผ่นขาดกระจุยหายไปและเห็นผิวขาวโพลนตลอดทั้งกายสมไปด้วยเลือดและรอยขีดกวนอันเกิดจากแง่หินบาด ท, ที่ศีรษะก็โชคลือดเช่นกันเชษฐาปราดก็ไปถึงเป็นคนแรกร้องเรียกเสียงสัน่นสุดตัวลงอุ้มประคองพริกหงายหน้าขึ้นดวงตาตั้งคู่ของแม่สาวปิดสนิทพริบตาต่อมา ดารินกับชา ย, ยันก็เข้าถึงด้วยความตกใจขีดสุดระหว่างที่ทุกคนช่วยกันปลุกเขย่าเรียกอันเป็นสัญชาตญาณทั่วๆไปของมนุษย์เท่าที่จะทำได้รพินไพรวันเดินขยเกเข้ามาถึงเป็นคนสุดท้ายต่างดูเหมือนจะโกนกอกสั่นต่อภาพที่เห็นและลืมสติกันไปหมดแม้กระทั่งหมอดารินเองก็ลืมไปเสแล้วว่าตนเองเป็นแพทย์ร้องเสียงหลงออกับว่าทกม่เธอตายแล้วหรือเนี่ย คุณหญิงเป็นหมอจะลงความเห็นว่าคนตายโดยไม่ยอมตรวจได้หรือครับเสียงแหบๆดังมาจากบุคคลซึ่งแบบนี้พิสูจน์ได้ชัดแล้วว่าสติกำลังใจและความทรหดเหนือกว่าทุกคนพลานรพินนั่นเองดารินรู้สึกตัวขึ้นมาได้จากเสียงเตืนนั้นรีบตรวจบุคคลที่เคราะห์ร้ายที่สุดของคณะอย่างลนลานใจแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครู่เดียวหล่อนก็มีสีหน้าดีขึ้น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 แ่าซายกับขยินตรงเข้ามาช่วยกันหามร่างของมาเรียขึ้นแบกลิวตามหมอดารินซึ่งล่วงหน้าไปเลือกได้ใต้เพิงหินในที่ร่มไม่ห่างไกลจากกองสัมภาระซึ่งต่างปลดพักไว้ก่อนก่อนหน้าจะเข้ามาทําศึกประจันบาลกับไอยักษ์คงเหลือแต่เพียงระพินเชษฐาชยันและดารินสีคนเท่านั้นที่เข้ามารุมล้อมดูอาการของแม่สาวผมทองผู้เคราะร้ายและให้การร่วมมือกับหมอ ในการปฐมพยาบาลไตพลางๆเราเวลาที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ส่งย้อนให้กลับไปยังกองสัมภาระนั้นจะลิ้วมาถึงพร้อมด้วยหีบเวชภัณฑ์ประจำคณะยามนี้ไม่มีใครหันไปสนใจกับซากของไอ้ยักษ์ที่กองบันเนินสิ้นฤทธิเดช ต, ตายสนิทอยู่ทั้งสิ้นหนักมากไหมน้อยชยันเพิ่งจะเอ่อยออกมาได้เป็นคาแรกอย่างกระสับกระส่ายตลอดเวลา ทุกคนเห็นแพทย์สาวประจำคณะงวนอยู่กับการตรวจสอบสภาพร่างกายของคนเจ็บอย่างทีท้วนร้อนรนที่สุดก่อนที่เครื่องมือจะมาถึงและท้ายสุดแม้แต่อกเสื้อด้านหน้าที่ยังเหลืออยู่ก็ถูกหมอดารินทอยเปือยออกไปจนหมดถึงผิวเนื้อโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิน้นลงทุนเอาหูแนบฟังลงไปกับหัวใจไม่มีบาดแผลชกันตามร่างกายมากนักนอกจากรอยหินบาดและหัวแตกไม่ใช่เล่นน้อย พี่ชายถามมาอีกค น, นด้วยความร้อนใจเพราะยังไม่ได้ความเห็นใดๆจากหมอให้แน่ชัดลงไปพอแก่การวางใจได้ดารินเม้มริมฝีปากแน่นหันมาตรวจบาดแผลที่ศีรษะอีกครั้งหลุดปากพึมพำออกมาว่ากระโหลกร้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าหัวจะฟาดลงอย่างแรงทีเดียวจากรอยแผลฉีกของหนังศีรษะข้างนอกที่เห็นนี่อึดใจต่อมาหล่อนก็บอกว่าจ้าประคุณ เทว า, ารักก็ อ, อย่าให้เมเป็นอะไรไปเลยตรวจดูนี่ก็ไม่รู้สึกว่าจะรุนแรงอะไรนักหรอกก็แล้วทำไมนิ่งตัวอ่อนไปแบบนั้นน่ะฉนิฐานว่านอกพื้นอย่างแรงสรบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนี่ฉันมองไม่เห็นตาหนัดเลยในขณะนั้นเมยเจนจวนตัวขิดสุดครับคุณหญิงผมเห็นเขาวิ่งเข้าไปเล่นเอาเธอเจ้าล่อกับมันอยู่ในหมู่หินนั่น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 เพราะศีรษะฟาดแง่หินแต่ก็ยังโชคดีที่เขาพลัดหลุดจากกรงเขียวมันได้ถ้าติดปากขึ้นไปด้วยก็คงปนเป็นผงไปแล้วผมรู้สึกว่ามันจะฉบหัวลงมาควานงับซ้ำอีกจึงแยกกับคุณชายและแง่สายวิ่งเข้ามายิงมันเผาขนซึ่งซึ่งหน้าและผมเองก็หน้ามืดวูบลงไปชั่วขณะเดาไม่ถูกเหมือนกันเมื่อโดนอะไรเข้ามารู้สึกตัวเอาก็อีตอนที่เสียงระเบิดครั้งแรกนะครับ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 และปราณนีเสมอเขาไม่โต้อตอบอะไรเมื่อรู้สึกว่าหลอนขวางในคำพูดของตนวรองหึแล้วก็เดินผะถอยห่างออกมาเสียซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สางปาห่อเริดนำหน้าพักพวกมาถึงพร้อมกับขีบหอเวชพันฑ์ระหว่างที่คนเหล่านั้นกำลังเอาใจใส่อยู่กับการแก้ไขเยียวยามาเรียจนสุดฝีมือแพทย์มือเกียรตินิยมประจาคณะ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 ตัวแกเองหรือพวกเราคนอื่ น, อ, นอาจพินาศไปเพราะระเบิดก็ได้เงยสายยิ้มน้อยๆผู้กองครับผมคิดว่าผมรู้จักนายใหญ่ดีนะครับนายใหญ่เป็นคนมีฝีมือมีสติสัมปชัญญะและปณิธานความมุ่งมั่นที่แน่วแน่สิ่งเหล่านี้เมื่อมาประกอบกันเข้าจะช่วยเขาทำอะไรสำเร็จลุล่วงไปได้เสมอหากเขามีเจตนาแท้จริงที่จะกระทขาขณะนั้นนะผมเห็นแล้ว ว่าไอ้ยักษ์ตาบอดหมดทั้งสองข้างโดยมือของผู้กองมันก็ไม่เหลือบากกว่าแรงนักในการที่จะให้ในายใหญ่ยิงธนูไปประหารมันในายใหญ่ยิงธนูได้ดีทีเดียวผู้กองนเมื่อไหร่ฉันถึงจะพ้นหน้าลีกห่างไอ้คนฉลาดลึกอย่างมหาวายร้ายอย่างแกได้สักทีนกแง่สรา ย, ายรอยยิ้มนั้นเผยกว้างออกไปอีกทำให้ใบหน้าประดุดรอด้วยสำริดสุขใสขึ้น ยกมือขึ้นชี้ข้ามทิวเขาสูงไปยังทิศเหนือเสียงลึกตังวานตอบมาแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าอีกไม่นานหรอกครับผู้กองระพินไกลโพนเบื้องโนนมรกฎนครไอคนที่ผู้กองทั้งเกลียดทั้งรักผู้นี้จะไปฝังวิญญาณอยู่ที่นั่นเราคงจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้วเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องแยกจากกันณนะที่นั้นกล่าวจบ เจ้ากรเรียงโชมงามผู้ลึกลับก็ก้มศีรษะให้เขาอย่างกึ่งสุภาพกึ่งไว้ตัวพร้อมกับหมุนกายเดินกลับจากไปเงียบๆบจอมพรานตื่นจากภวังในคำพูดอันแฝงไว้ด้วยปริศนาลึกของแง่ายอีกครั้งมเมชเดถาเดินตรงเข้ามาด้วยรอยยิ้มอาการของท่านหัวหน้าคณะคลายกังวลลงแล้วไม่รู้สึกตัวและปลอดภัยแล้วละพินแต่ก็สบักสบอมพอดู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 เข้ามาโอบไหล่กอดไว้เอ่ยต่อมาว่านี่จะไม่เข้าไปเยี่ยมเขาหน่อยเลร อ, อีกสักครู่ก็ได้ครับให้เป็นหน้าที่ของหมอก่อนดีกว่าแล้วพรานใหญ่ก็มองซาก ข, ของไทแรนโนซอรัสกับหน้าของเชษฐาสลับกันอยู่เช่นนั้นพลางยิ้มออกมานิดหนึง่งแทนความหมายแห่งคำพูดทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องกล่าวสรรเสริญยกย่องใดๆทั้งสิน้นอดีต ท, ท่านทูตทหารบกหันไปมองตามและถอนใจลึก หมดเวรหมดกรรมกันสักทีต่อไปนี้หนทางคงจะเปิดสะดวกสำหรับเราแล้วนะผมเชื่อมั่นเช่นนั้นและเชิดถาก็พึมพารรกล่าวขมาโทษอาโหสิ ก, กรรมให้กระเจ้าสัตว์ใหญ่ที่จองเวรสกดัดขัดขวางการเดินทางมาตลอดระยะบัดนี้บนท้องฟ้าเหนือซากไทร่นแรงใหญ่ตัวนั้นบินว่อนเวียนอยู่ในระยะสูงถูกแล้วมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความมรณะ แล้วก็ได้ประจักษ์กันออกไปเดี๋ยวนี้เองว่ามรณะการที่เกาะกุ้มอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นของเจ้าสัตว์โลกลานปีตนนั้นหาใช่ฝ่ายมนุษย์ซึ่งดวงชะตาแข็งกว่าไม่ต่างนิ่งกันไปครู่ใหญ่ระหว่างแงนมองแรงตัวนั้นทั้งรพินและเชษถามีสีหน้าแช่มชื่นเต็มไปด้วยความหวังเพิ่มขึ้นมันเหมือนกระ บ, บอกให้ทราบว่าโชคชัยเป็นของเราแล้วในความพินาศของไอ้ยักษ์ตว น, นี้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 เชดิดฐาขคงหัวเราะอยู่เช่นเดิมาทางท่านหัวหน้าคณะไม่ได้เฉลียวใจคิดอะไรทั้งสิน้นตอบว่าถามมันแล้วมันบอกว่าข้อมือข้างซ้ายของมันเคล็ดตั้งแต่วานนี้แล้วแต่มันไม่กล้าบอกให้คุณทราบผมเองก็ไม่รู้จนกระทั่งมันบอกภายหลังจากที่ผมถานมนี่แหละก็ดีไปยงังที่มันไม่ฝืนยิงทั้งทั้ที่ข้อมือเคล็ดเพราะอาจจะทาให้พลาดได้โชคดีมากนะที่ผมอยู่กับมันด้วยในขณะนั้น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 คุณน่ะไม่เป็นอะไรมากไม่ใช่เหรอหมอดูดวงชะตาผมไว้นานแล้วะบอกว่าถ้าจะตายก็จะตายบนเสือมีหลังคาบางังตายเพราะเป็นไข้าตายไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุหรือการปองร้ายไม่ว่าจะจากคนหรือสัตว์ทุกคนหัวเราะเพราะนานๆจะเห็นอารมณ์ขันจากระพินสักทีหนึ่งแม้แต่คนเจ็บเองหลอนหัวเราะจนรอยบวมเป่งที่แก้มและริมฝีปากตึงจนต้องยกมือกลุมและร้องครางไปพลาน หมอดารีในชั้นพักไม่ครึ่งวันของวันนี้กับอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้เขาบางขังคับไปฉันเดินต่อละแล้วลยังไงไหวไหมถึงไม่ไหวก็ต้องไหวอยู่ดีนั่นแหละแม่มสาวตอบอย่างไม่หวั่นระยอตามนิสัยทรหดขาดใจแต่ฉันไม่ชอบเลยนะเขาเล่นโดบฉันด้วยมอร์ฟีนฉันยิงติดอะไรง่ายๆซะด้วยนะไม่เป็นไรห ร, รอกติดมอร์ฟีนมันยังดีกว่าติดเพ น, นิสเ อ, อ่อซิลิน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 เชตาพยายามวางหน้าเคร่งขรึมจุปากห้ามเบาๆสุนรัรพินกรแงซายหันหน้าเบือนออกไปทางอื่นแทบจะปล่อยกล้ า, กากออกมางอหายมาเรียนหน้าตื่นถามว่าเกิดไรขึ้นเนอะน้อยบารินคลนชา ย, ยันจนตาคว่ำหน้าแดงดำแล้วหันมาฝืนยิ้มให้คนจ็บเปล่ารักเมจะอย่าไปสนใจอะไรเลยนอนพักซะเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงด้วยดีแล้ว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 ถอนใจยาวปิดเปลือกตาลงโดยดีช้ยันบ่นอะไรพึมพำอยู่ในลำคอไม่เข้าหน้าดารินอีกเดินเลี่ยงไปคุยกระตาบุญคำและกลุ่มพรานพื้นเมืองของระพินชะเชิาหาหารือกับพรานใหญ่เรื่องแผนคืบหน้าและต่างก็เห็นด้วยกับเหตุผลของหมอดารินว่าสำหรับเวลาที่ยังเหลืออยู่อีกร่วมครึ่งวันก่อนตะวันตกดินนี้ไม่สมควรจะเคลื่อนย้ายไปไหนอีกทั้งสิน้น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 ราเริงสนุกสนานระหว่างช่วยกันจับที่นอนให้หลังจากจับที่ทางเตรียมพร้อมสำหรับแรมคืนเสร็จเรียบร้อยระพินก็ชวนเชษฐทาและแง่ทรายออกเดินผ่านช่องเขาเพื่อสำรวจล่วงหน้าไปยังอีกฝากหนึ่งเพราะเห็นว่าเวลายังเหลืออยู่อีกหลายชั่วโมงก่อนค่ำตะวันบ่ายสาัดแสงอารามสุขใสไปทั่วภูมิภาคทัฒนวิสัยกระจางปลอดโปร่งยิ่ง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 ซากของคราคูดอนหรือเป็ดไดโนเสาร์ทั้งสองตัวกองเรียรายอยู่ทั่วบริเวณลักษณะอันถูกฉีกเนื้อย่อยยับขยอกกินของเจ้าสัตว์ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าและไม่ผิดอะไรกับซากของสเ ต, สเตโกซัสที่ต่างเคยพบหินกันมาก่อนแล้วมันถูกจู่โจมเข้าขย่ำขบอย่างดูร้ายกระหายเลือดโดยหนีไม่ทันทั้งสองตัวและตายลงอย่างรวดเร็ว ปราศจากการต่อสู้โต้อตอบใดๆทั้งสิ้นราวกับหนูที่ถูกแมวตะครุบจากนั้นก็ถูกฉีกเนื้อกินชนิดสดๆร้อนๆด้วยความตะกรกตะกรามหิวโซและละโมบมู่มามเห็นได้ชัดจากร่องรอยที่ปรากฏอยู่มันกินตัวหนึ่งยังไม่ทันจะหมดก็หันไปกินอีกตัวหนึ่งท่านใหญ่ชี้ให้นายจ้างของเขาดูทราบอันนาสยดสยองอันเน็ตอนนนั้นระหว่างที่ไต่ขึ้นมาบนขอบหินสูง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 นี่ก็ดีที่มีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นถ้าเดินเซอ่อซ่าเข้ามามากกว่านี้มันก็คงฆ่าตายหมดไม่ยอมให้เหลือและจอมพรานก็ชี้อธิบายประกอบข้อสันนิษฐานให้เชษฐาทราบว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นควรจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนไทแรนโนซอรัสหลบซ่อนซุ่มตัวอยู่ที่ใดและแทร็โคโดอนเคราะหร้ายทั้งสองตัวเดินผ่านเข้ามาทางด้านไหนโดยไม่ทันรู้ตัว จนกระทั่งได้ระยะที่มัจจุราชจู่โจมเข้าถึงขนาดของไดโนเสาร์ประเภทกินพืชและมีถิ่นอยู่ใกล้หนองน้ำคู่นั้นพอๆกระชังที่ใหญ่เต็มที่แต่ก็เทียบกันไม่ได้เลยกับเจ้าพิภพไทรันซึ่งใหญ่กว่าหลายเท่าตัวโครงร่างลักษณะของร่างกายธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างสรรค์ให้มันมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวเล็บสาหรับที่จะต่อสู้อย่างใดได้เลยนอกจากเป็นสัตว์ประเภทที่ตกเป็นเหยื่อฝ่ายเดียว สำหรับสัตว์ที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อมาพิจารณาใกล้ๆเห็นชัดเช่นนี้เชษฐาจึงเห็นด้วยกมามเรียผู้เชี่ยวชาญทางโบราณชีวาศาสตร์ที่ห้ามคณะทั้งหมดไว้ไม่ให้ยิงมันแม่สาวคงจะศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีแล้วว่าเจ้าสัตว์โบราณประเภทนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครทั้งสิน้นแต่ถึงอย่างไรขนาดและรูปร่างของมันเท่าที่มนุษย์โคลมาเห็น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 ของภูเขาตัดซึ่งเป็นช่องทางกว้างประมาณ50เมตรตรงกลางเป็นเส้นทางราบโล่งอุดมไปด้วยกรวดส่วนริมสองฝั่งเกะกะไปด้วยหมู่หินงอกงามตาร่องรอยอาศัยเป็นเส้นทางด่านของศัพท์ต่างๆแลหินชัดช่องทางซึ่งมองจากระยะห่างเห็นว่าเล็กแคบนิดเดียวเท่านั้นครั้นเมื่อกำลังเข้ามาเดินอยู่จริงๆก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ช่องเล็กๆอย่างที่ภาพลวงตาไว้เลย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 โดยยังไม่สามารถจะสังเกตเห็นภูมิประเทศอื่นใดได้ถนัดนักเพราะการเดินอยู่บนช่องทางนี้ก็คือการขึ้นมาอยู่ในระดับส่วนหนึ่งของฐานภูเขาซึ่งสูงกว่าพื้นที่ราบต่ําลงไปของฝั่งตรงข้ามแนวจักสุจึงยังไม่สามารถจะมองลงต่ําเห็นได้เพราะพื้นที่บังไวโอ้โหดูครั้งแรกว่าช่องทางแคบแคบสั้นๆแทๆ้แท้เจ้านี่มันไกลลิฟเลย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 ปราสะากต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ประเภทที่เห็นในดงดิบทางป่าล่างเรากับว่ามันจะเป็นป่าในจินตนาการบนผืนผ้าใบของจิตรกรผู้มีความฝันอันสวยสดงดงามระคนไปกับความลึกลับทิวเขาเขียวรางๆจรดขอบฟ้าประหนึ่งเขตชั้นจักรวาลอยู่ทางด้านเหนือเหมือนระบายไว้ด้วยเส้นผู้กันบางๆส่วนทางด้านตะวันออกและทิศตรงข้าม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 ผมกะว่ามันเห็นจะไม่หนีห้าหกกิโลเมตรโดยตัดทุ่งหญ้านี่ไปละจอมพลเงยหน้าขึ้นจากแผนที่และตามด้วยตาเปล่าแล้วใช้เข็มทิศเล็กๆประจำตัวเทียบกับทิศทางแท้จริงโดยยึด ต, ตะวันเป็นหลักในขณะนี้ใช่แล้วครับคงไม่ผิดไปหรอกครับสังเกตภูมิประเทศทางด้านนี้เป็นเขตชุ่มชื้นมากที่สุดแล้วก็ตรงกับทิศที่แผนที่ระบุไว้ด้วยครับแล้วก็ก็หันมาทางแง่ทราย พูดตลอดเวลายัางเงียบสงบนี่แง้ายไหนแกบอกว่าพอพ้นปากทางช่องเขาขาดนี่แล้วจะเลเห็นทะเลสาบมรณะไม่ห่างออกไปนักไงละ่ะก็ไม่ห่างพ้นจากละม้อ ท, ที่บังอยู่นั่นเข้าไปก็จะถึงบริเวณขอบบึงใหญ่แล้วเดินไม่เกินสองชั่วโมงก็ถึงเชษถาหัวเราะออกมาเบาๆบักไอ้แกนี่บางขนาก็ยวนหน้าเซอร์เหมือนไอส้สางปาเหมือนกันนะ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 เพียงแต่มุ่งเข้าหาที่หมายไปเป็นลำดับเท่านั้นความหวังนะมองเห็นอยู่แค่นี้เองคืนนี้ผมจะอธิบายให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าจากจุดทะเลสาบมรณะเราจะเริ่มไต่ขึ้นเส้นทางด้านไหนเป็นลำดับไปเออคุณชายกระแงสายพักอุู่บนนี้ก่อนไหมครับทำไมคือผมอยากจะลองไต่ทางนี่ลงไปเดินตรวจอะไรตามบริเวณชายทุ่งข้างล่างใกล้ๆนี่ครับรับรองครับว่าจะไม่ให้ไปไกลพ้นสายตา คุณชายนั่งอยู่บนนี้จะมองเห็นผมทุกระยะแล้วครับเชษฐาพยักหน้าอนุญาตง่ายๆพรานใหญ่กำชับสั่งแง่ทรายให้นั่งคอยเป็นเพื่อนนายใหญ่แล้วตนเองก็ตัดทางอันสูงชันของซอกเขาไปลงไปยังทุ่งหญ้าเบื้องล่างร่างของเขาแลเห็นเดินดุมดุมไปตามลอนสูงสูงต่ำาๆของทุ่งหญ้านั้นในรัศมีสายตาของเชษฐาโดยไม่มีอะไรบงังและเขาก็ปฏิบัติตามสัญญา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 ยังกะแกเป็นตัวเขาช้อย่างนั้นเองเลก็ถ้าอยากจะรู้ว่าแงซายคิดหรือทำอะไรอยู่ก็จงถามผู้กองระพินดูเถครับนายใหญ่ระหว่างผมกับผู้กองนะ่ะเราหลบซ่อนดือเงินงำอะไรกันไว้ไม่ได้หรอกครับเขาน่ะเป็นตำรวจป่ามาแล้วผมเองก็เคยเป็นทาหารป่าเขาเป็นพรานผมก็เป็นพรานแต่ผู้กองระพินนะ่ะเขามีความสุดจริตใจจริงแล้วก็ซื่อตรงแกละ่ะมีบ้างไหมนายใหญ่ครับ เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับนี่ระหว่างแกกับฉั น, นเราไม่ค่อยจะมีเวลาได้คุยกันนักหรอกนะแง่สายแต่ถึงเช่นนั้นฉันก็คิดว่าฉันรู้จักแกได้ดีพอสมควรจากสิ่งต่างๆในบุคลิกภาพของแกเท่าที่ฉันเห็นฉันอาจจะไม่เท่าทันแกอย่างพรานใหญ่ก็จริงแต่ก็คงไม่ง่จนถึงขั้นที่จะมองข้ามสิ่งอันซ่อนเร้นอยู่ในตัวแกหรอกฉันบอกตามตรงว่าฉันชอบแกนับตั้งแต่วินาทีแรก ที่แกเข้ามาขอสมัครร่วมทางมาด้วยแล้วผู้กองเขาอ่านใจฉันออกเขาถึงได้ยอมรับสมัครให้แกร่วมทางมาด้วยเพื่อเอาใจฉันนั่นแหละแง่าสายก้มสีษะลงครับผมเข้าจะดีครับนาย่างแล้วก็สำนึกเป็นบุญคุณอยู่จนวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วครับถ้าไม่ใช่พระนายใหญ่ต้องการผมแล้วผู้กองย่อมจะไม่ยอมให้ผมมาด้วยเป็นนันขดัดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาไม่ค่อยจะชอบหน้าผมนัก คิดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าผมจะเป็นอันตรายต่อเขามีเหตุผลอะไรนักหนาล่ะที่เขาจะต้องคิดเช่นนั้นเอาล่ะฉันขอถามในด้านความรู้สึกของแกแล้วกันอดีตร้อยโทรกองจนกระเรียงถอนใจเบาๆแต่ดวงตาทั้งคู่แจม่มใสปราศจากรอยวันกังวลใดๆทั้งสิ้นในายใหญ่ครับก็อย่างที่ในายใหญ่ทราบมาแล้วนั่นแหละครับอดีตครั้งหนึง่งระหว่างผม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 ปัตรงนั้นมีปืนกลคอยดักเขาอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะรู้ด้วยว่าใครคุมอยู่หลังปืนกระบอกนั้นอะไรเป็นสาเหตุให้ปืนกระบอกนั้นนิ่งสงบอยู่โดยไม่ปรยกระสุนไปที่เขาปล่อยจนกระทั่งเขาแล่นลับลำห้วยปลอดภัยไปได้แล้วแกช่วยเขาไว้ทำไมเอาเป็นว่าอย่าเรียกว่าช่วยเลยเรียกว่าปล่อยชีวิตให้รอดเอะทาไมถึงให้เขารอดไปได้ละ่ะในเมื่อขนาดนั้นน่ะเป็นเวลารบ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 ผมจึงเดินทางไปพบเขาที่หนองน้ําแห้ดังที่ในายใหญ่ได้เห็นผมเป็นวันแรกนั่นแหละครับเชี่ถาพยักหน้าช้าๆหัวนนึกไปถึงภาพในอดีต ท, ที่เห็นแง่ทรายเป็นครั้งแรกแล้วหัวเราะออกมาเบาๆฮึตอนนั้นแกล้กล้ามากนะแง่ท า, ายที่บางอาจโผล่ไปพบเขาอีกพร้อมทั้งขอสมัครในครั้งนั้นด้วยแกไม่กลัวเลยเหรอว่าในฐานะศัตรูหรือกู้แคนเก่าเขาอาจทําอันตรายต่อแกได้หรืออย่างน้อยที่สุด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 ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้แต่แกก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนี่ว่าแกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในคณะเดินทางของเราแล้วแกก็เคยช่วยฉันไว้แม้แต่การถ่ายเลือดให้คราวที่ฉันเคราะร้ายขีดสุดครั้งนั้นถึงระพินเองนะเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะระแวงหรือนึกถึงแกในแง่ร้ายใดๆทั้งสิน้นนอกจากความสงสัยในความลึกลับของแกเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะลึกลับได้ในโลกนี้ครับ ผมเรียนนายใหญ่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นล่ละครับขาดคาของแง่ทรายร่างที่ไตย้อนกลับขึ้นมาของพรานใหญ่ระพินก็โผล่เงาหินออกมาให้เห็นในระยะใกล้และตรงเข้ามาเป็นไงได้ความยังไงบ้างล่ะผู้ ก, กองเชี่ยาถามยิ้มยิ้มกาะแห่งชีวิตที่คุณชายอนุชาตั้งชื่อไวและเราผ่านกันมาแล้ว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 อีกอย่างหนึ่งก็เป็นป่าเวอร์จินไม่เคยมีใครรบกวนมาก่อนมันก็ไม่น่าจะตื่นกลัวกลิ่นของเราสมมุตินะว่าถ้าามันได้กลิ่นขณะที่เราเดินมาแต่ถ้าลงไปดูคุณชายจะเห็นนะครับมันเหยียบย่ำกันไว้แทบจะทุกตารางนิ้วของแผ่นดินทั่วไปมีทั้งรอยใหม่ๆเมื่อขณะฝนตกเมื่อเช้านี้เองผมคิดว่าที่มันหลบหายกันไปหมดอาจจะเป็นเพราะมันตกใจเสียงระเบิดเมื่อครู่นี้แะครับ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 สอบถามก็ได้ความจากจันว่าภายหลังจากที่เห็นระพินเชิดาและงแง่ทรายเงียบไปชั่วโมงเศษ็ดารินกะชยันก็เลยให้ขยินและจันตามหลังมาดูลาดเราทั้งห้าจึงเดินกลับมาด้วยกันแดดโรยอ่อนแสงลงเต็มทีเมื่อกลับมาถึงที่พักมาเรียนนอนหลับดารินกะชายันนั่งคอยปากทางช่องเขารอคอยการผูกลับมาของบุคคลเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้ว มีอาการปลอดโปร่งสบายใจขึ้นเมื่อเห็นทั้งห้าคนกลับเข้ามาถึงพร้อมๆกันดีแล้วล่ะที่กลับมาสักก่อนไปนานนักทางนี้เป็นห่วงแย่เลยอดีตนายทหารปืนใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นภายหลังจากเชษฐาเล่าถึงพื้นภูมิประเทศของอีกฝากหนึ่งให้ทราบแล้วหันมาทางระพินเนี่ยเห็นว่านานผิดปกตินะก็เลยให้ขยิงกระจันตามหลังไปทีแรกก็จะให้บุญคาไปแล้วละ่ะแต่มาคิดดูอีกที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 แต่เช็ดฐานปรามไว้นี่ปล่อยเขานอนตามสบายเหอะน้อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่บางทีตอนกลางคืนเขาอาจจะต้องคอยตื่นระวังให้เราก็ได้แล้วอย่างหนึง่งวันนี้นะ่ะเขาก็สะบักสะบอมมากพอมาแล้วพอคิดถึงเหตุผลที่พี่ชายพูดคุณหมอคนสวยขี่หาเรื่องก็เลยเห็นจริงด้วยระงับอารมณ์ที่คิดจะหาเรื่องแย่ลงซะถูกละวเขาคนนั้นทํางานหนักเหนือกว่าทุกคน และมีเวลาพักผ่อนน้อยที่สุดในบรรดาคณะพักทั้งหมดเพราะทุกชีวิตทุกสถานการณ์ล้วนตกอยู่ในความดูแลรับผิดชอบเพียงคนเดียวแต่งั้นก็ยังไม่ไวายบุญฮะอยู่ๆก็หนีไปนอนเฉยๆยงั้นแหละพวกเรายังนั่งคุยกันอยู่แท้ๆก็คงรำคาญคนปากมากคอยบล็อบอยู่เรื่อยมั้งชัยันก็อดไม่ได้เหมือนกันที่จะขับคอตามนิสัย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 แล้วเขาก็เผชิญกับคำถามของฝ่ายนายจ้างหลังจากทุกคนกินอาหารอิ่มหนำดีแล้วอนุชากนานอินเดินผ่านช่องเขาขาดนี้ไปก่อนเราใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นคำถามที่ออกจะไร้าสาระและเหตุผลเพียงใดก็ตามรพินไพรวันก็ให้อาภายัยและรู้สึกเข็งใจบุคคลเหล่านั้นเสมอเพราะความหวังของทุกคนล้วนฝากไว้ที่เขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีความรู้สึกอัดอั้นกระวนกระวายใจยังไงก็ต้องอาศัยเขา เป็นที่หารือหรือปลอบใจยอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ถามอย่างทารกชนิดนี้ก็คือชายันผมคิดว่าก็คงจะเป็นเช่นนั้นล่ะครับท่านใหญ่ไม่ทราบว่าจอดจะตอบยังไงดีไปกว่านี้ผมคิดว่าเมื่อสองคนนั่นมาถึงโอเอซิสที่ตั้งชื่อให้ว่าเกาะแห่งชีวิตก็แสดงว่าเขาบ่ายหน้ามันอย่างเส้นทางเดียวกับเราอยู่แล้วระยะจากโอเอซิสแห่งนั้น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 ที่มันจูงเราทุกคนให้ต้องเดินหน้าอย่างหันกลับไม่ได้อุปสรรคต่างๆที่เราฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยลาดับก็เหมือนกันเป็นเครื่องเพิ่มภูลกํำลังใจแกเราเหมือนจะเป็นการบอกอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราจะต้องสําเร็จผลที่ต้องการผมเองนอกจากจะเป็นพรานรับจ้างเลยอาชีพแล้วผมยังเป็นนักเล่นเกมของชีวิตด้วยตนเองอีกด้วยผมก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดเหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไง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 นั่นแหละคือมอรณะของชีวิตละครับป่าฝากโนนเท่าที่คุณเลาะสำรวจมาเห็นบอกว่ามันอุดมไปด้วยพืชและสัตว์ไม่ใช่เหรอครับเราก็เป็นป่าสงวนดุวรณานะอุทยานที่เขาเลี้ยงไว้ทีเดียวละครับก็แล้วทำไมทะเลสาบนั่นถึงถูกเรียกชื่อว่าทะเลสาบมรณะละ่ะเจ้าของคำถามให้ตอบยากนี้คือดารินวราฤทธิ์แน่ละมันทาให้พรานใหญ่อย่างระพินไพรวันต้องคิดอยู่นานทีเดียว ที่นั่นอาจจะมีสัตว์ร้ายอันตรายมากท่องเที่ยวหากินหรือสิงสู่อยู่แถวนั้นในที่สุดเขาจำเป็นต้องค้นหาคำตอบเราย้อนกลับไปดูภาพของผู้ขนานนามชื่อทะเลสาบแห่งนี้คือมังมหานรธาคนเกิดและอยู่เมื่อ400ปีก่อนยุคนั้นนะอาวุธของมนุษย์แน่แล้วครับคงไม่มีอำนาจเหมือนปืนของเราในสมัยนี้หรอกคนเราเมื่อขาดอาวุธหรืออานาจ ในการที่จะต่อสู้ป้องกันตัวจากสัตว์ ร, ร้ายซะแล้วเช่นนั้นอันตรายก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดาและนั่นกระมังที่มังมหานรธาเต็มใจที่จะตั้งชื่อทะเลสาบนั้นไว้ให้หน้ากลัวถึงเพียงนั้นแต่สำหรับพวกเราที่ตามหลังมาเมื่อ4ี่รอยปีล่วงไปแล้วเมื่อลูกปืนของเรามีแรงประทะโดยเฉลี่ยตั้งแต่5พันฟุตเปาขึ้นไปแทนที่จะเป็นหอกดาบหน้าไม้หรือธนู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 เห่าหอนลอยแววตามลมมาจักชะ ง, ง่อนเขาที่ใดที่หนึ่งและคนไปกระเสียงจตุรบาด ท, ที่ออกหากินอยู่ตามทุ่งหญ้าฝั่งตรงข้ามอย่างคึกคักนานๆครั้งพยักร์าร้คำรนโกนจะนาดกึกก้องกังวานมาแต่ไกลและสัระเจ้าสับประสัดน้อยใหญ่ที่มีอำนาจต่ำกว่าก็แตกกระจายตะเลิดหนีไปอย่างผวาหวาดหล่นลานและนั่น คือสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตที่พรานใหญ่ระพินได้บอกไว้กับคณะในจ้างของเขาซึ่งทุกคนไม่ได้พานพบมาเป็นเวลานานถ่ามกลางมรณะภัยอันน่าสยองกลัวของดินแดนที่ไม่มีนักท่องลารคนไหนประสบพบเห็นมาก่อนมันดูราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วภายหลังการพินาศของไทรันโนซัสเจ้าสัตว์โลกลานปีซึ่งคล้ายจะถูกบรรดาลขึ้นด้วยความอาถรรพ์ของดินแดนลึกๆ ต้องห้าและคืนนี้แหละที่เป็นอีกคืนหนึ่งของเสียงเพลงรักชาวเขาซึ่งกังวานแววแผ่วหวานคร้าวคละผสมผสานไปกับดุริยางพนาดารินวราฤทธ์เงี่ยโสดภาษาของเพลงและดนตรีย่อมจะเป็นภาษาสากลซึ่งเข้าซึ้งถึงวิญญาณของมนุษยชาติเท่ากันหมดในวิเวกหวานแห่งลำนำนั้น เข้าใจความหมายโดยไม่ต้องมีคำแปลจะมีใครอื่นถ้าไม่ใช่เจ้าหนุ่มแงซ า, ายคนนั้นเจ้าคนลึกลับเสมือนจะก้าวออกมาจากจินตนาการแห่งความฝันยามมะเชิญหน้ากับผงไผ่ก็สง่างามอาจองค์ราวกเทพบระบุแห่งสงครามยามสงบสารติสุข ก, ก็มีอารมณ์อันระรื่นหวานและกระแสเสียงเพลงไพเราะราวกับกาลเวก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 แต่ฉันก็พยายามย่องเข้ามาให้เบาที่สุดแล้วนะแต่จะให้กระโต้งฮ้อ ง, องพ่อพรานเอกตอนเผลอดูสักทนะีแต่ฉันก็ทําไม่สําเร็จ<อ>ก็อาจจะสําเร็จเหมือนกันครับถ้าคุณหญิงเดินเบากว่านี้อีกสักหน่อยถ้าคุณหญิงสามารถย่องเข้ามาทางด้านหลังของผมได้โดยที่ผมเซอร์ซ่าไม่ทันรู้ตัวทั้งๆ ท, ที่ตื่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ผมคงพาคณะของคุณหญิงไปให้เสือกินหมดแล้วล่ะไม่รอดกันมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้แล้วครับกล่าวจบก็หัวเราะ มองดูหล่อนเต็มตาข้าวหนานกล้านเกลียมนั้นบัดนี้แลดูอ่อนโยนขึ้นมีอะไรจะใช้ผมนะครับดารินยิ้มรื่นเหลือตามองไปยังคณะพักซึ่งนอนรวมกลุ่มเงียบสงบอยู่อีกครั้งเหมือนจะสำรวจให้แน่ใจว่าตกอยู่ในสายตาของใครหรือไม่และวางมือลงบนไหล่แข็งแรงของร่างที่นั่งต่ำกว่าไม่มีอะไรจะใช้หรอกคิดถึง อยากจะคุยด้วยก็เลยย่องมาหาบอกกันตรงๆอย่างนี้ดีไหมระพินกุมมือข้างที่วางบนไหล่ของเขาไวาย้ยิ้มตอบดีครับดีกว่าจะแก้เกอร์ออกลูกไม้ทําเป็นมาชวนทะเละหรือมาทํารวนโน่นรวนนี่อย่างเมื่อสมัยก่อนนี้ทั้งๆ ท, ที่โดยใจจริงก็อยากจะออกมาหาเรื่องผู้กันายระพินนั่นแหละอ๋อนี่แปลว่ารู้ทันมาตลอดงั้นเหรหล่อนร้อง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 คุณหญิงยิ่งตะโกนใส่หน้าว่าชิงชังผมเท่าไรผมก็มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ยินเช่นนั้นเพราะมันแปลว่าคุณหญิงไม่ได้เกลียดชังผมเลยมาเดี๋ยวนี้ซะอีกคุณหญิงบอกว่ารักผมผมกลับรับฟังด้วยความหวั่นไหวหวาดวิตกอยู่ตลอดเวลากลมันจะกลายเป็นตรงข้ามไปซะเมื่อไหรก็ไม่ทราบคิ้วงามข้างหนึ่งเลิกขึ้นพร้อมกับเอียงหน้าน้อยๆริมฝีปากพริ้มพรายไปได้วยรอยยิ้มเช่นกัน นี่ก็แปลว่าผู้หญิงจะต้องพูดหรือแสดงอะไรให้เป็นตรงข้ามกับความรู้สึกแท้จริงอยู่เสมอเช่นนั้นสิใช่ไหมในความรู้สึกของคุณคกอ็อาจไม่เสมอไปนักหรอกครับแต่สำหรับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินบาราริศคนนีนะ้เป็นเช่นนั้นครับนี่คุณอ่านฉันทะลุปลุกปงมาตลอดเหรอก็คงจะเหมือนกับที่คุณหญิงอ่านผมก็ไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจนักระมังครับที่ยังไม่เคยคิดนะ ว่าฉันจะอ่านอะไรคนหน้าตายหัวใจชาเป็นแท่งหินอย่างคุณได้ก็อ่านได้ยังไงครับว่าคนหน้าตายหัวใจชาเป็นแท่งหินคนนี้ไม่ว่าจะทำเป็นเตะท้าไม่สนใจใยดีก็น้องสาวคนสวยของนายจ้างสักเพียงไรก็ตามแต่หัวใจภายในนะ่ะร่ำร้องไฝ่ฝันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะหันหลังไม่ยอมมองแต่หัวใจก็ยังจดจ่ออยู่ตลอดเวลา ดารินเอาก้อนกรวดเล็กๆปลาไปที่อกเขาและพูดปนหัวเราะว่าเก่งนะเข้าใจพูดนี่เห็นทึ่มๆมนเป็นภาษาอย่างนี้เหอะลึกไม่หยอกขอบใจมากนะที่คืนนี้ไม่ทำเป็นเก็กหน้าปั้นท่าเคร่งขึงแล้วก็แกล้งทำเป็นไล่ฉันให้ไป น, นอนซะทำนองว่าถ้าไม่อยากจะสนใจยายดีด้วยโถ่คุณหญิงครับผมนะนั่งภาวนาระหว่างล้างเปยอยู่นี่ ก็ขอยคุณหญิงลุกจากที่นอนถ้าหัวใจของเราตรงกันจริงอะ่ะนี่อย่ามาทำปากดีไปหน่อยเลยที่มาตอนบ่ายนี้นะแอบหนีมันนอนซะดื้อๆนั่นแหละคุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับเขาพูดพร้อมกับถอนใจเบาๆคาวหน้าบงไปด้วยร่องรอยแห่งความสุขใจถึงแม้เราจะอยู่ใกล้ชิดกินด้วยกันนอนด้วยกันต่อสู้ผจญภัยเคียงบ่าเคียงไหลกันแต่เราก็เหมือนอยู่ห่างกันเหมือนขอบฟ้ากัน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 ต่นอนฝันถึงเจ้าหญิงของผมอยู่เงียบๆโดยไม่ให้ใครรู้อารมณ์หญิงอดไม่ได้ที่จะเอื้อมือมาผลักใสเบาๆตวัดหางตาคอนแต่ก็ไม่ไหวยิ้มเป็นภาพที่งามประทับใจที่สุดสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งที่จ้องประสานตามองดูอย่างดื่มดหมันใส่ได้ทีแล้วก็จีบใหญ่นะบทจะพูดให้เคลิ้มกันแล้วก็ไม่มีใครเทียบเหมือนกัน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 หรือตัดสินปัญหาส่วนตัวอย่างมากที่สุดเมื่อฉันเกิดปัญหาเขาก็เพียงจานแค่แนะนําเท่านั้นแหละถ้าฉันขอความเห็นจากเขาถึงพี่ใหญ่เองฉันก็รู้นะว่าเขารักคุณมากรักเหมือนญาติสนิทหรือพี่น้องทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกถ้าจะเกิดปัญหาก็อย่างเดียวเท่านั้นแหละหัวใจของเราไงเราซื่อตรงต่อกันจริงหรือเปล่าเท่านั้นลแล้วเราจริงใจต่อกันหรือเปล่าละครคุณหญิง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 และจูบให้ทั่วทั้งตัวแม้แต่ปลายเท้าของหม่อมราชวงศ์สาวผู้งามน้ำใจใบหน้าของเขาเคร่งครึมลงเพราะใช้ความคิดหนะักคุณหญิงครับผมบอกคุณหญิงแล้วนะครับว่าผมไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉุดคุณหญิงลงต่าทำไมคุณอยู่บาดาล น, นี้ยังไงนะถึงจะพลอยฉุดฉันให้ลงต่าอย่างที่ว่านะดารินร้องออกมาอย่างฉิวฉิวทหน้าเงา มหมายถึงในด้านฐานะสภาพในสังคมระหว่างผมกับคุณหญิงอะ่ะฉันรวยแล้วคุณจนงั้นเหรอใช่ครับถึงแม้ว่าคุณจะถือตัวยิงในศักดิ์ศรีของตนเองอยังไงก็ตามนะคุณก็ไม่น่าจะถือฐานะของฉันมาเป็นเครื่องกีดขันระหว่างเราทั้งสองเลยนี่นี่เม่อฉันก็ก็รู้อยู่กับตัวเองดีว่าคุณไม่รักไม่ได้รักฉันตรงที่ฉันร่ํารวยหรือว่ามีสกุลดุลชาติอันสูงส่งอะไรทั้งสิน้น ครับคุณหญิงรู้แต่คนอื่นสังคมสิครับเขาไม่รู้คุณแคร์สังคมหรือคนอื่นๆมากกว่าผู้หญิงที่คนรักยังงั้นเหรอคำถามชนิดนั้นทำเอาเขาเงียบงันตะลึงไปดาริงเปล่าต่อมาว่าตรงข้ามนะควรจะเป็นการดีสำหรับเราซสอีกในการที่ฝ่ายหนึ่งคือฉันมีฐานะในทางสังคมดีเราจะได้ฉุดประคองกันขึ้นไป อย่างอื่นๆนะมันเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกเท่านั้นนะแกนแท้ก็คือความเข้าใจเห็นใจระหว่างเราทั้งสองคุณก็ไม่ได้ต่ําต้อยยังเกินไปนักนี่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ด้วยการพึ่งพาอาศัยใครทั้งสิน้นคุณยืนอยู่ด้วยลําแข้งของคุณเองอย่างมีเกียรติะด้วยเกียรติของลูกผู้ชายชารตรีแม้ว่าคุณจะไม่ร่ารวยเหมือนฉันก็จะแปลกอะไรถ้าฉันจเจ้าเงินเป็นเครื่องวัดเกียรติยศและความพอใจแล้วก็ฮป่านนี้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 ก่อนที่จะชี้ขาดอะไรลงไปซึ่งระยะเวลาระหว่างนี้เปิดโอกาสให้แกเราทั้งสองฝ่ายจะได้ใช้ใกล้ครวนให้รอบคอบอีกด้วยผมรักคุณหญิงมากแต่ผมก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและปกตินิสัยก็เป็นคนผิดหวังมาตลอดเวลาจนมักจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอเมื่อวันเวลานั้นมาถึงคุณหญิงอาจคิดได้ว่าชันนี่ช่างตามืดมัวซะนี่กอะไร ที่ไปให้สัญญารักกระพรานป่าต่ำจากคนหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยขณะนี้ให้ผมมีความสุขทางใจไปเงียบเียบตามลาพังก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นกาลังใจให้ผมบุกบัน่นฟันฝ่ารับใช้คณะของคุณหญิงต่อไปเดยไม่ย่อท้อจนกว่าตัวจะตายหรือจนกว่าจะสำเร็จผลดารินพินิษมองดูฝ่ายตรงข้ามด้วยแววตาอันมีประกายลึกผู้กอง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 เราพูดเผื่อว่ายังไงล่ะครับอืมก็ดีเหมือนกันนะหญิงสาวกล่าวช้าๆพยักหน้าเนบเนบชายมองเมินด้วยหางตาใครจะรู้ได้ไม่ต้องถึงกรุงเทพของฝ่ายฉันหรอกเพียงแค่เรากลับไปถึงหนองน้ำแห้งบ้านคุณนะ่ะถ้าบังเอิญมีคุณแสงโสมมารอรับพระพินไร้วันอยู่ที่นั่นแล้วพรารพินก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนใจได้เหมือนกันกล่าวจบหล่อนก็ผดลุกขึ้นยืน แต่แล้วก็ชะ ง, งักก้าวเดินผละไปไม่ได้เพราะอุ้ง ม, มือที่อบอุ่นแข็งแรงคว้าข้อมือไว้ซักยึดมัน่นอย่างงอนสิครับเสียบุคลิกของหมอดารินหมดเสียงนั้นนุ่มมีกระแสอดอ้อนเอาใจและยาวๆาวระคนกันพร้อมกับผู้ชุดข้อมือก็ลุกขึ้นยืนเคียงข้างกุมมือเกาะกุมข้อมือน้องสาวคนสวยของนายจ้างไวแน่นกระชับ อีกฝ่ายปั้นหน้าเคร่งเหลียวมาชายตามองข้ามไหลของตนเองแต่แล้วก็ฝืนทำหน้าเคร่งอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้านั้นพลอยให้ต้องหัวเราะออกมาอย่างกระดักกระดักเงาๆงาบา้าหลอนอุบอิบแต่ก็ยังยอมให้กลุมมืออยู่ตามเดิมรละพิงจุงหม่อมราชวงศ์สาวเดินพ้นกองไฟ ระพิงจูงมือหม่อมราชวงศ์สาวเดินพ้นกองไฟรับเหลี่ยมโคดหินลูกหนึ่งออกมาให้พ้นจากสายตาทั้งปวงของผู้ที่ร่วมแคมป์อยู่ในขณะ น, นี้ถ้าหากบังเอิญจะมีสายตาใดคอยจับสังเกตอยู่แล้วและทั้งสองก็ยืนจ้องตากันอยู่ตามลำพังสองต่อสองทมกลางแสงเดือนอันสกาวในที่แวดล้อมของธรรมชาติสวยสุดงดงามรอบด้านประหนึ่งแมนสวงความเยือกเย็นของอากาศ ไม่อาจาแพ่วพานเข้ามารบกวนราวีได้ในเมื่อสองหัวใจระอุอุ่นอยู่ด้วยไอยรักระพินเปลี่ยนมือทั้งสองมาจับไหล่หล่อนไว้ดึงเข้ามาแนบกายอย่างแผ่วเบาร่างนั้นมีอาการเหมือนจะฝืนอยู่นิดหนึ่งแต่แล้วก็วางศีรษะลงพิงก็ไหล่คุณคงไม่เชื่อหรอกนะคะระพินว่าฉันน่รักคุณเพียงไหนความผิดหวังชอกช้ำที่คุณได้รับจากผู้หญิงคนหนึ่ง ทำให้คุณประมาณค่าตีราคาน้ำใจของผู้หญิงต่ำไปหมดทุกคนแต่เอาเถอะเราไม่จำเป็นจะต้องให้คํามั่นสัญญาอะไรต่อกันหรอกเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่ฉันอาจเปลี่ยนหรือหักใจไปจากคุณได้เหมือนกันและเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงคุณจะได้ไม่เจ็บปวดนักเพราะเราไม่มีคํามั่นใดๆต่อกันไว้ระพินสวมกอดดารินไว้แน่นกระชับที่สุด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 ระพินไตรวันหน้าผือดลงรีบจับมือของหล่อนมาประคองแนบแก้มไว้กล่าวโดยเร็วว่าผมเสียใจครับคุณหญิงผมอาจพูดผิดไปโดยไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเป็นความจริงที่ผมเคารพคาระวะคุณชายเชษฐไทอย่างที่สุดและเห็นว่าคุณชายเป็นสุภาพบุรุษผู้งามน้ำใจพร้อมทุกประการผมอาจจะคิดเลยเถิดไปไกลตามระสาคนที่มองเห็นโลกในแง่ร้ายเกินไป ผมก็เชื่อเหมือนกันว่าคุณชายจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าท่านจะพอใจท่านอาจจะโอบไหลผมด้วยความเมตตาและพูดอย่างอ่อนโยนกรุณากับผมก็ได้ว่านี่ระพินจะมารักน้องสาวของฉันนะ่ะฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ควรจะตักน้าใส่กระโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาตนเองซะก่อนเป็นไรหรือฉะนั้นก็อาจจะพูดอย่างลูกผู้ชายว่าหมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริศนะ่ มีอนาคตดีกว่าที่จะมาร่วมหัวจมท้ายอยู่กับพรานตายอย่างนายนะจงเลิกลมความคิดซะเถอะแค่นี้เองครับหัวใจของนายระพินทร์ไพร์วันก็จงคงถูกบดเป็นฝุ่นราชสกุลสาวสันรีษะแช่มช้าถอนใจเบาๆนี่ระพินฉันกล้ารับรองนะว่าคุณจะไม่พบกิริยาหรือวาจาทำนองนั้นจากพี่ใหญ่เลยถ้าฉันอายุเพียงสิบเจ็ดสิบปด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 ไม่รู้รอกว่าพี่ใหญ่นะ่ะตัวร้ายเหมือนกันก็ไม่ยอมให้ใครมาหลอกเขาได้สำเร็จหรอกสรุปว่าเขาเหนือกว่าคุณหรือแงซายซะอีกแต่เก็บเงียบไม่พูดอะไรเพียงแต่ตาดูหูฟังเท่านั้นถ้าคุณเป็นขงเบ้งแงซายเป็นบางทองพี่ใหญ่ก็เล่าปีเราดีๆนี่แหละรู้ไว้ซะด้วยไม่งั้นเขาไม่ใช้ทั้งคุณและแงซายมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้หรอกกระพินเป่าลมออกจากปากคพูดของดาริน เขาไม่เห็นว่าเป็นการพูดเล่นอย่างไร้สาระมันน่าจะเป็นจริงอย่างที่หล่อนพูดนั่นแหละคุณหญิงพูดทำํำมาผมสะดุ้งใช่แล้วล่ะเขาพูดขึ้นอย่างเริ่มอึดอัดใจหัวเราะกร่อยๆคุณหญิงทราบได้ยังไงล่ะครับว่าคุณชายทราบเรื่องราวอะไรระหว่างเรานี่น่ะจะรู้ก็แล้วกันสายตาของพี่ใหญ่นะ่ะคําพูดในในของเขาทําไมฉันจะไม่รู้ฉันก็ไม่ได้โง่เกินไปนักนี่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 พี่ใหญ่ก็ก็สงวนท่าทีทําเฉยซะจนแม้แต่คุณก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ํากระทั่งฉันบอกให้เนี่ยคุณชายคงเกลียดที่หน้าผมพี่ลึกละถ้าเขาเกลียดยังคุณเลยจะจับความรู้สึกในด้านนั้นของเขาไม่ได้ตรงข้ามฉันก็เห็นว่าเขารักและไว้วางใจคุณดีที่สุดนับวันก็จะยิ่งเพิ่มทวีขึ้นทุกขณะแล้วคุณเห็นนหรอว่าตลอดเวลามานะ่ะเขาเมียมีอาการอะไรที่อัตติต่อคุณนะผมคนไม่พบครับ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 โธ่คุณจะต้องเดือดร้อนอะไรเ้าก็ไม่เห็นว่าอะไรคุณสักหน่อยนี่และที่คุณหญิงคิดเถอะครับว่าคุณชายมองเห็นการเคลื่อนไหวของเราขณะนี้เชื่อว่าเขาต้องเห็นนะอาจแกล้งทาเป็นหลับแล้วคอยสังเกตมองอยู่ก็ได้และคุณหญิงรู้ตัวดีอยู่แล้วอ่ะกล้าออกมาหาผมได้ยังไงกันเนี่ยราชสกุลสาวยักษ์ไหลเอา้าก็ทำไมจะต้องไม่กล้าด้วยล่ะนึก่ชั้นก็ไม่ได้ทาผิดคิดร้ายอะไรกับใคร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 คุณชายเคยถามอะไรคุณหญิงบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของเรากระพินพูดเป็นงานเป็นการขึ้นอาการเริ่มไม่เป็นสุขดารินยิม้มเขาก็ไม่ได้ถามอะไรตรงๆหรอกนะแต่ชากระทบเป็นในๆอยู่เสมอเขาก็อยากจะแสดงให้ฉันรู้สึกเหมือนกันว่าอย่นลอกเขาเลยไม่สาเร็จหรอกแต่พี่ใหญ่เขาเป็นคนดีมากนะระพินเขาไม่แคลไลอะไรฉันเกินไปนักเพียงแต่พูดเป็นในๆบ้างเท่านั้นแหละ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 แล้วคุณชัยยานล่ะครับรายนั้ น, นไม่สงสัยอะไรหรอกแต่ที่แน่แน่ก็คือเขาพอใจคุณมากเหมือนกันไม่เห็นเลฉจะเล่นงานอะไรคุณทีไรอ่ะตาชั ย, ยัา น, นออกรับหน้าแทนทุกทีเจ้ากระพินมองดูแม่ดอกฟ้าของเขาเต็มตาด้วยความรู้สึกอันวันไหวละคนชื่นสุขราชสกุลสาวผู้นี้มีความเด็ดเดี่ยวและเชื่อมั่นในตนเองเป็นสมบัติประจาตนเสมอต้นเสมอปลาย ลุงว่าได้ตัดสินใจยังไงลงไปแล้วเป็นปราศจากความลังเลเหาะแหละแม้แต่น้อยผิดไปจากนิสัยของสตรีทั่วไปเขาเห็นมาแต่ต้นเมื่อแรกพบแล้วไม่ว่าจะท่าอันเ ย, อย่อหยิงแข็งกร้าวในยามเป็นอริหรือความอ่อนหวานพักดีอย่างมั่นคงในยามรักแต่สิ่งที่ผู้ชายฐานะต่ำอย่างเขาจะพึงควรคำนึงให้มากที่สุดก็คือบุคลิกอันเป็นผู้นำและผู้วงการของหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้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 เขาเอาเปรียบและฉกเฉยโอกาสจากหล่อนมากเกินไประหว่างที่ฝ่ายหนึ่งเงียบเฉยไปด้วยความคิดคำนึงจากสมองและวิญญาณอันสูงส่งอีกฝ่ายหนึ่งพินิษอย่างคลางแคลงกังขาดูเหมือนจะจับความผิดปกติจากอาการของเขาได้เอื้อมมือมาเขย่าไหลเบาๆระพีนหล่อนร้องเสียงสูงอย่างแปลกใจขมวดคิ้วจ้องหน้า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 ทำไมคุณเกิดความขลาดกลัวขึ้นมาใชแล้วเหรอเมื่อฉันบอกความจริงให้รู้ว่าพี่ใหญ่รักแค่ราคายเรื่องราวของเรามันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับอาการของคุณมีกังวลและเมือนๆกับฉันอยู่นะรพินแทนคำกล่าวใดๆทั้งสิน้นระพินรวบเอาร่างนั้นเข้ามาไว้ในวงแขนและประทับจูบหนักหน่วงบนริมฝีปากดารินรับรอยจูบนั้นอย่างเต็มใจ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 ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าพี่ชายเขาจับตาสังเกตยอยู่ก็ยังกล้าที่จะดึงเนองสาวของเขาเข้ามากอดแนบหัวใจอยู่อย่างนี้แต่อย่าให้มันเนิ่นานานกว่านี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็โปรดอย่าหาว่าไล่ด้วยนะครับดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายดวงตาฉ่ำไปด้วยประกายชื่นบีบมือเขาแน่นอย่างมีความหมายค่ะฉันจะไม่ขัดใจคุณสักครั้งเ พ, พื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเราต่างฝ่าย ต่างขึ้นอยู่กัเหตุผลนิตาสวัสด์นะคะรานที่รักของฉันระพินไพรวันชิดเท้าตรงก้มศีรษะโค้งต่ำให้ดารินมองอยู่อีกอึดใจก็พลักเดินกลับไปในบริเวณที่พักนอนยุงทองล่องฟ้าเมขินทวินหวังไอดินโบกบินผินสูพัสุธา ดอกฟ้าโน้มกิ่งลงมาจากสวรรค์อาพาให้ดินปรีดาอาวรล้ำนำเพลงรักอันเงียบหายไปชั่วขณะนั้นบัดนี้แววววิเ ว, ว, วขึ้นอีกแล้วด้วยกระแสทุ้มแผ่วมันดังมาจากซอกหินมุมใดมุมหนึ่งใกล้ๆก้เบื้องหลังร่างที่ยังยืนนิ่งอยู่ของเขานั่นเอง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 จนห่างกันเพียงแค่ศอกเดียวสามารถมองหินดวงตาของกันและกันได้ในแสงเงินหยวงนั้นนำเสียงกระซิบกระซาบที่กล่าวต่อมามีกระแสตื่นเต้นจริงจังขึ้นผู้กองครับจะต้องทุกข์ร้อนกังวลใจไปทำไมล่ะครับที่โน่นแง่สายชีมือประกอบคำพูดมรกตนาคร ความมั่งคั่งเป็นมหาเศรษฐีรอคอยผู้กองอยู่แล้วถ้าหากว่าผู้กองปรารถนานะครับฉันไม่เข้าใจที่แกพูดยิมนั้นกว้างออกไปอีกผู้กองครับเพชรพลอยอั ญ, ญมณีอันมีค่าและทองคําอันเป็นมหาสมบัติของพระอุมาเทวียังไงละครับมหาสมบัติอันนั้นนับซึ่งเป็นความปรารถนาของมนุษย์มาตลอดศตวรรษ ผู้กองลืมช่แล้วหรอครับว่าที่ผู้กองเดินทางบากบัน่นมาในครั้งนี้เนะ่เพื่ออะไรจอมพรานหัวร้อฮือในลาคอพร้อมกันยักไหลฉันเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามค้นหาบุคคลสาบศูนย์เท่านั้นนะแง่ใจและสิ่งที่ปรารถนาก็คือราคาค่าจ้างซึ่งฉันได้รับไปแล้วไม่ได้ปรารถนาอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นนี่คือความจริงใจของฉัน ก็แล้วบุคคลสาบสูญที่ผู้กองนำทางค้นหาอยู่ในขณะนี้ละครับเขาต้องการอะไรบุคคลสาบสูญก่อนๆ น, นั้นละ่ะอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับคนเหล่านั้นเสี่ยงต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่ออะไรเงยสายกล่าวต่อมาโดยเร็วเลือกระแสเสียงผิดไปกว่าทุกครั้งตาเป็นประกายวาวคมกล้าผู้กองคงไม่เชื่อแล้วมั้งครับ ว่าขุ่มเพชรพระอุมาหนามีอยู่จริงๆยังเหนื่อยหน่ายระอาใจระพินไครวันตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยเนยว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันที่ฉันได้ยินคำนี้ออกมาจากปากของแกอีกคนนอกเหนือจากที่เคยได้ยินมาก่อนแล้วจนขี้หูตันแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้พวกเราทั้งหมดเดินทางกันมาจนกว่าครึ่งข้อนทางแล้วฉันก็ยังบอกตัวเองไม่ถูกว่าเราจะบ่ายหน้ากันไป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 ตรงตามกำหนดที่ลายแทงระบุไว้ก็ตามอีกไม่นานนักเราจะได้รู้กันครับว่าเราจะค้นพบทางหรือไม่ทำไมจะแน่ใจเหรอว่าเราจะค้นพบเมื่อผมมีผู้กองยืนอยู่เคียงข้างครับผมแน่ใจภายหลังจากนิ่งกันไปครู่ ระพินก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำจริงจังว่าเหน่าสายสมมุตินะสมมุติว่าถ้าแกรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับมรกรกนครหรือกลุ่มเพชรพระอุมามากกว่าเท่าที่ฉันได้ยินมาแล้วในลักษณะนิยายปรำปราก็ทำไมแกไม่ให้รายงานกับฉันเสเดี๋ยวนี้ล่ะมันจะเป็นการสะดวกต่อ ง, งานค้นหาของเราอีกม า, ากแาบใดก็ตามที่แกก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งยวด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 ย้อนหลังจากปัจจุบันาการของโลกภูมิศาสตร์ไปนานสักเท่าใดก็สุดที่จะคันเนได้บางที่มรกรนครอาจเป็นเสมือนนิทรานครแหล่งที่สองผิดกันแต่เพียงว่านิทรานครนั้นได้ะ ล, ล่มล่มลงและตายแล้วแต่มรกรนครยังดำรงอยู่มีบ้านเมืองประชากรมีปราสาทราชมนเทียนและแน่ละ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 จะต้องถึงการหายณะเห็นทันตาความศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ปรากฏให้เห็นมาแล้วทุกยุคทุกสมัยจนไม่มีผู้ใดในมรกฏนครกล้าแม้แต่กษัตริย์ทรราชที่เหี้ยมโหดและแข็งแกร่งที่สุดผู้พยายามจะนำออกมาเป็นทรัพย์เชิญตัวก็ถึงแต่ความพินาศไปแล้วหลายองค์ขุมเพชรพระอุมาจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวมรกรนครทั้งหมดถือเป็นสิ่งศักระบูชา ฉันเชื่อว่าสิ่งที่แกเล่าฉันฟังแกได้รับการบอกเล่าต่อมาจากพระธุดง์ที่เลี้ยงแก่มาซึ่งก็มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างลงกระจดหมายเหตุประ ก, กอบลายแทงของมังมาหาราชธารมัยพระธุดงองค์นั้นน่ะท่านเคยเหยียบย่างไปถึงดินแดนนั้นแล้วเหรอือไงใสา่ท่านไม่ได้บอกผมว่าท่านได้ไปถึงดินแดนนั้นแล้วหรือไม่นะครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้ว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 ที่เราเหยียบย่างเข้าสู่อาณาจากักรแล้วเขาจะต้อนรับเราเหรอผมไม่ใกล้คำรับรองเลยครับมันสุดแล้วแต่ผู้นำของเขาคือกษัตริย์ที่ทรงอำนาจปกครองอยู่แต่ผมคิดว่ายากมากพระชาวมรกรทุกคนย่อมรู้ดีถึงวัตถุประสงค์ของการมาของมนุษย์ต่างแดนเสมอว่าปรารถนาอะไรมนุษย์เหล่านี้เต็มไปได้วยความโลภโมโสัน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 แกคิดว่าทั้งสองคนนั้นผ่านเข้าถึงอาณาจักรได้หรือไม่แล้วถ้าผ่านเข้าไปได้ทั้งสองคนจะตกอยู่ในภาวะไหนเรื่องนี้ผมเดาไม่ถูกครับผู้ ก, กองมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องตามเขาต่อไปจนกว่าจะเห็นกระตาผมเชื่อว่าอาถรรพ์รอบนอกของมรกนครสลายตัวและเบิดเปิดทางให้แกเราแล้วก็เหลืออยู่อีกเพียงชั้นเดียวเท่านั้นนะครับคือไปให้ถึงเนินพระจันทร์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 ได้บุกบันฟันฟ่ากันจนถึงเหยียบเข้าสู่ดินแดนนั้นได้แล้วก็คนรจะได้รับผลตอบแทนจนคุ้มค่าคือพบบุคคลสาบสูญที่กําลังค้นหากันอยู่ในขณะนี้ได้ได้รับความร่ํารวยจากแหล่งมหาสมบัตินั้นทั่วทุกคนเอาละเอาละ่ะงั้นเรามาลองเสี่ยงดวงชะตาชีวิตกันอีกครั้งแกไม่ต้องพูดจาหวานล้อมใดๆเพื่อกระตุ้นตื่นให้ฉันนาคณะทั้งหมดเดินหน้ารอกเพราะถึงยังไงชั้นก็ไม่มีวันถอยหลังเปน็นอันขาด แต่เขาบอกวความจริงใจไว้ต่อหน้าแกเดี๋ยวนี้เลยนะว่าฉันน่ะไม่ได้ปราถ น, นามาหาสมบัติใดๆทั้งสิ้นในการนำทางครั้งนี้ต้องการอย่างเดียวเพียงให้งานสำเร็จผลได้ตัวนายชดประชากรคืนมาเท่านั้นถึงคณะเจ้านายทุกคนฉันก็เชื่อว่าเขาเลิกคิดฝันถึงเพชรพระอุมาอะไรนั่นไปนานแล้วลนอกจากติดตามหาตัวคนหายไปเราต้องการเพียงได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้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 แล้วหันกลับเดินผักหันไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริเวณแคมป์ที่พักทุกคนลืมตาขึ้นมาพบกับวันใหม่ด้วยอาการอันแช่มชื้นกระปรี้กระเลราหมอดารินศักดิ์ติดเสมอในด้านการเยียวยาและขาดคะเนอาการของคนป่วยมารียฮอฟมันผู้ซึ่งเมื่อตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานอนหลับเป็นตายเพราะถูกสะกดไว้ด้วยยาระงับประสาทในเช้านี้หลอนตนื่นขึ้นมาหลังทุกคนก็จริง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 ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะและโดยปกติเมก็เป็นคนทรหดมีน้ำอดน้ำทนดีอยู่แล้วภูมิคุ้มกันในร่างกายก็สูงเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดีเหรอฉันหลับไม่รู้เรื่องเลยตลอดเช้านาเรียถามทุกคนขึ้นครับเป็นคืนที่สงบสุขและนอนกันได้สบายที่สุดนับตั้งแต่ออกจากกลุมช้างมาใช่ไครับชยยันตอบเพราะตนเองก็นอนหลับเป็นตายเหมือนกัน โดยไม่ได้สะดุ้งผวาขึ้นมาด้วยเหตุการณ์อันทำให้ตรหนกใดๆจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นขบวนทั้งหมดก็เดินผ่านช่องเขาเพื่อบ่ายหน้าทะลุมาสู่อีกฟากหนึ่งของแผ่นดินซึ่งรพินเชิดถาและงแงซายได้ล่วงหน้ามาสังเกตลาดเราไว้ก่อนแล้วตั้งแต่บ่ายวานทิ้งซุกทิ้งทุกอย่างที่ผ่านประจุมาให้เป็นอดีตไว้เบื้องหลัง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 ผู้ที่เดินสะกดท้ายกลายเป็นพรานใหญ่ระพินไปในขณะที่แงซายเป็นมักคูเทศหัวแถวต่างมาหยุดรวมหมู่กันอีกครั้งเมื่อสุดปลายทางก่อนที่จะตายลงสู่พื้นราบเบื้องหลังทุกคนที่เพิ่งจะเห็นชัดเป็นครั้งแรกในเช้าวันนี้ต่างจ้องมองดูทัศนียภาพนั้นด้วยความตื่นงงพิศวงระหว่างที่ยังยืนรอระพินผู้เดินตามมาเบื้องหลังเชิถาชี้อธิบายภูมิประเทศ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 และบายหน้าตัดเข้าสูุรเะมาะไม้ลักษณะประหลาดทุกคนสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ประเภทตีนกีบย่ำไว้เป็นเถือกรากะรอยสัตว์เลี้ยงตามทุ่งนาบอกให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตในละแวกนี้มันเป็นรอยใหม่ๆที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองแม้ว่ายามเช้าตะวันเริ่มขึ้นเช่นขณะ น, นี้จะพากันหลีกเร้นซ่อนตัวกันไปหมดทําให้แลดูเหมือนภูมิประเทศรา้างก็ตามพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายพอมองเห็นเข้าก็ตาลุก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 บุญคำไม่ค่อยจะชอบเลยพวดพลาดปาหน้ากันเข้าเมื่อไรเป็นได้แล่นกันทุ่งกระเจิงอีกประโยคหลังแกพูดอ่อยๆบุยปากสะ ก, กิดให้ชัยันดูรอยเท้าชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่เนื้อปลักเล็กๆมีรอยญ่าเอ็นราบแหลกยับเปลี่ยนแปลงอดีตนายทหารปืนใหญ่มองตามแล้วยิ้มถ้าเริ่มออกเดินป่ามาในระยะต้นชายันก็คงต้องตาเหลือกขวัญหนีดีฟอไปเหมือนกันสาหรับรอยเท้าชนิดนั้น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 แล้วก็ไม่ใช่พวกดูร้ายแต่ระวังหน่อยก็ดีถ้าเจอะในระยะกระทันหันจวนตัวก็อาจจะมีอันตรายได้เหมือนกันยิ่งใกล้ละเมะอันเป็นดงค่อนข้างทึบเข้าไปเท่าไหร่พื้นดินก็เริ่มจะแฉะน้ำและต้นหญ้าขุนมีระดับสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งมีระดับเกือบท่วมสีสระทำให้ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ถนัดนักทั้งหมดบุกแวกไปตามป่าหญ้าขุนอย่างระมัดระวัง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 เดินนําหน้าฟันแหวดทางหญ้าขนที่ขึ้นแน่นทึบเหล่านั้นลึกเข้าไปเป็นลําดับเสียงฝีเท้าของทั้งสิบสองคนแม้จะพยายามเดินกันอย่างเบาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อบุกเข้าไปในดงหญ้าท่านตลางความเงียบเช่นนี้ก็ปรากฏเสียงสวบสาบอื้ออึงไปหมดสองหรือสามครั้งในระหว่างที่แวดทางกันเข้าไปมีเสียงสัตว์ใหญ่ที่แหลมไม่เห็นตัววิง่งตะเลืดด้วยความตกใจ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 และดูเหมือนเขาอันมากมายยืนคล่อมอยู่กลางน้ำและมีช่องว่างระหว่างรากต่อรากและทะรุปูโปรงอยู่ทั่วไปสลับกับพื้นน้ำชนิดลม้มลุกซึ่งขึ้นรวมกลุ่มอยู่เป็นหย่อมย่อมเมื่อล่วงเข้ามาในบริเวณของมันแสงสว่างของตะวันยามเช้าที่เจิดจ้าอยู่ยังทุ่งเบื้องนอกถุกกิ่งใบอันแผ่เบียดเยดประสานกันเหนือศีษะเบื้องบนอําพรางให้คลึมสลัวลงแต่ก็ไม่ถึงกับมืดจนเกินไปนัก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 ผิดกันที่ลักษณะของต้นไม้ปแปลกๆพวกนี้เท่านั้นรพินยังไม่ตอบอะไรในขณะนั้นสงสะเก็ดเปลือกไม้ที่ถากออกไปให้มารีอาฮอบมันหน้าก็ยังสอดใส่สำรวจสูงต่ำอยู่เช่นเดิมแมมซาวรับเปลือกไม้ชิ้นนั้นไปพิจารณาแล้วเคลื่อนเข้าไปตรวจตรงแผลที่พานใหญ่ถากไว้เมื่อคืนวันซืนนี้ฝนตกหนักมากดารินเอ่ยทาลายความเงียบขึ้นอีกคนนึงอย่างแผ่วเบา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 สังเกตที่รอยคราบของระดับน้ำที่ปรากฏอยู่บนรากไม้นั่นด้วยดิมันมีขึ้นและลงเหมือนกันสภาพของมันคล้ายๆปาสมิดแถบใต้ทะเลหรือยังไงผู้กองประโยคท้ายชัยันหันไปฟังความเห็นจากจอมพรานผู้นิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาระพินกัดริมฝีปากนิดหนึง่งอาการเต็มไปได้วยความขรุนคิดผมอยากจะเชื่อนะครับว่าโรคใต้ทะเลสาบมรณะเข้ามามากที่สุด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 จะเคลื่อนมาที่นี่แล้วเขาก็หันมาทางมาเรียผู้บัดี้ยืนแงนมองดูลักษณะของยอดไม้ที่รากแข็งงอกอยู่รุ่นร่ามโคนต้นพอดีแม่มสาวหันมาสบตาคุณคิดยังไงเม่ในตาสีดอกผักตบคู่นั้นรี่ลงฉันไม่อยากจะคิดอะไรเลยสักอย่างนะไพวันตั้งแต่เราผ่านดินแดนนิทรานครมาสภาพของต้นไม้ก้อนหินและสัต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 ระพินหันมามองเชิถฐาเหมือนจะขอความเห็นท่านหัวหน้าคณะก็พยักหน้าตบไหลเบาๆอะเดินหน้าต่อหาทางไปให้ดีก็แล้วกันแล้วก็รักษาระดับน้าในแนวเดิมของพวกเราไว้ดีด้วยละ่ะไปเขาลงห้วยเดินดงกันม า, มากแล้วนี่ใหญถึงก็ต้องว่ายน้าไปเลยนะนายพรานดารินรีบบอกมาโดยเร็วอีกคนหนึ่งแล้วตบที่แขนมาเรียสั่งว่าเม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 ที่ตื่นพร้อมกระพินซึ่งนำเคียงคู่ไปกับเชิฐาสกิจชี้นายจ้างของเขาสังเกตขึ้นไปกลางลำต้นของต้นไม้ต้นหนึ่งที่เดินผ่านอันปรากฏรอยหนาของดินโคลนหมัดมา ต, ติดอยู่ราวกับใครโกยใส่เสียมขึ้นไปป้ายไวย้ระดับมันสูงเหนือศีรษะทุกคนขึ้นไปประมาณสองว่าและนั่นดูเหมือนจะไม่ต้องบอกกันเชิฐาก็รู้ทันทีว่าเป็นรอยของช้างยักษ์ไดโนเทเรียม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 มีแต่เสียงเท้าทั้งสิบสองคู่ยำลุยน้ำอยู่จอมแจมทั้งหมดก็ต้องสะดุ้งสุดตัวและหยุดชะ ง, งักอยู่กับที่เหมือนถูกสะกดด้วยเสียงชนิดหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันดังอึ้งฉนันวันไหวสะท้อนก้องไปทั้งความเงียบสงักมันเป็นเสียงคล้ายคล้ายสิ่งอันใหญ่โตมหูลานและมีน้ำหนักมากที่สุดเลนลงไปกระทบน้ำเสียงตูมซาทันั้น พร้อมทั้งฝอยน้ําที่แผ่กระจายไปทั่วคางขาวที่เกาะอยู่บนยอดไม้แตกตื่นบินพลูทชงเสียงร้องแซกไปหมดขณะจิตใหญ่ๆที่ทั้ทงคณะพากันยืนนิ่งอยู่นั้นต่างสังเกตเห็นระลอกคลื่นกระเพื่อมพลายไล่ริ้วมาตามผิวน้ําที่เคยนิ่งสงบกระชอกระทบโคนต้นไม้อยู่ทั่วไปแม้ว่ามันจะไม่เป็นคลื่นใหญ่โตนักแต่ก็พอจะอยังทราบได้ทันทีว่า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 ตื่นมาเบาาว่ะรอบครอบมากๆนะระพินอย่าลืมนะว่าพวกเรามาครบทั้งกระบวนแบกหามของหนักมาด้วยมีหนำซ้ำยังต้องท่องน้าทำให้การเคลื่อนไหวช้ากว่าอยู่บนพื้นดินแห้งไม่มีคาตอบหรือปฏิกิริยาอย่างใดจากพรานใหญ่ทั้งสิน้นนอกจากคืบหน้าเป็นปกติด้วยอาการเยือกเย็นสงบครู่ใหญ่ต่อมาก็มาค้นพบสันเกาะกลางน้า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 ที่ทางโบราณศาสตร์เรียกกันว่า conifer tree พวกซุ้มกอที่ขึ้นอยู่ใต้ไม้ยืนต้นเหล่านั้นล้นวนเป็นพวกเฟิร์นดึกดำบันทั้งสิ้นบด้าริ่กลาดตามองไปรอบๆอย่างตื่นตื่นวันวันยังไงบอกไม่ถูกระยะที่ขึ้นมาเดินเลาะเรียบบนสันเกาะนี้เริ่มจะพ้นเขตดงทึบและเห็นท้องฟ้าและแสงแดดได้เป็นระยะหล่อนระวังตัวแจ ไม่ว่าจะเฉียดผ่านพันไม้ประเภทไหนกลัวว่าปกปับมันจะสัมแดงริดร้ายคุกคามขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยประสบมาก่อนแล้วรู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นมานิดนึงที่สามารถขึ้นมาเดินอยู่บนพื้นดินดอนได้ท่ามกลางน้ําที่หลอเลี้ยงอยู่รอบด้านทั่วไปแม้จะเห็นว่าเป็นระดับน้ําตื้นๆมองเห็นพื้นก็ตามขณะนี้สองสาวเดินอยู่ชิดกันหน้าขบวนหาอีกสามคู่เสียงโครมใหญ่เมตะ ก, กี้นะ่ะถอะว่าเสียงอะไร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 ดารินจ้องหน้าอีกฝ่ายกรเหม็งกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดฝืดอย่าทำล้อเล่นไปนะเมเสียงพูดของหลอนแทบจะไม่ได้ยินเธอเองก็น่าจะรู้อะไรดีที่สุดในหมู่พวกเรานะนี่ถ้าเห็นตาไม่ชอบคนยังไงแล้วก็เธอควรจะเตือนหรือบอกรรบพินจะล่วงหน้าดิไม่เดี๋ยวจวนตัวกระทันหันแกไขไม่ทันหรอกแห ม, ม่สาวยิ้มให้เอื้อมมือมาจับแขนหมอดารินอย่างปลอบใจน้อยไว้ใจคนนั้นเ่ะ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 สุดลูกหูลูกตาประดุดทะเลใหญ่ขวางอยู่เบื้องหน้ายามนี้ผิวน้าที่ไกลออกไปกระทบกับแสงตะวันยามสายสะท้อนเป็นเงาเลื่อมปากทางที่จะออกไปสู่แนวฝั่งเบื้องหน้านั้นมีลักษณะเหมือนสันดอนหรือแหลมอันเป็นส่วนของดินแดนที่ยื่นเป็นส่วนสูงเหนือระดับน้าริมฝั่งขึ้นมาแวดล้อมไปได้วยเงาของตัประเภทไวรัสและอโรกาเรียอันมีลักษณะเป็นสนยืนต้นขนาดใหญ่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 จนสุดชายฝั่งตลิงไม่อาจคืบหน้าต่อไปได้เว้นแต่จะลงท่องน้ำชายฝั่งตื้นตื่น น, นั้นแล้วหยุดยืนสำรวจภูมิภาพรอบตัวทั้งใกล้และไกลอีกครั้งพวกพลันพื้นเมืองปลดของลงจากไหลพักชั่วขณะพะับผ่าสิถ้าไมผิวน้ำ ม, มันถึงนิ่งไม่ยอมกระดิกอย่างนี้นี่แหละสลิ ป, ปี่ลากูนละในความเงียบงันนั้นใครคนหนึ่งทาลายดุษณียภาพ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 แตะติด ก, กับผิวน้ำเป็นผพพผ่ามัวเลือนลางเพราะระยะห่างเสียงพวกพลันพื้นเมืองซึ่งนั่งจับกลุ่มกันอยู่คุยกันแผ่วเบาต่อทัศนภาพที่เห็นพลันใหญ่งัดแผนที่กับเข็มทิศออกมาคลี่ออกอย่างทีท้วนรอบครอบเพื่อเทียบทิศแล้วบอกไปยังเชิด้าซึ่งกำลังส่องกล้องว่าขณะนี้เราอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลาสาบ ร, ราว45ดีกรี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 และผมตระหนักดีว่าเงซายมีความสามารถเพียงไรแต่สำหรับการจับเส้นทางเข้าหาแผนที่ในครั้งนี้คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงยิงอยู่เงซายอาจช่วยคุณบ้างในบางระยะแต่ก็เป็นการนำแบบปาฏิหาริยลมเพลมพัดปราศจากหลักเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นและมีคุณเป็นผู้ถือหลักเกณฑ์ในแผนที่ควบคุมไว้อีกทีนึงแผนที่ลายแทงฉบับที่คุณใช้เป็นหลักนันไม่มีใครสามารถอ่าน และเข้าใจมันได้ดีไปกว่าคุณหรอกทุกคนเพิ่งจะเข้าใจได้เดี๋ยวนี้เองว่าเหตุใดรพินจึงพยายามที่จะเข้ามาให้ถึงชายฝั่งทะเลาสา์เป็นอันดับแรกที่เป็นดังนั้นก็เพราะเขาต้องการจะเปรียบเทียบทิศทางและค้นหาเป้าหมายต่อไปให้แน่นอนยิ่งขึ้นโดยใช้ทะเลาสา์เป็นหลักนั่นเองและบัดนี้จอมพลันผู้ยิ่งยง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 รพินพูดช้าๆจากริมฝีปากที่ขาบซิก้าอยู่เขาดึงปากกามหมึกแห้งที่เน็บทัดหูอยู่เมื่อครู่นี้ออกมาอีกครั้งเต็มด้วยความมั่นใจเงยหน้าขึ้นมองไปทางด้านเหนือผ่านท้องน้ําไปยังทิวเขียวคลึมลิบลิอยู่เบื้องหน้าแล้วขอกล้องจากชัยยันมาส่องดูด้วยตนเองนิ่งเงียบไปครู่หนึง่งทําให้อีกสองคนที่มีกล้องอยู่ในมือพลอยส่องตามไปด้วยขอบเขาลิบลิ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 เป้าหมายในแผนที่คือตรงนี้ครับทุกคนตาเป็นประกายเชิดฐาดีดนิ้วเปาะออกมาชัดแล้วผู้กองจุดไม้ปลายทางมองเห็นอยู่แค่นี้ใต้เคียงความจริงเข้ามาทุกทีแล้วถ้าตัดจากที่นี่เป็นแนวเส้นตรงเราก็จะเข้าถึงทิวปีกรุฑที่เห็นอยู่ลิบลิบนั่นซึ่งห่างไม่มากนะักแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะข้ามทะเลสาบนี้ไปได้ดย ว, วิธีใด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 จรานาลงไปยังผิวน้ำตรงหน้าอันเป็นระดับน้ำตื้นและเห็นพื้นและพันไม้น้ำชนิดต่างๆขึ้นเต็มระดับจากชายตะลิ่งที่คณะทั้งหมดมาหยุดพักอยู่ยังจัดว่าเป็นบริเวณชายทะเลสาบ ท, ที่น้ำเอื่อท่วมถึงลึกประมาณสมฟุตและคงจะลาดลึกลงไปเป็นลำดับเมื่อห่างตะลิ่งออกไปสีของน้ำยังเห็นเป็นสีชาแก่ๆอยู่เช่นนั้นมันอาจจะเป็นเพราะลักษณะของดิน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 ผมจะได้บินสำรวจไปทั่วบริเวณท ะ, ล ะ, ทะเลาสาบนี่สะดวกขึ้นน้ำเป็นไงมั่งล่ะจิดสนิทเป็นปกติดีครับไหนลองค้นหาร่องรอยให้ดีทีเสียงตูมใหญ่เมื่อตะกี้นี่ก่อนที่เราจะมาถึงนี่มันเกิดจากอะไรชัยันเอ่ยขึ้นเบาและแน่ละทุกคนยังไม่ลืมเสียงน้ำแตกสนันเมื่อครู่ใหญ่นี้ระหว่างที่เดินลุยน้ากันมามันเป็นเสียงลึกลับ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 มันปรากฏเป็นลอนสูงขึ้นมาอย่างแช่มช้าแล้วก็ลดหายยวบลงไปจังหวะที่น้ำ น, นูนขึ้นมาเป็นลอนใหญ่มาคือมาแล้วลงบูหบหัวภาบลงนี้เองทำให้ผิวน้ำบริเวณอื่นสะเทือนกระเพื่อมพร้อมกันหมดกลายเป็นคลื่นลูกโตไลริวเป็นระลอกแพ่รัศมีออกไปรอบด้านและไล่ตามกันเข้ามาจนถึงชายตลิงที่คณะทั้งหมดยืนจ้องมองกันอยู่กระทบฝั่งดังอยู่ซ่านซา เฮ้ยอะไรอ่ะปลาวานหรือว่ายักษ์ุมากันเล่นน้ําอยู่ตรงนั้นชยันเผยตัวอุทานออกมาอย่างตกใจและบัตรนั้นเองมันก็นูนสูงขึ้นมาอีกรถเข็นกระบังก่อนเร็วเชิดถาตะโกนเร็วหรือประชาแขยน้องสาวที่ยังมัวตะลึงมองอยู่เพนไปยึดกำบังอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ทุกคนก็ไหวตัวพรือพรับพร้อมกันด้วยสัญชาติยานหลบภยัยโดยไม่ต้องให้เตือนซ้ําแยกย้ยายกันเข้าหลบซ่อนตัวตามสุมทุมพุ่มไม้ โดยไม่ยืนเกตแต่ให้เป็นเป้าเดิมอยู่ทิ้งกองสัมภาระไว้ตรงนั้นเองคงมีแต่อาวุธปืนติดตัวเท่านั้นคราวนี้ระดับน้าที่นูนสูงขึ้นมาเป็นหลอนนั้นไม่ได้ยุบหายลงเหมือนครั้งแรกหากแต่ปรากฏโผล่สูงขึ้นมาทุกขณะจนกระทั่งปรากฏเสียงน้ําแตกคลื่นใหญ่กระจายเป็นระลอกคลื่นขาวไม่ผิดอะไรกับเรือดำน้ำําที่โผล่ขึ้นพ้นพื้นน้ําแต่ส่วนที่โผล่นั้นเป็นสีดําคล้ําก้อนมาฮมา แยกส่วนให้เห็นชัดออกมาจากผืนน้ำถ้ายจะเป็นส่วนสันหลังอันโค้งนูนของสิ่งมีชีวิตซึ่งเคลื่อนไหวได้บางชนิดซึ่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแต่ส่วนน้อยเท่านั้นพันแล้วพริกตาต่อมาลําคออันยาวเหยียดเรียวยาวดุดลําตาลก็ชูพรวดขึ้นสูงตระงานเหนือพ้นน้ำและส่วนสันหลังนั้นปลายของคอยาวฉลูดคือสีสะที่เล็กหลิมระยะอันห่างไกลประมาณาอเมตร จากที่กำบังซุ่มตัวของฝ่ายมนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตในขณะนั้นและเกือบจะเหมือนสีสะงูคอยาวเป็นลำตานั้นหันสสย่อยู่ไปมาและวลำตัวที่ยังมองไม่เห็นชัดซึ่งส่วนใหญ่จม อ, อยู่ในน้ำก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้าไปชิดชายฝั่งด้านตะวันตกชะโงกคอยื่นหัวเข้าไปและเลมพืชบางชนิดบนยอดไม้สูงริมฝั่ง ระหว่างที่ทุกคนจ้องด้วยดวงตาแทบถลนออกมานอกบ้าด้วยความตกใจมารีฮอมันก็กระโดดออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับร้องอย่างโล่งอกว่านึกแล้วทายไม่ผิดโอนตัวสัรัสไม่ดูร้ายหรือมีอันตรายอะไรหรอกออกมาดูเป็นขวัญตากันเถอะหลายคนแทบจะช็อกจากภาพที่เห็นนั้นกว่าจะระงับสติอารมณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่โดยมารีร้องบอกรับรองซ้ามา แต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่มีใครไว้วางใจสนิทนักแม้แต่แานใหญ่เองซึ่งแบบนี้ก็กระชับไรเฟิลในมือหันไปจ้องหน้ามาเรียด้วยความกังขาแมนเสาหัวเราะเสียงใสร้องชวนเขาอยู่อีกหลายคําจึงค่อยๆเ ค, ค, คลื่อนตัวออกจากที่มันและอาการเช่นนั้นของรพินนั่นเองทําให้ทุกคนโผล่มาจากที่ซุ่มกันทีละคนสองคนปรับเข้ามายืนรวมกลุ่มกันอยู่ริมตะลิงตามเดิมจ้องตาขมิ้งไปยังภาพของเจ้าสัตว์ปรละหลาดคอยาว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 ถ้าความรู้เกี่ยวกับโบราณชีวศาสตร์ของฉันคลาดเคลื่อนไปก็ช่วยไม่ได้แล้วครับพี่ใหญ่บนตัวเซอรัสมีขนาดอันมาหขึ้นมาก็จริงแต่มันอุ้ยอ้ายแล้วก็เชื่องช้ามากชอบแช่อยู่ในน้ำตลอดการเหมือนกับฮิโปดูที่สังขารร่างกายของมันก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายอะไรเลยพอยาวหัวเล็กผิดส่วนกับขนาดของร่างกายปานภูเขามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่จะก่อกวนลุกรงใครกันสิ่ง และอาหารของมันส่วนมากก็จะเป็นพืชหรือสาหลายน้ําจะไต่ขึ้นมาบนบกแต่ละครั้งก็แทบจะไต่ขึ้นมาไม่ไหวเพราะน้ําหนักตัวมันมากมายไรเฟิลเพียงนัดเดียวเท่านั้นจับเข้าที่หัวเล็กๆหรือ ก, กานคอของมันก็เสร็จแล้วแต่เราก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปฆ่ามันไม่ใช่หรอกพี่ใหญ่สังเกตดูรูปร่างลักษณะของเจ้าสัตว์ชนิดนั้นอย่างวิเคราะห์อีกครั้งและทุกคนก็เห็นด้วยกับคําพูดของนักโบราณชีวศาสตร์สาว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 เราเห็นจะได้คําตอบของเสียงน้ําที่ระเบิดตูมใหญ่เมื่อครู่นี้แล้วละ่ะไอ้ยักษ์ใหญ่ใต้น้ําตัวนี้แหละดารินกายยังสั่นอยู่ด้วยความตื่นเต้นตกใจมือที่กําไรเฟิลคู่ชีพเหนือชุ่มโชกหันไปพูดเสียงเครือกับพี่ชายว่าเมย์บอกน้อยไว้ก่อนแล้วล่ะค่ะว่าเสียงน้ําที่แตกคลื่นใหญ่เมื่อสักครู่น่าจะเป็นเสียงของไอ้ตัวประหลาดชนิดนี้เมย์เขาคาดการได้ถูกต้องจริงๆค่ะพี่ใหญ่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 เห็นนี่ยังอ่ะบุญคำห้ามไม่เชื่อจะลงไปในน้ำนี่ให้ได้เป็นไงคราวนี้อยากลงไปอีกไหมล่ะเอาสิลองลงไปหาปลาดูสักพักไงเชิถาพูดไปทางสมุนเท่าของระพินตะบุญคำหน้าซีดเหลือสองนิ้วยกมือขึ้นพนมท่วมหัวสวดอะไรพึมอยู่ในลำคอเจ้าประคุณเอ้ยบุญคำไม่เอาอีกแล้วย่างสักเท่าไรก็ไม่ลง ตะเขตะโขงเฮราพญานะาบุญคาไม่กลัวพ่อเคยสอนให้ร่มนขับมันออกไปห่างได้เวลาจะลงนาแต่ไอตัวเท่าภูเขาคอยาวเหมือนต้นตาล น, นี่พ่อไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าลูกของแกจะมาพบเห็นเขามันไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่โทรม่เห็นนี่บุญคาก็แทบจะหัวใจหยุดเต้นแล้วว่าแต่มันตัวอะไรเหอะนายก็ไอพัน์เหี่ยโบราณนั่นแหละ แต่คนละชนิดก่ที่มาไล่กินเราอย่างที่เจอมาแล้วไอ้ตัวนี้นะมันเป็นพัน์อยู่ในน้าไม่ได้กินสัตว์ชัยยันบอกเหมือนภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงแต่นิมิตฝันเท่านั้นวงโตซารัสต น, นั้นปรากฏส่วนสันหลังและลำคอยาวพ้นน้ำให้ฝ่ายมนุษย์ทุกคนได้ประจักษ์ชัดกับสายตาตื่นตะลึงอยู่ชั่วไม่กี่อึดใจมันก็ลดคอลงดำหายกลืนสนิทลงไปใต้ผิวน้าตามเดิม ทิ้งไวแต่ละลอกคลื่นอันเกิดจากการเคลื่อนไหวตัวให้กระชอไปทั่วพื้นน้ําเท่านั้นที่เป็นหลักฐานล่าสุดทิ้งให้เห็นภายหลังจากสงบใจสํารวมสติให้กลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครู่พรานใหญ่ก็สั่งคนของเขาให้เตรียมถอยจากฝั่งทะเลสาบนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ทุ่งหญ้าเบื้องนอกตามเดิมระหว่างที่พวกนั้นตรงเข้ามายังสัมภาระเตรียมจะยกขึ้นแบกใส่บา่า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 ลักษณะการบินเต็มด้วยความแคล่วลองรวดเร็วโฉบเฉล็บอยู่ไปมาและบ่ายหน้ามาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ที่ทุกคนยืนอยู่ในขณะนี้เข้ามาเป็นลำดับคล้ายๆพวกนกที่หากิงอยู่ตามผิวน้ำทุกคนมองดูด้วยความรู้สึกอันเป็นปกติแล้วก็ออกเดินเคลื่อนขบวนย้อนกลับไปทางเดิมโดยมีแง่ทรายและขยินเดินนาอยู่เบื้องหน้าคงเหลือแต่ระพินซึ่งตามมาเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่เขาจะผลักห่างตะลิ่งบริเวณนั้นออกมานั่นเองหูก็แหววเสียงดังมาจากอากาศเบื้องหลังมันเป็นเสียงสะ ก, กิดหูอยู่ยังไงพิกกนแม้จะแหววมาแต่ไกลและหางเสียงจางๆก็ตามสำเนียงนั้นดูจะผิดไปจากเสียงนกทุกชนิดตามปะกะติที่เคยได้ยินมันเป็นสำเนียงแหลมยาวเยืดยังไงบอกไม่ถูกคล้ายๆบ่านระองจึงหันกลับไปดูอีกครั้งสายตาที่เห็นครั้งแรกตอนที่จันเชีย่ยดูนั้น ขนาดของมันเท่านกนางแอ่นเท่านั้นแต่ยามเมื่อเหลียวกลับไปเห็นในครั้งนี้ตัวของมันขยายขนาดพวดพราดขึ้นมาขนาดแรงไก่งวงใชแล้วและระยะที่เห็นว่าตัวโ ต, วตวขนาดแรงนั้นก็เป็นระยะที่คำนวณได้ว่าห่างถึงตั้งร่วมห้ารอยเมตรจอมพลันหัวคิ้วขมวดและจ้องเขมง็งคุณชายครับเขาร้องเรียกเสียงหนั ก, นกจากเสียงเรียกนั่นเองทั้งขงบวนหยุดชะงักและพากันหันกลับมามองอีกครั้งด้วยความประหลาด ก็เห็นฟานใหญ่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมตาจ้องออกไปยังกลางทะเลสา์คนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจอะไรนักแต่ก็รีบเดินกลับมาโดยเร็วด้วยความประหลาดใจมีอะไรเหรอทั้งสี่คนฝ่ายนายจ้างถามขึ้นพร้อมกันในขณะที่พวกหาด ห, ห, หามยังยืนรออยู่ไม่ได้ตามเข้ามาสมทบด้วยแทนคำตอบระพินชี้มือไปยังเต้าไม้ที่เคลื่อนกระบวนบายหน้ากลาเข้ามาทุกทีเฮ้ยเฮ้ยยอะไรกันนี่ ก็เม่กี่ตัวมันเล็กนิดเดียวนี่นะเฮ้ย hey, ทําไมมันถึงใหญ่เร็วขนาดนี้แล้วพุ่งดิึงมาทั้งนี้ซะด้วยสิชายันร้องลิ้นรัวสัน่นมันไอ้นกฝูงที่เห็นเมื่อกี้นี่หรือเปล่าเชษฐาถามเร็วหรือจ้องกระเหม่งตาไม่กระพริบสำเนียงเสียงร้องแหลมยือกนั้นถนัดชัดเจนเข้ามาทุกทีสถานก้องลงมายังพื้นผิวน้ําเบื้องหนะ้าบังเกิดกังวานสถานเข้าไปถึงขั้วหัวใจเหมือนเสียงนกหวีดฝูงเดียวกันครับ แต่มันบินเร็วเหลือเกินแล้วก็ตัวใหญ่มากมันไม่ใช่เล็กๆอย่างที่เราคิดกันแต่แรกนะครับมารีจ้องด้วยดวงตาเบิกกว้างและบอกดารินและล่ำและลักส่งกล้องสองทางไกลมาให้ราชสกุลสาวผวะผวังเสียวเวลาอยู่เพราะหลอนเอากล้องของหลอนยัดใส่ย่ามหลังเรียบร้อยแล้วแม่เพื่อนสาวต่างผิวไม่ทันใจจึงเพ่นก็ไปล้วงออกมาเองอย่างรีบรอ้อนแล้วยกขึ้นส่องดูพริบตาเดียวที่มองเห็นถนัดจักรเล่นย่นระยะ มาเรียก็ร้องก้องลั่นออกมาอุแม่เจ้ามันไม่ใช่นกมันคือเทราโนโดอนตัวอะไรชายันกระเชิถาตะโกนสุดเสียงเทรโรซ่อมันเป็นสัตว์ลื้อคานประเภทมีปีกบินได้ทันเทรา โ, โนโดอนเป็นพันใหญ่ที่สุดและร้ายกาจที่สุดของพวกมันมันเห็นเราแล้วกำลังพุ่งเข้ามามาเรียพูดและล่ำาละลักได้เพียงนั้น ก็ทิ้งกล้องสองทางไกลหลุดมือลงสลัดไรเฟิลจุดสาหออกจากไหลอย่างลนลานซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เงาปีกอันเป็นพืชหนังประ ก, กอบด้วยเล็บอันแหลมคมกระพรืดตัดอากาศตรงเข้ามาราวกระลมพระเจรหงห่งหางขึ้นไปบ่วงบนศีรษะไม่เกินร้อยเมตรแต่ละไปที่กลางแผ่ไปนั้นยาวเหยียดร่วมยีสิบฟุตจะ ง, งอยปากอันแหลมคมยาวเป็นหอกเหมือนอีกาปากเหล็กในอใบยภูมิที่จิตรกรวาดไว้ และงอนยาวโค้งเหนือศีรษะเป็นตะขออยู่เบื้องหลังกระจายออกยิงปะทะไว้เร็วรลพินตะเบงเสียงแข็งกระลมไปที่อื้ออึงอยู่เหนือศีรษะและเสียงที่กรีดร้องประดุดเปรตขอส่วนบุญกล้องไปหมดนั้นพร้อมกับผลักดารินพวกมัวยืนตะลึงจ้องตาค้างอยู่ศีรษะปักลุลุ้นจากท่าที่ยืนจังงังเป็นเป้าเด่นอยู่เข้าไปที่ใต้โคนไม้ใหญ่ข้างทางเชษฐากระชัยยันเพื่อจะไหวตัวได้ แต่กระสุนไรฟิล น, นัดแรกก็ระเบิดกึกก้องขึ้นเสียแล้วจากมือของมารียฮอฟมันและนั้นจบบะทำให้ชาทุกคนที่กลายเป็นอมตาะาไปชั่วขณะให้กลับคืนมาสู่สํานึกแหง่งห่วงมหันต์ตะไครที่เข้าถึงตัวเจ้าสัตว์ประาที่ทุกคนมองเห็นผาผ่าดว่าน่าจะเป็นประเภทค้างคาวแต่มีขนาดใหญ่พอที่จะเล่นงานมนุษย์ได้ซึ่งซึ่งหน้าด้วยอากาศกิริยาของเหยี่ยวหรืออินทรีตัวแรกที่ดิ่งจากอากาศเหนือศีรษะ พุ่งตรงล้มหน้าลงมาปททะเข้ากัเม็ดโลหะสามรอยเกรนด้วยอัตราแรงกระทบสองตันของมาเรียเขาอย่างถนัดถนีที่สุดม้วนต้นพลิกหมุนอยู่กลางอากาศอย่างไม่เป็นท่าแรงที่ทรงบินมาโดยเร็วเหมือนใครปาวัตถุหนักๆเข้าใส่กลุ่มของมนุษย์สิงเฉยันอุทานแลันล่นออกมาอย่างขวัญบินเมื่อมันตรงเข้าไปที่เขาและเชิดาซึ่งกําลังพะวงหมุนคว้างอยู่ทั้งสองคนก้มลงหลบพร้อมกันด้วยสัญชาตญาณ เจ้าสัตว์มีปีกเป็นพืชหนังตัวนั้นผ่านพ้นศรีรษะของชัยยัน แ, และเชิฐากระแทกโครมลงไปในพื้นน้ําริมสันดอนตรงบริเวณที่กลุ่มพรานพื้นเมืองเงาะงะกันอยู่น้ำแตกกระจายสนั่นวันไหวกลุ่มพรานพื้นเมืองบัดนี้ทิ้งสัมภาระที่แบกหามอยู่อย่างลนลานแต่กระจายเพนกันไปคนละทางแยกสองฝั่งพื้นน้ําของแนวสันดินที่กําลังอาศัยเดินอยู่ในขณะนี้พร้อมกับร้องโวยวายไม่เป็นภาษาด้วยความโกรธขีดสุด สร้างตาหาม่ากระมำลงไปดิ้นคลุกคลักอยู่กับพื้นน้ำบุญคัำสะบดดาอกมาเสียงหลงเสียหลักลื่นลงไปเค๊แก้อยู่ริมสันดอนพยายามจะเปิดไรเฟิลออกจากไหล่ซึ่งมีกิ่งไม้และเถาวัลย์เล็กๆพันไว้จันเพนนับน้ำกระจายเข้าไปหลบอยู่ใต้ต้นไพลส斯ขยินเกิดและเสยทิ้งตัวลงหดหัวต่ำราบหลบการโจมตีของชุดแรกสมตัวขนาดเดียวกับที่มาเรียยิงม้วนไปก่อนแล้วซึ่งโฉบดึงมาเป็นระลอกสองเรากับฝูงบินขับไล่ ที่จิกหัวลงเล่นงานค่าศึกภาค พ, พื้นดินแง่ทรายนั้นไร่ฟ้นยังติดสะพายเฉียงอยู่กระไหลเปิดไม่ทันแต่ดาบเดินป่าเล่มยาวเหยียดบัตรนี่กระชากปราด จ, จากักฝักและประจันหน้ากันแนวโฉบลงโจมตีนั้นเป็นคนสุดท้ายแถวหลังสุดเพราะตนเองเป็นคนเดินนําอยู่เบื้องหน้าเจ้า ก, กระเรียนโฉบงามองคารักพิเศษของดารินเอี้ยวตัวหลบพร้อมกระนำฟันสวนออกไปสุดแรงเกิดดังชัวสนั่นแล่งเข้าระหว่างซอกคอ และช่วงลายด้านซ้ายอันเป็นปีกหนังประกอบด้วยเล็บของมันตัวควันเองตัวคนฟันเองก็ถูกแรงประทะที่บินโฉบลงมาชนกระเด็นตีหลังกาลลนตูมลงไปในน้ำพร้อมกับเสียงร้องเจ็บปวดของสัตว์นรกนั้นมันแฉลบรูปปีกตะแคงเสียหลักไถไปตามพื้นน้ำเลือดกระจายแดงฉานเราก็มีใครโปรยสีไว้ตามพื้นน้านั้นแล้วชนโครมกับโคนต้นอโรกาเรียดินหมุนคว้างหยุดรงโคนต้น นั่นเองระหว่างที่มาเรียสลับปลอกกระสุนนัดแรกออกจากรางเพลิงและตลีตะลานยัดนัดใหม่เข้าไปทั้งเชิดาชัยยันและระพินก็ตกอยู่ในภาวะพันตูประชิด ต, ติดตัวโดวยหมดโอกาสที่จะยิงได้ซะแล้วเพราะฝูงอสุรกายมีปีกระลอกหลังภวาร่อนลงมาถึงปากอันแหลมยาวเหมือนใบหอกสับจิกถึงเล็บทั้งสี่ด้านไม่ว่าที่ตีหรือหัวปีกขยายออกกลางขยุ่ม กระพือปีกเสียงอื้ออึระครองตัวไว้บนอากาศเหนือศีรษะของคนทั้งสามรุมเล่นงานอย่างกระหายเลือดส่งเสียงแผดร้องกรี๊ดกรี๊ดรีไม่ผิดอะไรกับปีศาจแทบไปหมดครานใหญ่หัวด้วยพานไายปืนอันหนักหน่วงกระเด็นทงงังหงาออกไปตัวหนึ่งพร้อมกับก้มลงหลบจังอนอยปากของตัวที่โฉบก็ามาทางเบื้องหลังแล้วเวียงเขา้าไปอีกพลาะใหญ่จนมันหล่นตุบลงไปคลานโครมคลามอยู่ในน้ําตื้นตื้นเชิดฐานนั้น ใช้ปลายลํากล้องไรฟิลของเขากระทุงสวนเต็มแรงเข้าไปบนหน้าอกของเจ้าตัวที่คุกคามอยู่เบื้องหน้าส่วนชายยัตะโกนด่าไปพลางก็หวดซ้ายตายขวายางไม่คิดชีวิตด้วยปืนน้ําหนัก18ปอนด์ของเขาซึ่งบัดนี้กลายเป็นคาถาวุธไปซะแล้วทั้งสามคนกําลังอยู่ในระหว่างประชิด ต, ติดพันจวนตัวเต็มที่ดารินเพิ่งจะมาได้สติเมื่อมองเห็นพี่ชายถูกปลายปีของตัวหนึ่งปีกระทบเซธหลาไปล้มตะแคงอยู่กับพื้น ไรเฟิลคู่มือหลุดจากมือกระเด็นไปราชสกุลสาวยกจุด300เวเทอร์แม็กซ์ซึ่งถือตะลึงค้างอยู่ในมือหันปากกระบอกลงไปยังไอตัวนั้นโดยไม่มีโอกาสจะทันประทับไหลด้วยซ้ำแล้วหล่อนก็กระชากไกลปล่อยกระสุนให้แพรโต้มไปยังใจหายใจควงนัดนั้นของดาริมดังประสานเป็นเสียงเดียวกับลูกซองอีกนัดหนึ่งซึ่งพุ่งขึ้นมาจากด้านตรงข้าม แล้วซ้ำติดตามมาสนันวันไว้อีกสองตัวเต็มๆกันกอนที่ดารินจะทันดึ ง, งมันหมายถึงลูกสองตัวนะั้นยิงด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติและผู้หญิงก็คือจันทนั่นเองจันผู้ซึ่งเพนไปตั้งหลักอยู่ใต้โคนไม้ในน้ำซากนาลาตัวที่พุ่งติดตามหลังเชิดถาไปอย่างกระชั้นชิดถูกทั้งกระสุนไรเฟิลแรงสูงและลูกปไายจากลูกสองเต็มตัวจนร่างกายกระดอนคว้างกลางอากาศ หลนพระลงมาตึงอยู่กับพื้นหมดริกเดดสงบนิ่งไปในฉับพลันขณะเดียวกันเสียงปืนจากพวกรานพื้นเมืองซึ่งกระจัดกระจายหลบจากโจมตีอยู่ตามส่วนต่างๆทั่วบริเวณก็ระเบิดขึ้นเอ็ดอึงไม่เป็นซ้ำคนเหล่านั้นเริ่มจะตั้งตัวตั้งสติได้แล้วและช่วยกันซันโวเพื่อช่วยแก้สถานการณ์ขับขันของฝ่ายเจ้านายอย่างเต็มที่หมายถึงไรเฟิลขนาดต่างๆสีกระบอกและลูกซองอีกสองกระบอก เป็นกึ่งอัตโนมัติเช่นหนึ่งกระบอกและปั๊มแอคชั่นจากขยินอีกหนึ่งกระบอกหูดับตับไหมไปหมดทำวางท้องน้ำที่แวดล้อมอยู่และป่าไม้ดึกดำบันที่ยืนต้นยังเงียบสงบพวกฝ่ายมนุษย์ตั้งหลักได้เหมาะมัน่นและได้มีโอกาสใช้อาวุธประจำตัวได้ถ น, นัดขึ้นกว่าในครั้งแรกเจ้าพวกอสุรกายเวหาที่โบยบินฉวัดฉวีนไม้โชตีอยู่เหนือหัวก็ถูกถล่มให้ย่อยยับลงเกือบหมดทั้งฝูง ครั้งแรกความดูร้ายกระหายเลือกตามกํำมลนิสัยประกอบด้วยความหิวโหยสําคัญผิดคิดว่าจะได้ทักษาหารอันเอมโอนชนิดหวานคอกลับกลายเป็นว่าพวกมันพุ่งเข้ามาหาที่ตายแ ท, แท้เสียงแผดร้องเซ่ซ้าประสานไปกับเสียงระเบิดของกระสุนในคราวนี้เป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดตื่นระหนกของมันหลายตัวพยายามจะผลักบินหนีแต่ก็ตกเ ป, เป็นเป้าของกระสุนยังไม่อาจหลบพ้นไปได้ ระความใหญ่โตของตัวมันเองซึ่งตกเป็นเป้าหมายอย่างดีที่สุดแม้กระบอกนึ่จะพลาดอีกระบอกก็เจอเข้าจนไแดบบ้พลิกความกำมนงหงายอยู่กลางอากาศและตักหัวลงสู่ยอดไม้บ้างทองนามบ้าเสียงคลืนโครมทั่วไปเชิดฐานและชัยยันก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ยินภายหลังจากที่พวกรานพื้นเมืองช่วยกันสันโวปะทะมันไว้ก่อนแล้วข้ามันได้หมดข้ามันได้หมดยัาหนีรอดไปได้สักตัวเดียว ไอ้พวกผีเปรดโผล่มาจากนารกทั้งนั้นฆ่ามันชัยยนขบเขี้ยวเคี้ยวฟันตะโกนอย่างโกรธแค้นเวียงไรพ่นจุด600ในไนโตรไล่ตามเจ้าตัวหนึ่งที่ถูกพักพวกคนใดคนหนึ่งยิงเจ็บไว้ก่อนบินเอียงเทเข้าไปเกาะพยุงตัวอยู่บนยอดไม้ใหญ่ซึ่งไว้ลู่ไปด้วยน้ำหนักตัวของมันกระสุนนัดของอดีตนายทหารปืนใหญ่ลั่นโตมออกไปพร้อมกับคนยิงก็พังะเซถอยหลังเพราะหลักไม่ดี มองเห็นชัดกับตาว่ายอดไม้ต้นหนึง่งของต้นไทรสขาดโดเดนเออกไปทั้งยอดรวมทั้งตัวของเจ้าเทรานโดนดอนที่อาศัยเกาะอยู่ทั้งงะยลอยตามออกไปด้วยแล้วก็ถูกกระทุงด้วยซุงทั้งตน้นร่วงโครมลงไปในน้าเสียงดังเหมือนควายทั้งตัวตกอีกหลายตัวบินปัดเปยหลบยอดไม้หนีพลแนวปืนบางก็หัวชนลงไปแต่ดารินก็มาเรียววิ่งตามมาชิดฝั่งน้ําอย่างบ้าดีเดือน ส่องตามด้วยไร้ทร่อนคอพับหัวหลุบลงจมน้ำเลือดสาดกระจายฟ้องไปหมดจะมีกักโปูตัวของฝูงนั้นที่พราหนีบินหลบยอดไม้กำบังตัวไปได้แต่ก็คงจะถูกปืนเลือดสาเดเจ็บไปทุกตัวเพราะต่างได้ยินเสียงมันบินไปหล่นกระทบไม้และในยออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงคางแหลมยื่นรพินไพรวัน ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวในคณะที่ไม่ได้ลั่นกระสุนของเขาขึ้นเลยแม้แต่นัดเดียวภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับคลองจักสุของเขาเต็มไปได้วยความประหลาดใจมากกว่าจะพรั่นพรึงเระหนกจําได้ว่าภายหลังจากใช้พานธายไรเฟิลพันตูกับพวกมันในระยะประชิดแล้วต่อมาพักพวกก็กระจัดกระจายกันอยู่ในที่ต่างๆรอบด้านก็ระดมยิงเขาเห็นภาพเจ้าสัต ร, ระหลาดถูกกระนําร่วงพลอยพลอยราวกับใบไม้หล่น เหมือนกีฬายิงเป้าบินในสนามฝึกซ้อมไม่มีอะไรที่น่าวิตกเลยเพราะขนาดของมันแม้จะใหญ่โตประ ก, กอบกับความดุร้ายกระหายหิวเมื่อเทียบกับอาวุธในมือของแต่ละคนแล้วมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยขนาดเจอลูกซองก็ยังร่วงไม่เป็นท่าผิดกนอกอินทรียพันโกนเดิอนอีเกิลที่เผชิญมาแล้วมากมากัพกพนกอินทรีคู่นั้นมีขนาดใหญ่เต็มไรด้วพลังกำลังและฤทธิ์เดชร้ายกาบกว่าหลายเท่านัก ผิดกันแต่ว่าเจ้าพวกนี้ยกพวกมาเป็นฝูงเท่านั้นมันไม่รู้จักอำนาจของปืนมาก่อนเห็นมนุษย์ก็เข้าใจว่าเป็นสัตว์มีชีวิตพอที่จะกินเป็นอาหารได้ก็โผลเข้าใส่ตามสัญชาตญาณพอได้ยินเสียงปืนและถูกยิงเจ็บก็ตื่ตื่นพยายามจะหนีไปแต่มันหนีไม่พ้นเองจึงถูกสังหารลงเกือบหมดฝูงที่มาด้วยกันพักพวกของเขาช่วยกันฆ่ามันหมดทุกตัวที่เห็นก็เพราะความตื่นเต้นตกใจนั่นเอง ประกอบกับความโกรธแค้นที่ถูกบังอาจเข้าโจมตีทําร้ายเขาอยากจะเชื่อซะด้วยซ้ำว่าต่อให้ไม่ต้องยิงมันให้ตายเลยสักตัวเดียวแต่ยิงไล่ด้วยเสียงปืนสักนัดสองนัดเท่านั้นมันก็จะตกใจหนีไปเองมันเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดกินเนื้อก็จริงแต่ก็มีความกลัวตามนิสัยของสัตว์โลกทั่วไปอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกปันนาปืนและความจิบทุกคนวิ่งเข้ามาชุมนุมรวมกลุ่มกันอีกครั้ง รวมทั้งพวกพรานพื้นมือซึ่งตะลุยน้ำขึ้นมาบนที่ดอนสีหน้าของแต่ละคนตกอยู่ในความตื่นเต้นระหนกตกใจต่อเหตุการณ์แม้กระทั่งมารีเองซึ่งยืนหน้าซีดกายสั่นเทาทั้งหมดผู้จาซักถามข่าวคราวกันแทกไปหมดจนฟังไม่ได้สับต่อเมื่อสำรวจว่าทั้งคณะยังอยู่ครบไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรมากไปกว่ารอยขีดข่วนก็โล่งอกไปตามๆกันทั้งหมดเหลียวหาพานใหญ่ เห็นเขากำลังซุดตัวนั่งพิจารณาซากของเทรานอดนตัวที่ถูกปืนของดารินและจันนอนกองตายสนิทอยู่กับพื้นอันเป็นตัวที่ใกล้ที่สุดจึงพากันพรูเข้าไปล้อมดูอย่างใกล้ชิดรับพินไพยวันเอามือลูบคางกระพริบตาปริบ ป, ปรบอยู่ขณะที่สำรวจซากนั้นอย่างพินิษพ์พิเคราะห์ถ้าจะดูจากลาตัวมันก็คือค้างคาวขนาดใหญ่เราดีดนี่เอง มีตีนหลังคู่ยาวพ้นแนวปีกตอนท้ายออกไปเล็กน้อยประกอบด้วยเล็บที่แหลมคมยาวงุง้มซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าถ้าขยุ่มถูกเนื้อส่วนใดจะไม่ปรากฏบาดแผลชะกันขึ้นตริตของขาหลังคู่นั้นก็ไม่น่าจะมีได้มากมายนักตราบใดก็ตามที่มันยังสั้นและไม่สู้จะแข็งแรงเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวเท้าคู่หน้าไม่มีหรืออาจมีก็ได้กลายเป็นโครงขึงปีก อันประกอบด้วยพืชหนังลักษณะเดียวกับปีกของค้างคาวมีเล็บแหลมคมเช่นเดียวกันตรงปลายโครงปีกนั้นคงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากไปกว่าใช้เกาะพยุงตัวหรือจับประคองเหยื่อเข้าปากและอาจใช้โฉบตีด้วยส่วนที่น่าสะพึงกลัวที่สุดและแตกต่างจากค้างคาวทั่วไปก็คือส่วนหัวซึ่งประกอบด้วยปากกว้างเรียวแหลมตรงปลายสำหรับจิกหรืองับเช่นเดียวกันนกซึ่งเป็นกระดูกแข็งทั้งแท่ง เมื่ออาปากจะแลดูเหมือนหอกสองเล่มเบนปลายทางยาวถึงสี่ฟุตเนื้อสีสากขึ้นไปทางด้านหลังทิศทางเกือบเป็นตรงข้ามกระปากบนคืองอนยาวโค้งเป็นกระดูกแข็งเช่นกันทําให้แลเหมือนปากหลังอีกด้านหนึ่งตัวมันเหมือนค้างคาวหัวเหมือนนกจับสัตว์ที่เล็กกว่าทุกชนิดกินเป็นอาหารแล้วก็หากินในเวลากลางคืนพ่านใหญ่พึมพำออกมาอย่างมึนงง และนั่นเป็นคำจำกัดความที่เขาจะหาได้จากสัตว์ประหลาดมีปีกชนิดนั้นดูก็ไม่น่าจะร้ายกาจอะไรมากนักนะแต่ทำเอาปั่นป่วนไปเหมือนกันมันคงนึกว่าเราเป็นเหยื่อที่จะจับกินได้ง่ายไม่รู้จักริดเดกของปืนมาก่อนนะเชษถาว่าเธอว่ามันเป็นสัตว์ประเภทอะไรนะเมื่ตะเกียดดารินหันไปถามเพื่อนสาวต่างผิวซึ่งยืนจ้องอยู่ด้วยความสนใจยิ่งจากซากที่กองอยู่นั้น มาเดียสุดลงนั่งข้างๆระพินยพยายามใช้มีดโบวี่นัดลายปากอันเรียวแหลมนั้นให้อ้ากว้างออกไปอีกและตรวจดูบริเวณภายในลำปากอันเป็นกระดูกแข็งเทโรซอหรือเทโรแดกริลอยเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานมาก่อนแล้วค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ปีกบินได้โดยงอกปอีกเป็นพืชหนังเชื่อมติดกันระหว่างขาหน้าและขาหลัง มันจะเป็นต้นตระกูลของค้างคาวด้วยหรือไม่น่ฉันก็ยังไม่เคยค้นพบข้อสันนิษฐานในเรื่องนี้เทโรเดคลีเทโรเดทิลอยมีอยู่หลายพันหลายชนิดมีตัวเล็กๆขนาดค้างคาวบ้านธรรมดาจนกระทั่งใหญ่โตเกือบเท่านกอินทรีเหมือนกับจะพวกที่เล่นงานเดานี่ธรรมชาตินิสัยของมันก็แตกต่างกันออกไปตามชนิดพันธุ์และมียมนาจที่สุดในตระกูลของมันพวกนักโบราณชีวศาสตร์เรียกมันอีกชื่อนึงว่า มังกรบินเพราะในยุคสมัยของมันนั้นมันครองความเป็นเจ้าอากาศไม่มีสั ป, ปีกชนิดใดจะไร้าการและก็มีอำนาจมากไปกว่ามันอีกแล้วมาเรียบอกกับทุกคนด้วยหางเสียงไม่สู้จะสบายใจนักควหน้าเต็มไปได้วยความสยองและอัศจรรย์ใจไม่สัง่งเหลือเาออกไปสู่ห่วงทะเลสา์อันน่าพิศวงนั้นอีกครั้งครางแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองต่อมาว่าก็ไม่น่าสงสัยหรอก ที่ทำไมคนค้นพบทะเลสาบแห่งนี้ก่อนหน้าเราจึงตั้งชื่อที่นี่ว่าทะเลสาบโมรณะโชคดีนะที่เราพบมาในตอนกลางวันมองเห็นอะไรได้ชัดๆอย่างนี้คิดถึงมนุษย์ในสมัยอดีตที่อาวุธยังไม่มีอํานาจถึงขนาดที่เราใช้อยู่นี่ถ้าใครพบเข่าเขาก็จะกลายเป็นเหยื่ออย่างไม่มีปัญหาและหรือบรรดาพวกเราต่อให้อาวุธปืนดีก็ตามดียถ้าไม่เคยผ่านเหตุการณ์ชนิดนี้มาก่อน ถ้าทุกคนไม่มีความคล่องตัวพอสมควรและฝืมือการยิงไม่ดีไม่ใครก็ใครจะต้องถึงสาหัสหรืออาตายกันไปบ้างแล้วจะง่อยปากแหลมแข็งยาวร่วมสี่ฟุตนี่ถ้าจิกถูกเข้าจังๆมันยิ่งกว่าถูกหอกของพวกซูลูซะอีกนะ น, นกอินทรีย์ใหญ่คู่นั้นอำ น, นาจมากกว่าไอ้พวกนี้ถึงสิบเท่าและค้างคาวอาถันมันเกิดจากมหากัมพีมายาวินของมันไรที่เราไปชิญมาแล้ว ก็ร้ายกากว่าเจ้าพวกนี้ยังเปรียบกันไม่ได้ถ้าไม่คิดซะว่ามันเป็นสัตว์ดึกดําบรรที่เราไม่เคยพบมาก่อนมันก็เหมือนกับสัตว์ร้ายธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าพบอีกเมื่อไหร่ตรงเขารังควานเราก็ฆ่ามันซะเหมือนอย่างที่เราทําครั้งนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสักนิดเดียวเชยันบอกมาอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเหตุการณ์ประชาชินใช่ละต่อสถานการณ์ที่หนักหน่วงกว่าเชษฐาหันไปมองหน้าพรานใหญ่เหมือนจะยั่งความเห็น คุณคิดยังไงผู้ ก, กองยอมพรานฝืนยิ้มขยับตัวลุกขึ้นกว่าตามองไปยังท้องน้ำรอบบริเวณที่ซราตัวอื่นๆลอยฟ้องเลือดสาดอยู่กราดเกลื่อนทั่วไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดซ่าไม่มีอะไรน่าวิตกครับก็อย่างที่คุณชยันบอกนั่นแหละเพียงแต่ผมประหลาดใจในรูปร่างลักษณะของเจ้าสัตว์พิลึกประเภทนี้เท่านั้นยิ่งแปลกใจมากขึ้นเมื่อเมย์บอกว่า มันเป็นประเภทสัตว์ลือคานมาก่อนเราปล่อยสิ่งนี้ให้เป็นบันทึกของนักโบราณชีวศาสตร์อย่างเมย์นะครับขืนมามัวคิดค้นประหลาดใจต่อที่มาของมันก็จะปวดศรีรษะตายซะเปล่เปล่ า, ลาอะไรก็ตามที่มันจะเป็นอันตรายต่อเราเมื่อไหร่ผลิตเลี่ยงไม่ได้เราก็รับมือกับมันก็แล้วกันแล้วเขาก็หันไปสั่งพวกพรานพื้นเมืองที่ยืนมงุงพูดกันแทรกให้เตรียมตัวเก็บสัมภาระออกเดินทางต่อไปขณะนั้นเอง มาเรียพละไปที่กล้องส่องทางไกลของดารินอันที่หล่อนทําตกอยู่ระหว่างที่เทรานโนดอนเข้าโจมตีหยิบขึ้นมาส่องตรวจค้นหาไปตามยอดไม้ที่ขึ้นเป็นดงที่ผ่านกันมาก่อนแล้วเมื่อขามาอาการของแหม่มสาวคล้ายต้องการจะค้นหาอะไรที่ความฉุกใจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันทุกคนกําลังจะ ก, ก้าวออกเดินรุดหน้าต่อไปเหลือมาเห็นกิริยาของหล่อนเข้าก็สงสัยอะไรเหรอเม่ดารินถามเบาๆขามวดคิว้ว ขนาดที่เดินเข้ามาจนชิดทั้งสองพูดอะไรกันอยู่สองสามประโยคแรกเฉยสกุลสาวก็หันมาโบกมือเรียกเชิดถาชัยันและระพินให้เข้าไปรวมกลุ่มบอกด้วยหางเสียงตื่นตื่นว่าเมืสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฝูงค้างค า, าวขนาดย่อมที่เกาะ อ, อยู่บนยอดไม้ตอนที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่เขาอยากจะดูมันให้ชัดชัดักตัวบอกว่าตอนที่ผ่านมานั้นไม่ทันสนใจสังเกตให้ถีท่ทวนทำไมสงสัยยังไงเหรอ เชิฐานโดยเร็วกมาเรียโดยตรงห ล, ล่อนเล็ดกล้องลงจากสายตาเพราะยังไม่สามารถจะกวาดพบค้างคาวเหล่านั้นได้ในระยะที่ยืนอยู่นั้นกลัมันจะไม่ใช่ค้างคาวธรรมดาอย่างที่เราคิดนะสิครับพี่ใหญ่ฉันเพิ่งจะเฉลียวคิดขึ้นมาตอนที่เราเผชิญหน้ากับสัตว์ประเภทเทโรซอพวกนี้เองมันอาจเป็นพวกทโรซออย่างเจ้าพวกนี้ก็ได้แต่เป็นพันธุ์ที่เล็กกว่าระหว่างที่เชิฐาช ย, ยันพบกับข้อชะ ง, งน ความสนใจชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นกับพระพิมในทันทีโดยไม่อาจมองข้ามอากัปกิริยากระสับกระสายของมาเรียไปได้เราเห็นกันนะว่ามันเป็นค้างคาวนี่มีเขาพูดต่ําๆจ้องหน้าตัวขนาดค้างคาวแม่ไก่หลบห้อยหัวนอนอยู่ตามยอดไม้มืดๆอาการนอนห้อยหัวชนิดนั้นมันบอกชัดนะว่าเป็นค้างคาวและการนอนกลางวันก็แปลว่ามันจะต้องออกหากินตอนกลางคืน อันเป็นธรรมชาตินิสัยของกางขาวทั่วไปอยู่แล้วแล้วคุณนึกเหรอว่าเทโรซอหรือเทโรแด็กลิเด็กทิลอยไม่ได้เกากะกิ่งไม้ห้อยหัวและฉันไม่ได้บอกหรอกเละว่าเทโรซอรนะมีหลายพันหลายขนาดบางชนิดนะออกหากินในเวลากลางคืนจอมพลานเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งดวงตาเต็มไปได้วยความเอกใจเอาละ่ะ สมมติว่าไอ้ฝูงค้างคาวที่เราเข้าใจแต่แรกนอนเกาะ อ, อยู่บนยอดไม้เหล่านั้นเป็นพวกเทโรซซจริงจะมีอะไรที่เราต้องสนใจนักเราไม่มีเวลาที่จะศึกษาหรือจำแนกประเภทของมันนะมารีหัวรอเสียงแปรยักไหลก็เห็นจะต้องศึกษาไว้บ้างเหมือนกันละอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราในคืนนี้ตอนพักนอนเพราะถ้าหากว่ามันเป็นพันอย่างที่ฉันเกรงไป มันจะยิ่งอันตรายกว่าเจ้าพันใหญ่ที่โจมตีเราซึ่งซึ่งหน้าเมตกี้นี้อีกทำไมเหะมันก็จะทำให้เราต้องตื่นยามกันอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันหลับอันนอนน่ะสิเพราะถ้านอนเมื่อไหร่ก็เลือดแห้งตัวหมดทุกคนแวมไพร์จะพวกดูดเลือดคนหรือสัตว์น่ะเหละชายันร้องลั่นออกมาคนอื่นๆงันไปช่วขณะในคำบอกเล่าของมาเรียก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละ แต่ฉันคิดว่ามันต้องร้ายกาจกว่าค้างคาวชนิดที่เรารู้จักกันว่าแวนพายมากเพราะตัวมันเขืองกว่าจะมีพิษจากเขี้ยวโดยตรงหรือจักต่อมซึ่งปล่อยเป็นแก๊สระเหยเพื่อสะกดเหยื่อด้วยหรือไม่ก็ยังไม่ทราบภาวนาอยู่ที่ว่าขอให้มันเป็นเพียงค้างคาวธรรมดาอย่างที่เราคิดแต่แรกเถอะไม่ยากหรอกในข้อนั้นปรเดี๋ยวเราจะย้อนกลับทางเก่าตรงปา่านอนแล้วสอยลงมาสักตัวหนึ่งให้คุณตรวจ ด, ดูให้แน่ใจที่สุดทีเดียว ว่าแต่ว่าจะมีอะไรเป็นที่สังเกตเพอกับการลงความเห็นแน่ๆบ้างไหมมีสิดูจากฟันหรือเขี้ยวมันก็พอจะวินิจฉัยได้มาเรียบอกอย่างมั่นใจอ่ะถ้างั้นไปกันทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งโดยไตยไปตามสันดอนที่อาศัยเดินมาแต่แรกนั้นแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอย่างขวัญหายอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงปีกระพือพับๆๆกระทบน้าแตกกระจาย ยุโคนต้นไม้ด้านขวามือไม่ห่างออกไปนักพวกพรานพื้นเมืองพากันร้องเอะชี้มือบอกกันเสียงขลุมไปยังต้นเสียงที่น้ําแตกกระจายมาทรานโนอโดนตัวหนึ่งลอยฟ้องอยู่เหนือน้ําตื้นๆ ต, ตรงโคนต้นไม้ใหญ่นั้นกําลังกลางไปกระพือเหมือนจะดึงตัวให้พ้นจากพื้นน้ําอาการเช่นนั้นของมันนั่นเองที่ทําเสียงให้เกิดขึ้นและเป็นจุดที่หันมาพบข้าวของมนุษย์ลักษณะของมันกําลังดิ้นรน ปีข้างหน้าดูจะพิการไปซะแล้วไม่สามารถที่จะกางกระพือออกได้ถนัดนอกจากรูปร่องแรงจมลงในน้ําครึ่งหนึ่งต่อมามันก็พยายามจะเกาะต้นไม้เพื่อที่จะหาทางบินไตหาทางปีนไตไปให้พ้นจากน้ําโดยใช้เล็บตรงหัวปีกจิกเกาะแต่ก็เกี่ยวตัวเองขึ้นไปเกาะร่องแร่งอยู่ได้เพียงด้านเดียวแล้วก็ถลายลื่นตกลงน้ําที่โคนต้นทุท่งักทะเลอยู่ตรงนั้น เจ้าตัวที่แงซายฟันด้วยดาบขนาที่มันพุ่งเข้าใส่นั่นเองบัตรนี้ของหังไม่มาตายแต่กลายเป็นสัตว์ลำบากตะเกียกตะกายอยู่ตรงนั้นทุกคนจ้องเป็นตาเดียวพร้อมกับร้องบอกกันลั่นแต่ยังไม่มีใครตัดสินใจจะทำอย่างใดลงไปโดยไม่มีคำสั่งจากท่านหัวหน้าคณะหรือพรานใหญ่และเท่าที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็รู้ได้ว่าริเดตของมันถูกกำจัดลงซะแล้วเพราะปีกหัก จอมพรานบอกให้พวกลูกหาบทุกคนยืนคอยอยู่บนสันดอนตัวเขาเองก้าวลงไปในน้าที่ลึกเพียงเข่าและเดินตรงเข้าไปยังมังกรบินลําบากตัวนั้นคณะนายจ้างอีก4ี่คนก็ชวนกันเดินลุยน้ําตามเข้าไปด้วยอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเห็นมันในขนาดที่ยังเป็นเป็นอยู่โดยใกล้ชิดระยะที่มันตะเกียกตะกายอยู่โคนต้นไม้ห่างออกไปเพียงไม่เกิน30เมตรเท่านั้นแล้วเขาก็หยุดยืนถือไรเฟิลเตรียมระวังอยู่กับที่เมื่อเข้าไปใกล้ประมาณ56เมตร จากรัศมีปลายปากของมันซึ่งบัดนี้อ้ากว้างสแสดงกิริยาดุร้ายพยายามจะชะงกหัวเข้ามาจิกอีกสีคนที่ตามมาด้วยก็พลอยชะงักลงด้วยกระจายกันยืนพิจารณาดูมันในลักษณะเรียงแถวหน้ากระดานทุกคนถือปืนพร้อมอยู่ในมือสามารถจะปล่อยกระสุนออกไปได้ทันทีถ้าหากว่ามันเกิดไม่ชอบมาพาคนเช่นไรแต่สภาพของเจ้ามังกรบินแห่งโลกยุคลานปียามนี้ หมดความสามารถจะทําอะไรได้ตามใจคิดของมันได้อีกแล้วเพราะความพิการที่บริเวณโคนปีกด้านซ้ายอันเป็นต้นแหล่งถลังคมดาบของแง่ทายที่ฟันสวนการบินเข้าใส่ของมันสุดแรงเกิดตัดลึกเข้าไปจนถึงกระดูกเป็นบาดแผลเวชกันเลือดถลักพลั้งพลูอยู่ตลอดเวลาจนน้ำบริเวณโคนต้นไม้นั้นแดงฉานขุ่นข้นไปหมดมันจึงได้แต่แสดงกิริยาประสงค์ร้ายส่งเสียงแผดร้องและตีปีกอีกข้างหนึง่ง กระทบน้ําอยู่โครมโคลงประเซนน้ํากระเด็นเปียกมาถึงฝ่ายมนุษย์ที่เข้าไปยืนประจันหน้ากับมันในระยะใกล้ฝ่ายนายจ้างทุกคนประหลาดใจไปตามๆกันเมื่อมองเห็นบาดแผลจากรอยดาบที่โคนปีกข้างนั้นของมันเพราะไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่แง่ายฟันครั้งแรกเข้าใจว่ามันถูกปืนร่วงแต่ยังไม่ตายเอ๊ น, อนั่นดูเหมือนจะเป็นรอยดาบมิใครฟันนอาแต่เมื่อไหรตอนไหนอ่ะเช็ดเท้าอุทานขึ้น อ๋อแงซ้า ย, ายครับไอตัวนี้เป็นตัวที่สองที่พุ่งผ่านศีรษะพวกเราทุกคนไปหลังจากที่เมยิงตัวแรกพลิกไปกลางอากาศนะครับระพินบอกเบาๆเพราะเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่มองเห็นเหตุหการณ์ตอนชุลมุนอย่างถนัดในทุกแง่ทุกมุมโอ้กอดแผลนั้นเน่ชะกันมากทีเดียวมันไม่มีทางที่จะบินได้อีกแล้วตลอดไปแลวก็ไม่มีโอกาสที่จะหากินได้อีกด้วยมาเรียว่าจ้องมองดูมันเหมิง ทุกคนต่างต้องถอยขยับหลังไปอีกสองก้าวจากที่เดิมเมื่อเจ้าเทอรานโนดรลำบากตัวนั้นพยายามยืดคอจิกออกมาอีกดวงตาอันฝังอยู่ในกะโหลกของมันทั้งคู่ลูกแดงจ้าเต็มไปด้วยความเกรี้วกราดโกรธแค้นและดูเหมือนจะขัดใจที่มันไม่สามารถจะพุ่งเข้ามาถึงตัวฝ่ายมนุษย์ที่มายืนดูมันอยู่ได้ในที่สุดก็อ้าปากกว้างหายใจหอบหอบหันหน้าเผชิญมนุษย์ เตรียมระวังคุมเชิงอยู่เช่นนั้นจอมพรานกำชับให้หนายจ้างของเขายืนคอยระวังเตรียมพร้อมอยู่ที่เดิมนั้นตนเองเดินลุยน้ําตรงเข้าไปยังที่ที่ต้นไม้ที่งอกอยู่ลําต้นเชืลูกเหมือนต้นทําเสาอวบขนาดข้อมือแล้วชักมีดออกลิดกิ่งตอนปลายกลายเป็นไม้ท่อนยาวร่วมสองว่าแล้วถือเดินกลับเข้ามาอีกครั้งทุกคนยังไม่เข้าใจว่าเขาจะทําอะไรตามองดูด้วยความสงสัย แต่แล้วก็เข้าใจโดยตลอดเมื่อเห็นรพินส่งไรเฟิลให้เชฐดาช่วยถือตัวเองถือไม้กระชับไว้ทั้งสองมือคอยแย่ล่อเข้าไปตรงบริเวณปากที่อ้ากว่างอยู่นั้นเป็นการย่างพลังและริดร้ของปากห อ, อกคู่นั้นทันทีที่ไม้กระทบปากมันก็จิกงะภายในพริบตาสะบัดคอกระชากราพินเสียหลักจากแรงกระชากด้วยพลังมหาศาลและฉับพลันนั้นหัวปักทำท่าจะคมําหน้าเข้าไปหามันตามแรงฉุด โชคดีเหลือเกินที่ชายยันไวพอที่จะคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้ทันก่อนที่จะปลิวเข้าไปหามันและรพินก็ปล่อยไม้ท่อนนั้นหลุดจากมือทมกลางเสียงอุทานลั่นยังตกใจของทุกคนโอ้โหระวังเกือบไปแล้วสิผู้กองเชิฐาร้องอย่างใจหายใจความจอมพรานเป่าลมออกจากปากปัดมืออยู่ไปมาแม้ที่แรงมันยังเหลือเกินนะครับยังกระพิงทั้งตัวฉุดนะ นี่ทำไมท่อนนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายขนาดมนุษย์เรานี่ผมเชื่อว่าขาดทันทีแล้วครับจากความแข็งแรงของปากคีมและแรงมหาสารที่มันกระชากเย่๋ยวรอเล่นนะไพรวันทำไมถึงทำอะไรโง่ๆอย่างเงี้ยมาเรียพูดเสียงสัน่นอ้าวทำไมลองก็ไม่รู้สิครับเขาตอบเรียบๆแล้วเอื้อมมือไปรับไรเฟินคืนมาจากเชิถาหยิงจ้องอสุรกายเวหาอยู่อีกอึดใจ เหมือนจะตัดสินใจแล้วบอกว่าจะยังไงกันดีล่ะครับสำหรับไอตัวนี้จริงอย่างไม่ว่านะครับมันไม่มีทางจะบินหรือหากินได้อีกแล้วละ่ะก็ช่วยมันพ้นทรมานซะด้วรแ้วรอดสิหัวหน้าคณะบอกพอขาดเสียงของเขาชั ย, ยันก็ประทับไรเฟริลจุดหกศูนศูนย์ขึ้นแตระพินตะครุบไวได้ทันสงวนลูกรรไรเฟิลไวดีกว่าครับพร้อมกับพูด เขาก็ชี้ไปที่จุดสี่สี่แมกนัมซึ่งขาดติดอยู่กับเข็มขัดของอดีตนายทหารปืนใหญ่และช่วยอะไรฟ้่ของชัยันมาถือไว้ชั่วคราวชัยันดึงปืนสั้นประจำตัวออกจากซองยกขึ้นแต่แล้วก็ยิ้มแ ห, งแหง่งๆหันมาทางดารินบอกเสียง อ, ยอย่อยว่าหนี่น้อยเธอช่วยจัดการให้มันพ้นทุกพนร้อนไปเสียทีเถอะเรื่องอะไรก็เธอน่ะแหละิง ฉันไม่ยิงสัตว์เจ็บนอนแง่งแมงทำอะไรใครไม่ได้ยังงี้หรอกไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายสักขนาดไหนหมอดารินร้องเสียงสูงและฉวยโอกาสเดินถอยหลังห่างออกมาโดยเร็วอ้าวก็เธอยิงปืนสั้นได้ดีกว่าฉันนะ่ะฉันน่ะไม่แน่ใจว่ามันยิงมันนัดเดียวจะอยู่หรือเปล่าไปเดี๋ยวก็เปลืองลูกอีกฝ่ายหนึ่งสั่นหัวอย่างเด็ดขาดไม่ไม่เอาใครจะยิงก็ยิงเถอะฉันยิงไม่ได้หรอก นอกจากว่ามันกําลังจะฆ่าใครสักคนในขณนะนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งชัยยันกระพริบตาปริบ ป, ปริบหันไปทางมาเรียแม่มสาวรู้เชิงก็เลยทําเป็นไม่เห็นสะเดินถอยตามดารินไปอีกคนนึงเช่ยทารําคาญเต็มที่ก็กระชากเบอร์สั้นกระ บ, บอกนั้นไปจากมือชัยยันตหวาดเบาๆอย่างหงุดหงิดนี่นี่นี่มัวเกี่ยงกันอยู่ได้เอามานี่ฉันจัดการเองเลวไหลสิจริงพวกนี้นี่ เด็กทารกด้วยกันทั้งนั้นและท่านหัวหน้าคณะก็ไล่ชัยยันให้ถอยห่างออกไปรวมกลุ่มอยูุกดารินและมาเรียเบื้องหลังตนเองเคลื่อนถอยออกไปอีกสองสาเก้าเพื่อหาเป้าหมายศีรษะของมันให้ถนัดที่นีที่สุดเท่ากับที่ว่าถ้าพลาดและมันกระสือกระสนเข้าใส่ด้วยพิษเจ็บปวดกรูดแค้นก็จะได้ซ้ําทันและยกปืนขึ้นซองทั้งสองมือเล็งอย่างระมัดระวังประหี่ที่สุดพร้อมกับแตะไก ปล่อยให้นกที่ง้างในจังหวะซิงเกิลสับลุกเสียงกระสุนจุด44แมกนัมระเบิดสนั่นหวั่นไหวและพร้อมกับกำปั้นนาดนั้นทุกคนที่เฝ้ามองดูอยู่ก็เห็นส่วนศีสษะอันประกอบด้วยปากหน้าสะพึงกลัวของเทโรนาดอนลำบากตัวนั้นสะบัดตะแคงไปทางด้านตรงข้ามเหมือนถูกตบอย่างแรงต่อจากนั้นก็ฟาดหัวจมลงไปในน้าพร้อมกับร่างกายส่วนบนซึ่งยังลอยอยู่ดิ้นพราา พริกงายพลิกคว่ำน้ำแตกเป็นโกลาหนเบียกปอนมาถึงทุกคนการดินร้นรนอย่างรุนแรงนั้นค่อยๆแช่มช้าและเบาบางลงเป็นลำดับในที่สุดก็งายท้องพึงสงบนี่ทั้งหมดถอนใจออกมาอย่างโลง่งอกเมื่อเช่ฐาและระพินเดินลุยน้ำถอยกลับออกมาท่านหัวหน้าคณะส่งปืนคืนให้ชา ย, ยันพร้อมกับบอกอย่างรอบคอบว่าอถอดปลอกทิ้ง แล้วบรรจุให้เต็มตามเดิมซะต่างกลับมาถึงตำแหน่งที่พวกลูกหาบยืนดูรอคอยอยู่บนแนวสันดอนอีกครั้งแล้วจึงเคลื่อนต่อไปเงียบๆโดยไม่ปริปากพูดคำใดกันอีกเลยแต่แล้วช่วงไม่กี่ก้าวที่ออกเดินเรียงแถวกันไปนั้นก็ได้ยินเสียงน้ำแตกกระเทือนขึ้นอีกคราวนี้ดังมาจากฝั่งทะเลสาบอันเป็นบริเวณน้าลึกเบื้องหลังเสียงสั่งปลาซึ่งเดินรังทายเพื่อนชีโบชีเบไปทางทะเลสาบ ตะโกนส่งพอสาพมา่าบอกอะไรนายสาวเอ็ดอึงมาเรียซึ่งเดินรวมกลุ่มอยู่เบื้องหลังก็กระโจนลงน้ำวิ่งย้อนไปยังคนของหลอดแล้วหยุดยืนดูอะไรมีอะไรขึ้นอีกเหรอชายันถามเร็วปรือสรางตาบอกว่ามีสัตว์อะไรไม่ทราบครับโผล่ขึ้นมาฮุบซากเทอรานโนโดอนลากจมหายไปในน้ำเลยละค ร, รพินบอกยาระเคหรือปลาใหญ่เหรอผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับ เห็นบอกว่าลากหายลงไปทั้งตัวเลยละครับระหว่างที่ระพินตอบทุกคนก็ยังคงได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายครื่นโครมอยู่เช่นนั้นเหมือนมีสัตว์ใหญ่บางชนิดม้วนตัวตลบอยู่ใกล้ๆผิวน้ำมองย้อนกลับไปในระหว่างอันเป็นตำแหน่งที่ซาเจ้ามังกรบินลอยทุบ ป, ป่องทุบ ป, ป่องอยู่ห่างออกไปก็เห็นรายน้าแตกครั่งพลู ข, ขึ้นมานี่ขนาดใหญ่ราวกับขดแบดมินตันหรือสนามบาสเกตบอล สากของทรานโนดดนกระเพื่อมตามระลอกน้ำขึ้นลงแล้วก็เห็นถูกฉุดกระชาติเอียงเท่เคลื่อนไหวอยู่ไปมาและในที่สุดก็ถูกดึงหายวูบลงไปใต้ผิวน้ำมีบางส่วนของร่างกายอันไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นส่วนใดของสัตว์ประเภทไหนคลุบโผล่ขึ้นมาให้เห็นเหนือน้ำเล็กน้อยและจมหายไปอีกลักษณะใครจะวาดแวงตัวอยู่ใต้ผิวน้า คณะนายจ้างของเขาอยากจะวิ่งตามมาเรียไปดูปรากฏการณ์นั้นให้ถนัดตายิ่งขึ้นแต่พรานใหญ่ยังยืนนิ่งเฉยอยู่จึงไม่มีใครเคลื่อนไหวอย่างใดนอกจากจะยืนฟังข่าวอยู่ที่เกับอีกครู่ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างจึงสงบลงเหมือนเดิมนั่นหมายถึงไม่มีซากของเจ้าสัตว์เลื้อยคลานประเภทมีปีกเหลือลอยให้เห็นอยู่บนผิวน้าในทะเลสาบอีกแล้วนอกจากพวกที่ตกอยู่ตามบริเวณชายฝั่งตื้น แล้วมาเรียก็วิ่งหน้าตื่นกลับมามันได้กลิ่นคาวเลือดมันโผล่ขึ้นมาลากเจ้าพวกนั้นลงไปหมดแล้วแม่มสาวพูดอย่างตื่นเต้นกระหืดกระหอบอะไรเหรอฉันเห็นไม่ถนัดแต่สาบานได้นะว่ามันไม่ใช่ปลาหรือจรเะเข้ลักษณะที่มันลากซากเหล่านั้นลงไปและสังเกตจากพรายน้าโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีพวกเราคนใดเดินลงไป ในบริเวณส่วนลึกของน้ําในทะเลสาบนารกน่ะ น, นี่รีบไปกันให้พ้นพ้นบริเวณนี่ซะโดยเร็วเ้อะฉันไม่ชอบที่จะมีตัวอะไรเดินโผล่ขึ้นมาจากก้นทะเลสาบแล้วก็ไล่เหมือนกับแมวไล่หนูอีกถ้าทางมันไม่ชอบกลซะเลยนะแล้วแถวนี้ก็ใกล้เหลือเกินไม่ปลอดภยัยละอะไรก็ไม่สําคัญถ้ากับว่ายังมีซากเทร์ทรนโนดอนอีกหลายตัวลอยล่อจมูกมันตรงบริเวณน้ําตื้นๆ น, นี่ไม่ช้า ก, ก็เร็ว มันคงจะตามขึ้นมาลากก็ไปหมดเพราะกลิ่นคาวเลือดระเหยไปตามน้ำแบบนี้ไม่มีใครแสดงความกล้าหาญหรือว่าใจเย็นอยู่ได้ต่อไปเพราะถึงมาเรียจะไม่พูดทุกคนก็มีความรู้สึกตรงกันหมดถึงกลิ่นไออันไม่ชอบมาผากกล น, นั้นระพินหลีกทางลงไปยืนอยู่ในน้ำโบกมือร้องเร่งให้คณะพวกลูกหาอันแบกของหนักทั้งสามคู่ใหเร่งรีบเดินล่วงหน้าไปก่อน พร้อมกับฝ่ายนายจ้างทั้งหมดตนเองเดินคุมรังท้ายอยู่เบื้องหลังเชื่อท้าลงมาเป็นเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งสั่งให้ชยันดารินและมาเรียรุ่นหน้าทั้งหมดเร่งฝีเท้ากันอย่างเต็มที่ตัดทางออกสู่ทิศเดิมที่ผ่านกันเข้ามาแต่แรกคุณชายขาไม่สู้ดีนักนะผมว่าอย่าห่วงผมดีกว่านะครับรีบเดินไปสักข้างหน้าเถอะปล่อยภาายผมอยู่ข้างหลังคนเดียวก็พอครับ จอมพรานบอกโดยเร็วในระหว่างเดินเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหูคอยจับฟังเสียงผิดปกติใดๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยทวงเวลาทิ้งระยะให้พวกนั้นเดินห่างออกไปราวสามสิบเมตรเฉิดายิ้มให้อย่างมั่นคงและเยือกเย็นตอบว่าปืนสองกระบอกก็ดีกว่ากระบอกเดียวนระรพินและนอกจากคุณกาแงซายแล้วผมน่ไม่เคยวางใจใครเลยในสถานการณ์เช่นนี้ นอกจากตัวผมเองไม่ทันจะขาดคำของอดีต ท, ท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะเสียงน้ำก็แตกโครมขึ้นอีกครั้งจากชายฝั่งทะเลสาบเบื้องหลังตรงที่ไปยืนดูวิวอยู่เมื่อครู่นี้พร้อมกับภาพที่โผล่ขึ้นมาปรากฏกับคลองจักสุ ข, ของบุคคลทั้งสองชนิดที่แม้จะมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมเช่นไรก็ตามเลือดในกายก็แทบจะจับกันเป็นก้อนแข็งขาทั้งสอง เหมือนจะหมดไขข้อลงฉันนั้นเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นแลลเห็นชัดในพริบตาแรกว่าลักษณะของมันเหมือนเหี้ยหรือตะกวดแต่ขยายขนาดขึ้นไปถึงขนาดเรือเอี่ยมจุนบันทุกข้าวลิ้นสองแฉกแลบพุ่งแปรปลาาออกมาแดงฉานไม่ผิดอะไรกับเปลวไฟขณะที่มันเอาขาคู่หน้าและบริเวณอกตอนบนคล่อมท่กับชายฝั่งแล้วก็คลานไต่ขึ้นมาอย่างเช่มช้า ชนิดที่สุ่มทุมพุ่มพฤกที่ขึ้นอยู่ในละแวกนั้นแหลกยับเอนลูกครั้งแรกก็ตัวเดียวก่อนพริบตาต่อมาเงาทมึนของตัวที่สองสและสก็โผล่ขึ้นมาหเห็นตามลำดับตามแนวชายฝั่งนานตื่นนั้นมันยังไม่สนใจเห็นมนุษย์กลุ่มใหญ่ที่กําลังจะรุดหน้าพผะไปให้เร็วที่สุดเพื่อออกไปให้ห่างจากชายฝั่งเหล่านี้หากแต่ยังสนใจไปยังซากของเทอราโนดอนซึ่งนอนกองอยู่บนฝั่ง และพวกที่โตกลาดเกลื่อนรงบริเวณน้ําตื้นขณะจิตต่อมาก็ตะกายพลูพุ่งเข้าไปงับที่ซากเหล่านั้นแย่งชิงกันโดยเร็วยังดุดันเป็นโกลาหลุนน้าบริเวณที่ตื้นแต่กระจายตูมตามและกัดฟัด ต, ต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงเยื่อยังดูร้ายพร้อมกับคํารามลั่นพุ่งพงแมกไม้แหลกเป็นแปลงปรากฏดันสนั่นหวั่นไหวเชี่ยถาใจหายวูบในขนาดรูปร่างและลักษณะอันคล่องแคล่วรวดเร็วของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิประเทศอันเป็นสะเทินบกเช่นนี้แวดล้อมอยู่นี้ปาลีตาเลือดประทับไรเฟิลขึ้นแต่พรานใหญ่วิ่งเข้ามาฉุดกระชากแขนตะกรสุดเสียงกรอกูว่าเพนครับวิ่งหนีเร็วที่สุดครับเมื่อ น, นั้นเองอดีตท่านทูตทหารบกจึงสํานึกขึ้นมาได้หมุนตัวกลับออกวิ่งสุดฝีเท้าไปตามสันดอนดินนั้นกดหลังพักพวกที่กําลังแตกตื่นอลลามานในภาพที่เห็นในขณะนี้ไปอย่างไม่คิดชีวิต ร้อกระบหมมือร้องตะโกนต่อยพวกนั้นรีบลาหนีต่อไปเกิดการชุลมุนกันอย่างขนานใหญ่ขึ้นอีกครั้งรพินนั้นวิ่งหันหน้าหันหลังหน่วงทายเขาเองก็แทบจะช็อกไปเหมือนกันในภาพที่เห็นหากแต่ควบคุมสติมัน่นโอกาสที่จะหนีรอดหนีไปให้ห่างนั้นมีอยู่อย่างเดียวตรงที่พวกมันกําลังกัดฟัดกันเองเพื่อยื้อแย่งเยือ่อซึ่งเทียบขนาดแล้วเทอร์รา น, นอนเหล่านั้นเป็นแค่เหยื่อคําเล็กๆ ที่มันไปละตัวจะขยอกกลืนกินภายในพริบตาเดียวเท่านั้นการเคลื่อนไหวของมันรวดเร็วว่องไวคล้ายจิ้งจกยิ่งในภูมิประเทศครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นนี้ถ้ามองเห็นฝ่ายมนุษย์และเกิดความสนใจขึ้นมาเมื่อไรภายในชั่วไม่กี่พริบตาเท่านั้นมันจะพุ่งเข้าไล่ถึงตัวทันทีจากขาทั้งสี่ซึ่งมีลักษณะวิ่งได้ทั้งบนบกและพุ้ยพายได้เมื่ออยู่ในน้าและถ้าเปรียบ และถ้าเกิดการตั้งป้อมยิงปะทะสะกัดกั้นเมื่อใดสถานการณ์จะเสียเปรียบเลวร้ายกว่าตอนที่ปะทะกับเจ้าพวกมังกรบินหลายเท่านักจากรูปลักษณะของเจ้าจิ้งจกน้ำพวกนี้พวกลูกหากทั้งสามคู่และสามปาซึ่งแบกของเดี่ยวทากันวิ่งอ้าวไปสุดกำลังบริเวณดินดอนแล้วแล่นโครมคลามกันไปในบริเวณน้าขังพื้นที่ของป่าชิดกับชายทุกแตดารินช ย, ยันและมาเรีย เริ่มภาวะผวางด้วยความเป็นห่วงสองคนรังทายเบื้องหลังมีใหญ่ที่เชษฐ้าจะวิ่งตรงเข้ามาและร้องตะโกนสั่งให้วิ่งหนีไปก่อนเช่นไรก็ตามทั้งสามคนมองเห็นเจ้าสัก ร, รายฝูงนั้นอย่างทันหนักและสัญชาตยานก็บอกได้ทันทีว่าอันตรายล่อแหลมเพียงใดสำหรับเชิฐาและระพินซึ่งอยู่ใกล้พวกมันที่สุดในขณะ น, นี้ระวัขอช่วยยิงสกัดไว้ถ้ามันเกิดไล่สองคนนั้นชยันร้องเสียงหลง ยกปืนขึ้นประทับเตรียมพร้อมดาริกนกามเรียจึงตื่นจากภาวะเงื่อนะอันตัดสินใจยังไงไม่ถูกตกลงใจแน่แน่ตามคำบอกของชัยยันคือยืนคุมเชิงปักหลักมัน่นประทับไรเฟิลคอยระวังไว้แล้วก็จริงดังว่าไอ้ตัวหนึ่งเหลือเห็นการเคลื่อนไหวของเชษฐากับประพินเข้าพอดีเป็นตัวที่ขึ้นมาภายหลังและหมดโอกาสจะแย่งชิงเหยื่อจากซากเทรานโดนดอนเพราะตัวอื่นฆ่าไปหมดแล้ว รวมทั้งที่ถึงกระชาติแย่งชิงกันด้วยมันชูคอคอยสังเกตอยู่ไม่ถึงอึดใจก็แลบลิ้นปลาปรับตะกายจากที่ดอนชายฝั่งลงน้ําโครมพุ่งเสือตัวปลาปลาปร า, ปาติดหลังระพินเข้ามาโดยเร็วช่ยันลิงแต่แติดเชทิทาซึ่งกําลังวิ่งโบกมือตรงเข้ามามาเรียก็วาดปืนอย่างรวดเร็วที่สุดบังเอิญในศูนบังเข้ากับใบหน้าของพรานใหญ่เองซึ่งบัดนี้กําลังวิ่งอยู่อย่างไม่คิดชีวิตจึงมีดารินคนเดียวเท่านั้น ที่มองเห็นเป้าหมายโดยไม่มีอะไรบงังหลอนระเบิดจุด300เวเย์์เวทมนออกไประหว่างนี้เองกระโดดลงไปอยู่ในน้ำนเพ้่แน่ใจที่สุดว่าวิธีกระสุนจะไม่พลาดไปถูกพี่ชายหรือพรานใหญ่ซึ่งวิ่งสวนหน้าเริดเข้ามากระสุนนัดนั้นแหวกอากาศเฉียดสีสักของเซตเช่ตาไปสอกเดียวแล้วผ่านสีข้างพรานใหญ่ด้านซ้ายสวนเข้าพอดีก้านคอของเจ้าตัวที่กาลังโกรไล่หลังระพินอย่างถนัดถนี ดีดี้อืนคนที่ทบาปขึ้นตู้มเดียวได้ที่ไอจิงจอกน้ำโตมาฮือมาที่กําลังกวดติดหลังจีมาหงายท้องพึ่งดิ้นเป็นวงกลมน้ําแตกกระจายอยู่ตรงนั้นเองห่างจากด้านหลังของรพินไม่เกินสี่ห้าว่าโดยที่จอมพรานหารู้ตัวไม่ว่าถูกกวดมาติดติดแต่กระสุนนัดนั้นของฝ่ายที่ยิงช่วยเหลือนั่นเองทําให้เขาต้องหันกลับไปทางด้านหลัง แล้วก็มองเห็นภัยซึ่งกำลังจะใกล้เข้ามาอีกอย่างน้อยก็อีกสองสามตัวที่ค่อยๆ ย, ยองทำตัวโกงอยู่บนชายฝั่งพื้นแห้งขณะนี้ยิงระพินทําไมไม่ยิงชัยันกมาเรียแพตะโกนประสานกันบอกมาฟังไม่ได้สับพระระยะของคนเหล่านั้นห่างไกลออกไปอีกส่วนเขาสิมองเห็นภาพนั้นอย่างใกล้ชิดที่สุดเนื่องจากตัวเองร่างทายแทนที่ใจจริง พรานใหญ่กลับสุดลงนั่งราบกับพื้นทันทีเขาไม่เกรงอันตรายจากไอ้ฝูงจิ้งจกน้ำเหล่านั้นเพราะถึงยังไงลงได้ปากหลักคิดจะสู้แบบนี้แล้วขอให้มันพุ่งเข้ามาเถิดตัวละนัดไม่มีเหลือแต่ที่กลัวที่สุดก็คือถ้าขืนวิ่งหรือยืนเกะกะอยู่อีกทาไมดารินมาเรียหรือมิฉนั้นก็ชยันอา จ, จริงมาถูกเขาคว่ำไปซะก่อนเพราะยืนขวางทางปืนอยู่ ถ้าเละคาดการว้ไม่มีผิดระหว่างที่นั่งงอบหันกลับไปจ้องเจ้าสัตว์รายอยู่พักพวกจากด้านหลังระดมสันโบกันหูดับตับไหมเสียงหัวกระสุนวีดเสียดอากาศผ่านเนือ้อศีรษะเข้าไปห่างไม่ถึงวาจนต้องหดหัวต่ำลงไปอีกต้นตระกูลจรเทสองสามตัวที่กำลังพูฟราตราาเข้ามาเหล่านั้นก็มีอันถึงกับพลิกทองดิ้นทุรนทุรายเนือซาดกันไปตามตามกัน บางตัวหมอบนิ่งอยู่กับที่ตรงนั้นเองและบางตัวก็ปัดเป๋กระโจนหนีโครมาไปในทะเลสาไม่มีตัวไหนบังอาจเข้ามาถึงตัวเขาได้นั่นเป็นฝีมือของสองสาวเสเป็นส่วนใหญ่ดารินกามาเรียยิงได้เร็วและแม่นยำเสมอชนิดไวาวางใจได้ถ้าไม่ตื่นเต้นหรือตกประมาาจนเกินไปนักส่วนชา ย, ยันยิงเอาดินและต้นไม้กระจุยไปเป็นแถบแถบแต่ก็ได้ผลไปอีกอย่างนึงเหมือนกัน ในการไล่มันเปิดหนีซะโดยเร็วเมื่อเสียงปืนสงบและพร้อมกับการอันตรธานหนีหายไปของเจ้าสัตว์ ร, ร้ายสะเทินนา้าสะเทินบกพวกนั้นพรานใหญ่ถอนใจเฮือค่อยค่อยลุกขึ้นมายืนและเหลียวกลับมาก็เห็นเชษฐาไปยืนรวมกลุ่มอยู่แกะสามคนแล้วคนเหล่านั้นกำลังตะโกนเรียกเขาข่มส่วนพวกพรานพื้นเมืองที่เอาสัมภาระเปิดหนีไปก่อนตามคาสั่งก็กาลังยืนรอกันห่างออกไปอีก ในป่าไม้ริมทุ่งทุกคนหัวเราะออกมาได้เมื่อเห็นเขาเดินหน้าไลเฮียเข้ามาถึงทำไมไม่ยิงล่ะผู้กองมันกวดไล่หลังคุณมาติดๆไม่เห็นเลยชายันถามโทจะยิงอะไรล่ะครับก็ตอนที่ผมวิ่งแจนมาเนี่ยมองเห็นอยู่ทนโธว่าคุณทั้งสามคนนะ่ะส่องไรเฟิลมาทางผมโอ้ยใจหายใจความหมดผมน่ะไม่กลัวถูกมันฆ่าไปหรอก แต่กลัวถูกลูกหลงซะมากกว่าใข่ก็ไม่รู้สิยิงเฉียวหูผมไปองคูรีเดียวเท่านั้นละ่ะตอนลงนั่งราบกับพื้นน่ะฮึดูถูกฝีมือกันซิจริงรู้นี้ยิงให้ความเขาเมาอยู่ตรงนั้นแล้วให้มันฆ้าไปเะรู้แล้วรู้รอดไม่รู้หรอกเหรอไว้ตัวที่ฉันยิงกลิ้งไปตัวแรกน่ะจมูกมันเน่ยอยู่ห่างก้นไปถึงสองวาดารินพูดพลางหัวเราะพลางบรรจุลูกชุดใหม่เข้าแม็กกาซีนแล้วผลักลูกเลื่อนเข้าที่ พร้อมกันเหนี่ยวไก่อุบไว้เป็นการลดนกก่อนที่จะค่อยๆปิดกาดลูกเลื่อนลงพรานใหญ่มองหน้าไม่ตอบว่าอะไรได้แต่จุปากครูศรีษะช้าช้าอยู่เช่นนั้นมาเรียบอกยิ้มๆมาอีกคนนึงว่า <c oughs> นี่ไม่ยากรู้นะว่าตอนที่คุณบอกให้พวกเราวิ่งหนีล่วงหน้ามาก่อนนะคุณจะยอมตัวเป็นเหยื่อล่อมันถ้ารู้อย่างนี้พวกเราคงไม่ยิงช่วยไว้หรอก ฉันเห็นแล้วพี่ใหญ่จะยิงในตอนแรกคุณยกงปัดมือเขาเลยแล้วก็พากันวิ่งหนีไปเฉยๆสิอย่างนั้นแหละกระพินนะ่ะเขาเป็นคนไม่ชอบทํากระสุนให้เปลืองโดยไม่จําเป็นยิ่งรู้อยู่ว่าคนที่มากับเขานะ่ะล้วนเป็นนักผลักกระสุนกันแทบทั้งนั้นเขาก็ยิ่งประหยัดยิ่งขึ้นกระสุนของเขาแต่ละนัดนะ่ะมีความหมายสําคัญสุดยอดทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่เพื่อการยังชีพก็หมายถึงกู้ชีพและในสถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้แล้ว หัวหน้าคณะบอกและชวนให้ทุกคนออกรุดหน้าต่อไปโดยทิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เบื้องหลังโดยไม่ประสงค์จะหันไปใส่ใจอีกให้หนักสมองพวกพรานพื้นเมืองยืนคอยอยู่ด้วยสีหน้าที่ตื่นเลิกหลักมีแต่งแง้ทายคนเดียวที่หน้าตาเฉยเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับคำสั่งให้แบกของล่วงหน้าหนีมาก่อนเสือนั่นกับขยินก็แบกของวิ่งอ้าวมาโดยไม่ได้มองย้อนหลังเลยนอกจากจะมาหยุดรวมพลอีกครั้ง รงตำแหน่งนี้พอสุปตากระจอมพรานผู้เปียกมลกมะแลกคลุกโคลนไปหมดทั้งตัวพระวิ่งหกล้มหกลุกก็ยิ้มฟันขาวชนิดที่ราพินอยากจะถีบให้สักเปลี่ยนํำหน้าต่อไปกลับออกไปทั้งเดิมเขาสั่งเสียงห่วนๆใบหน้านั้นยิ้มพรายกว้างออกไปอีกโดยไม่โต้อตอบเจรจาคำใดทั้งสิ้นพอหันหาทิศได้ก็ออกท่องน้าสวบสวบ ลากอาคารหามซึ่งมีขยินเป็นหุ้นส่วน9้าต่อไปเงีย้าายเป็นเช่นนี้เองในเวลากลางวันต่อหน้าบุคคลที่สามปากของมันเป็นใบจะใช้จำนันจาขึ้นมาก็ต่อเฉพาะยามวิกาลที่อยู่กับเขาสองต่อสองเท่านั้นและทุกครั้งที่พูดทุกประโยคกินลึกแฝงปริศนาให้ต้องคิดหนะักเพียงไม่นานนัก ทั้งหมดก็เข้ามาสู่ดงที่แลเห็นค้างคาวห้อยหัวเกะ ก, กะอยู่บนยอดไม้สูงอีกครั้งต่างสอดสายสายตาค้นหายอย่างระมัดระวังนั่นไงห้อยหัวอยู่นั่นกลุ่มหนึ่งชายันค้นพบก่อนเพื่อนรีบชี้มือบอกโดยเร็วทุกคนเงยเเรตามที่หมายชี้บอกและเห็นสัตว์ประเภทค้างคาวเกาะห้อยหัวอยู่บนกิ่งไม้สูงลิบตรงบริเวณที่ทึบมืดเป็นเพิงซุง้ม เรียงกันเป็นกลุ่มประมาณเจ็ดแปดตัวนานๆจะขยับดุบดิบเคลื่อนไหวให้รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสักครั้งทั้งหมดพากันหยุดยืนจ้องสังเกตอยู่ครู่ใหญ่พยายามจะมองหาตามบริเวณอื่นที่ใกล้กว่านั้นแต่ก็ยังมองไม่เห็นเอาละไม่ต้องเดินหาที่อื่นให้เสียเวลาหรอกเอาเป็นว่าสอยไอ้พวกนั้นแหละลงมาดูให้ชัดสักตัวแล้วกันท่านหัวหน้าคณะบอกมารียทำบุยบายกระจัน จะขอยืมปืนลูกซองเบราวนิ่งมาและจันก็ขยับจะปลดให้แต่พรานใหญ่ห้ามไว้สักก่อนอย่าเลยครับนอกจากจะเปลืองโดยไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรแล้วนะ่ะมันอาจจะเละไปหมดทั้งตัวเพราะจันใส่ลูกปลายขนาดใหญ่ไว้ทั้งนั้นเอาลูกกรดดีกว่าครับคุณหญิงนะ่ะมีปืนสั้นลูกกรดติดเป้หลังอยู่ด้วยกระบอกนะึงคำพูดประโยคหลังของเขาเหมือนจะบอกโดยตรงให้ดารินเป็นคนลงมือสอยมันลงมา แต่ปรากฏว่าราชสกุลสาวควักปืนสั้นลูกกรดของหล่อนออกมาจากย่ามหลังและส่งให้เขาฉันเหนื่อยเหลือเกินมือสั่นไปหมดคุณดีกว่าอ่ะนี่ปืนพรานใหญ่มองหน้าแล้วรับมาอย่างไม่เกี่ยงอะไรอีกเสียงเจ้าของปืนบอกมาเบาๆว่าเปลี่ยนโมดจุดสองสองแม็กนัมไว้นะแต่ก็ใส่ลูกแม็กนัมด้วยระยะขนาดนี้นะ่ะสบายมากขอให้ถูกเถอะ ระพินยกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกยังขัดใจไม่กล่าวคำใดทั้งสิน้นส่งไรเฟิลของตนเองไปให้ชัยันช่วยถือไว้เดินลุยน้ำเบาๆตรงเข้ามาที่รากไม้สูงที่โผล่เหนือน้ำต่อนหนึ่งจับปืนซิงเกิลแอคชั่นแบบซูเปอร์ซิงเกิลซิกกระบอกนั้นไวในมือทั้งสองและพาดมือกับรากไม้หาฐานยิ ง, งันมั่นคงที่สุดเล็งไปยังตัวหนึ่งที่เกาะห่างอกมาโดดเดี่ยวตัวเดียวอึดใจใหญ่ เขาก็สับไกลปล่อยกระสุนจุส อ, สองแม็กนัมออกไปอย่างประณีดรำมัดระวังเสียงกระสุนระเบิดแหลมสนันวันไหวในดงไม้ทึบไม่เกิดอะไรขึ้นซักอย่างเดียวภายหลังจากกระสุนนัดนั้นระเบิดเสียงใครต่อใครหลายคนครางออกมาอย่างผิดหวังเสียงปืนไม่ได้ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือแตกตื่นสําหรับเจ้าค้างคาวกลุ่มนั้นชะด้วยซ้ําแต่ทุกคนเห็นระพินเดินถือปืนกลับเข้ามารวมกลุ่มอย่างสงบ ส่งปืนคืนให้เจ้าของแล้วกันกระพินยิ่งผิดก็ทำไมถึงไม่ยิงอีกเล่านัดที่สองที่สามก็คงโถูเขาเองแหละด่ารินร้องทรานใหญ่ไม่ตอบแต่ขมวดคิ้วทำหน้าเคร่งนิดนึงขนาดนั้นเองแงสายก็พาดคานหาบของตนไว้กระกิงไม้โดยให้ขยินถือไว้อีกข้างนึงก่อนเพื่อไม่ให้สัมภาระหย่อนลงถึงน้ําตนเองเดินล่าจากหมู่ทั้งหมด ลุยน้ำสวบสวบูบตรงเข้าไปที่ใต้ต้นไม้ตรงระดับกับที่กลุ่มค้างคาวห้อยหัวอยู่ยังไม่ทันที่แง่ทายจะเดินเข้าไปถึงดีเจ้าตัวที่เป็นเต้าหมายการเลงของพรานใหญ่ก็ปล่อยตัวจากกิ่งที่เกาะร่วงพลอยตกลงไปในน้าตื้นๆตรงหน้าของแงสายทมกลางการอ้าปากค้างอย่างงงงันของทุกคนอีกครั้งระหว่างที่แง่ายก้มลงเอามือขี่ปีกด้านหนึ่งหัวร่องแรงเข้ามา คณะนายจ้างทั้งหมดหันมามองดูหน้ากันเองแล้วมองไปยังแง่ทายกับระพินสลับกันอยู่เช่นนั้นเห็นไหมไม่ว่าอะไรคู่นี้น่ะเขาทันกันทุกอย่างเรามองดูอยู่นี่เห็นตรงกันหมดว่าระพิน ย, ยิงนัดนั้นน่ะผิดแต่งแง่ทายมันรู้ว่าถูกไม่ต้องมีสัญญาณ น, นัดหมายบอกกันด้วยอีกคนนึงยิงเอาไว้อีกคนนึงเดินเข้าไปคอย <c ười> เก็บอย่างใจเย็นที่สุด <c ười> <c ười> <c ười> พวกเราสิ เข้าใจผิดกันหมดชายันครางออกมาอย่างกลัวใจพร้อมกระจุบ ป, ปากโครงหัวเบาส่วนดารินไม่พูดอะไรนอกจากถอนใจยาวและตะหวัดหางตาคอนจอมพรานของหล่อนอย่างขวางๆทำปากหมุกมิบอยู่คนเดียวไม่ใครได้ยินแง่ท า, ายเดินหิ้วเข้ามาถึงก็วางซาดเจ้าสัตว์ปีกหนังนอนหัวห้อยตัวนั้นลงกับโคนรากไม้ขณะนายจ้างทุกคนก็ตรงเข้ามาล้อมดูอย่างสนใจโดยเร็ว พอมองเห็นลักษณะถนัดทุกคนก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความตกใจระคนประหลาดใจขนาดตัวของมันเท่าค้างคาวแม่ไก่พอดีแต่ดูเหมือนจะป้อมสั้นและมีปีกที่คล่องแคล่วแข็งแรงกว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับทรงหน้าซึ่งเหมือนกันหน้ายักษ์หรือไม่ฉะนั้นก็หมาบูลด็อกซึ่งมีเขี้ยวล่างอันแหลมคมโผล่พ้นแสงริมฝีปากขึ้นมามองเห็นได้ชัด มาเรียใช้เศษกิ่งไม้เล็กๆเขียดูมันอย่างละเอียดทีท่วนที่สุดด้วยดวงตาอันเบิกโพล่งตื่นเต้นลักษณะใกล้เคียงกับค้างคาวก็จริงแต่อะไรต่ออะไรหลายอย่างในตัวของมันก็แพลกผิดไปจากค้างคาวสามันที่เคยเห็นกันมาแล้วโดวยเฉพาะลำตัวซึ่งปรากฏเป็นรูปเด่นชัดของสัตว์เลื้อยคลานที่เพิ่งจะงอกปีกขึ้นมาภายหลังกระสุนจดส อ, สองนัดนันทะลุเข้ากลางอก ่านออกสันหลังอย่างแม่นยำและเฉียบขาดที่สุดแต่ก็กินเวลาหลาอึดใจอยู่ก่อนที่มันจะขาดใจตายสนิทและปล่อยกรงเล็บอันเหนียวแน่นที่เกาะหัวห้อยอยู่กับกิ่งไม้ให้หลุดร่วงลงมาความเร็วและขนาดหน้าตับอันเล็กของกระสุนเจาะผ่านร่างกายมันไปเร็วเกินไปไดยมองจากเบื้องล่างระยะห่างไม่เห็นอากับกิริยาสะดุ้งสะเทือนสแสดงว่าถูกปืนเลย เอถ้ามันจะไม่เหมาะแฮะหน้าตามันก็บอกอยู่ชัดทีเดียวเห็นจะจริงอย่างที่เมตั้งข้อสังเกตไว้ซะแล้วละ่ะเชษฐถาพืมพามขึ้นเสียงต่ำๆสอยเปลือกตาทีจ้องซากของเจ้าสัตว์หน้ายักษ์ชนิดนั้นลักษณะมันจะเป็นนกก็ไม่เชิงค้างคาวก็ไม่ใช่นอกจากเขี้ยวสองคู่นั่นแล้วฟันคมยังเต็มปากไปหมดถักกับที่เป็นวอะวะทันทีปากกว้างซะด้วยสิ ช่ยันกระซิบด้วยอาการตะครั้นตะครอขึ้นอีกคนหนึ่งมันใช่พวกโรแด็กทิลอยหรือเปล่านะเมดารินถามในระหว่างที่มาเรียฮอฟมั่นยังจ้องนิ่งเงียบกริบอยู่แม่มสาวกัดริมฝีปากเบาๆและใช้กิ่งไม้เล็กๆเชีห้ดูตามแนวลำตัวและพังผืดหนังที่แผลออกเป็นปีกเห็นไหมว่ามันต่างกับค้างคาวธรรมดาอย่างไงบ้าง แม้กระทั่งขาหลังสองข้างนี่เห็นจะไม่มีปัญหาอีกแล้วละ่ะจะพวกค้อยหัวนอนตามยอดไม้ที่เราเข้าใจแต่แรกว่าเป็นค้างคาวพวกนี้คือเจ้าพวกเทโรซอทั้งนั้นเลยแล้วหล่อนก็เงยหน้าขึ้นยิ้มเล่นเียนกระจอมพรานบอกต่อมาว่านี่ฉันว่าก่อนค่ําของวันนี้เนี่ยเราพยายามออกไปให้ห่างป่าบริเวณนี้ให้มากที่สุดเท่าไหร่ก็จะปลอดภัยเพียงนั้นนะเจะพวกนี้นะเป็นพวกผีดิบ มีปีกหากินในเวลากลางคืนทั้งนั้นเลยแน่ใจเหรอหมชยันถามมาเรียชี้ให้ดูที่เขี้ยวแทนคำตอบแล้วกล่าวว่าเราไม่ควรจะพิสูจน์โดยการยอมเสียชีวิตพวกเราคนใดคนหนึ่งไปซะก่อนไม่ใช่เลยตัวเดียวนะมันไม่กระไรนักหรอกชยันแต่สมมุตินะสมมุติว่ามันโจมตีเราพร้อมกันสักพันตัวแลวป่าในบริเวณนี้ทั้งหมดนะฉันแน่ใจว่าจานวนของมันนะมากกว่านั้นซะอีก อลองคิดดูสิว่าเราจะป้องกันยังไงแล้วเจ้าลูกปืนสู้รบกับมันนะเห็นไม่ไหวหรอกเพราะเป็นเวลากลางคืนแล้วตัวมันก็เล็กคล่องแคล่วมากด้วยอืมไม่พูดก็น่าคิดนะเอาเป็นว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเชื่อวาสนับสนุนมาอีกคนหนึ่งริตามองดูเจ้าซากเธอโรแด็กที่ลอยตัวนั้นอย่างสยองใจตกลงครับผมจะพยายามออกให้ห่างทะเลสาบแห่งนี้ให้มากที่สุด แต่คิดว่าถึงยังไงก็ไม่น่าจะวิตกนักหรอกป่าและทุ่งแถบนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์มากมายก่อนที่มันจะรุมถึงเรามันก็น่าจะได้เหยื่อก่อนมันก็น่าจะได้เหยื่อก่อนเราแล้วโดยไม่ลำบากนักแล้วก็คงจะกระจายฝูงแยกย้ายกันออกไปทั่วๆตามสภาพอันอุดมสมบูรณ์นี้คงไม่มุ่งหน้าไปเล่นงานเราหมดทั้งโขลงนะครับพรานใหญ่รับคําเพื่อเกิดความสบายขึ้นสบายใจขึ้น แก่ฝ่ายนายจ้างของเขาทุกคนเคลื่อนที่ต่อไปได้วยความรู้สึกอันหนาวหนาวร้อนรอนดารินยังคงถือปืนสั้นลูกกรดแมกนัมที่ระพื้นคืนให้อยู่ในมือโดยสะพายไรเฟิลประจำตัวไว้เดินแงนมองสังเกตยอดไม้ไปตลอดทางและหล่อนก็พบเข้ากับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกาะอยู่ในส่วนไม่สูงขึ้นไปมากนะักอยากจะดูให้แน่ชัดอีกครั้งว่ารูปร่างหน้าตามันเหมือนกับตัวที่พรานใหญ่สอยลงมาหรือไม่ จึงบอกให้รู้ตัวว่าหล่อนจะยิงละและยกปืนขึ้นส่องเหนียวไกลลั่นกระสุนออกไปอีกสองสามนัดร่วงลงมาอีกตัวหนึ่งนอกนั้นส่วนใหญ่บินพลูแตกตื่นไปด้วยความตกใจเพราะเสียงกระสุนที่ระเบิดรัวถี่ยิบเมื่อเข้าไปดูที่ซากซึ่งหล่นลงมาก็พบว่ามันเป็นพันเดียวกับตัวแรกนั่นเองไม่ได้ผิดแผกไปเลยตรงกับที่มาเรียสันนิษฐานไว ร่มเงาของป่าบริเวณนั้นมืดคลึมมากพระยอดที่แผ่ปกคลุมไว้ทึบจะพวกที่แตกตื่นเสียงปืนและพากันบินแตกจากกิ่งที่เกาะห้อยหัวนอนอยู่เริ่มจะบินโฉบฉวัดฉวียนป่ปนปีนข้ามาใกล้ฝ่ายมนุษย์ที่กำลังเดินท่องน้ำเข้าขาบวนกันอยู่พร้อมกระส่งเสียงร้องคล้ายๆหนูแต่อันเนื่องมาจากเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนในเวลากลางวันเช่นนี้จึงไม่สู้จะคล่องแคล่วรวดเร็วนัก ทว่าการบินโฉบเฉียดตามหน้าและศีรษะอยู่ไปมาอย่างใกล้ชิดบ่งรูปการที่ไม่ค่อยจะดีนักทำมาทุกคนต้องดึงมีดประจำตัวขึ้นมาถือไว้เรียมหวดกระนำฟันสวนหากมังพุ่นโครงเข้ามาและเร่งฝีเท้าท่องน้าผ่านบริเวณ น, นั้นออกมาโดยเร็วที่สุดเชดฐาใช้ทางแบนของดาบเดินป่าที่ขอยืมมาจากบุญคำไปสวนตกน้าไปสองตัวขณะที่มันโฉบผ่านศีรษะเ้าและฟันมันขาดตายอยู่ตรงผิวน้านั่นเอง ทางพากันโล่งใจเมื่อโผล่มาพบชายทุ่งหญ้าท่ามกลางท้องฟ้าอันกระจางแจ้งแจ่มใสอีกครั้งรพิงจับทิศอยู่ชั่วอึดใจเดียวก็ออกเดินนำใช้มีดฟันหญ้าและกกที่ขึ้นอยู่ท่วมศีสระแหวกทางไปพร้อมกับส่งเสียงตะเพิดเบาๆในลำคอเป็นระยะเพื่อล่สัตว์ที่อาจซุ่มตัวอยู่ให้หลีกทางซะก่อนที่จะประจันหน้ากันอย่างเผาขนเส้นทางนั้น ายหน้าอ้อมขอบทะเลสาบไปทางด้านตะวันออกโดยตัดไปในทุ่งหญ้าสลับไปกับละมาะและเนินเตี้ยๆหนทางเดินบางครั้งก็เป็นป่าหญ้ารกสูงท่วมหัวและบางครั้งก็เป็นบริเวณที่โปรงโลกอุดมไปด้วยหญ้าแตกระบตดร่องรอยของสัตว์นานาชนิดยังแลเห็นอยู่ได้ทั่วๆ่วไปตะวันสายแผดแสงร้อนแรงกล้าขึ้นทุกขณะแต่ภูมิประเทศอันชุ่มชื่น และลมที่โชอยู่ตลอดเวลาช่วยให้การเดินไม่ทรมานมากนะักเกือบจะมีเรื่องตื่นเต้นถึงเลือดเนื้อเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเมื่อทั้งคณะเผเชิญกับแรดอาร์ซีนอยขนาดใหญ่สองตัวระหว่างตัดทุ่งหญ้าจะไต่ขึ้นเนินเจ้าแรดสองตัวนั้นกำลังนอนเกลือกปลักอยู่ชนิดที่พอเดินเข้าไปใกล้ประมาณ40สเมตรมันก็โผล่พรวดชูคอขึ้นไม้เห็นราวกะรถถังในที่สุดโชคดีที่มนุษย์เป็นฝ่ายอยู่ใต้ลม และรพินหาทางเดินเลี่ยงอ้อมหลบไปได้อย่างชนิดแคล้วคลาดบุดบิดทั้งคณะไม่ปรารถนาจะยุ่งกับมันโดยไม่จําเป็นเพราะเห็นฤทธิ์เดชความทรหดของมันมาแล้วสัตว์ประเภทกินพืชลำตัวอวบล่ําสันบนหลังเต็มไปด้วยน้ําแหลมคมแทนอาวุธหรือเกราะป้องกันตัวอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของโลกหลงสำรวจอีกสองสามชนิดก็ทำเอาคณะเดินทางทั้งหมดแตกตื่นรวนเรกันขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ที่เผชิญหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่ทันรู้ตกก่อนแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าทุกคนก็ปรีกรอดปลอดภัยไปได้ด้วยไหวพริบปฏิพันธ์ของจอมพรานที่จะหาทางหลีมากกว่าจะปะทะประกอบกับพื้นความรู้ในทางโบราณชีว า, าสารของมาเรียซึ่งคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึก ษ, ษาอยู่เจ้าพวกอันมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเหล่านั้นบางชนิดก็ไม่ได้มินิสายดุไรกระหายเลือดเลย และเป็นฝ่ายล่าถอยผลักหนีซะมากกว่าในกรณีที่มันไม่จวนตัวหรือเข้าตาจนจริงๆบ่ายโมงตรงภายหลังจากหยุดพักกินอาหารเที่ยงกันที่ยอดเนินเตี้ยๆลูกหนึ่งทางฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบจอมพรานก็อยู่ในระหว่างการชั่งใจว่าเขาจะนำคณะตัดเข้าป่าลุ่มตามขอบทะเลสาบซึ่งมีลักษณะเหมือนเวิงอ่าวซึ่งเป็นระยะที่แลเห็นทุ่งหญ้าเบื้องหน้าออกไปไม่เกิน3กิโลเมตร หรือจะเลือกเดินในที่ดอดแต่จะต้องอ้อมขึ้นไตเนินสลับซับซ้อนสูงสูงต่ำาๆที่ขวางหน้าเหล่านี้ไปในระยะไม่น้อยกว่า10กิโลเมตรแล้วเขาก็บอกถึงการชั่งใจนี้ให้แกคณะนายจ้างพร้อมทั้งเสนอขอความเห็นเฉทาส่องกล้องตรวจบริเวณลงไปยังด้านป่าทึบริมทะเลสาบซึ่งฟานใหญ่บอกให้ทราบว่าเป็นหนทางอันย่นยอ่อ แล้วหันมาเปรียบเทียบกับการเดินขึ้นลงระหว่างเนินต่อเนินอีกด้านหนึ่งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้ถึงนั้นก็มองเห็นชัดอยู่ทั้งสองด้านเพียงแต่ระยะที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทะเละขอบฝั่งทะเลสาบนะเราน่าจะย่นเวลาและระยะทางได้มากไม่ใช่เหรอครับแต่ป่าริมเวิองอ่าวทะเลสาบด้านนี้นะทึบมากนะครับแล้วก็เป็นป่าที่ลุ่ม ซึ่งเราจะต้องเดินท่องน้ํากันอีกครั้งด้วยครับอืมบางส่วนก็ทึบบางส่วนก็ปโปรง่งหัวหน้าคณะกล่าวเหมือนจะพูดกับตนเองระหว่างตรวจด้วยกล้องอย่างพิเคราะห์ปัญหานะั้นมันอยู่ที่ว่าระดับน้ําในส่วนลึกที่สุดซึ่งเราจะท่องไปนั้นนะ่ะอยู่ในระดับเล็บป่าบริเวณที่รกทึบที่สุดนั่นเป็นระยะที่เราจะต้องเดินฝ่าไกลสักเพียงใด ก็อาจจะถึงโคนขาหรือเอวในระดับที่ลึกที่สุดแล้วก็เป็นระยะไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลเมตรในส่วนที่ทึบที่สุดชนิดมองไม่เห็นทองฟ้าแต่ผมเชื่อว่าแสงสว่างพอจะสาดจากป่าเบื้องนอกเข้าไปให้เห็นได้พอสมควรนะครับถ้าถึงทุ่งหญ้าข้างหน้านอนแล้วเราจะมุ่งตะวันออกไปมุมตรงเลยไม่ใช่เหรอโดยไม่แวะข้องแวะเข้ามาใกล้ทะเลสาบอีกแล้วใช่ไหม ก็แล้วทำไมคุณถึงไม่ตัดสินใจทนลำบากบุกน้ำริมฝั่งทะเลสาบกันเป็นครั้งสุดท้ายช่วงระยะสั้นๆดีกว่าจะเสียเวลาเดินอ้อมละ่ะชยันถามระพินไพรวันนิ่งไปครู่ใหญ่ระหว่างนั้นเขากำลังมวนบุหรี่ใบตองแห้งจากกลักยาของบุญคำอยู่เชษฐาเห็นก็รำคาญเต็มทีหลวงซิก้าส่วนตัวมาส่งให้อีกตัวหนึง่งยอมพรานพึมพำขอบคุณพร้อมกับยิ้มให้แต่แทนที่จะจุดสูบ กลับใส่กระเป๋าเสื้อเก็บไว้อย่างบรรจงมวลบุหรีใบตองต่อไปอย่างใจเย็นแล้วใส่ปากคาบจุดไปสู่ก่อนจะตอบเรียบเรียบว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมไม่อยากจะเลาะเรียบชิดฝั่งทะเลสาบมรณะนั่นอีกเลยนะครับอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเราจะต้องเดินลุยอยู่ในน้ำและในบริเวณที่อับทึบนะถ้าฉุกเฉินอะไรขึ้นแก้ไขลาบากมากครับ ตรงนั้นน่ะเป็นบริเวณเวิ์ลักษณะเหมือนอ่าวด้วยนี่ในการหาหรือเกี่ยวกับเส้นทางคื้นหน้าทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมคุณถึงไม่ลองหยั่งเสียงแง่ทรายดูบ้างละ่ะนายพรานดารินข้องใจพรานใหญ่ยักไหลผมได้ถามมันก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเอาปัญหานี่มาพูดกับคณะนายจ้างของผมแล้วนะครับ แต่เจ้าคนใช้พิเศษของคุณหญิงนะ่ะมันไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นมันบอกว่าหน้าที่การนําทางตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะ่ะเป็นของผมโดยตรงสมองของมันตันให้ความคิดอะไรไม่ได้ครับถ้างั้นก็แปลว่าเขาคงไม่รู้เส้นทางอีกแล้วอสิเปล่ามันแปลว่าจากเขาเกิดบ้ามาจนถึงทะเลสาบนี่นะ่ะมันเป็นคนนํามาแล้วต่อไปนี้นะ่ะมันก็อยากจะอยากจะดูผมเป็นคนนําบ้างต่างหากอ๊ะ ก็บอกเช่นนั้นเหรอตาแล้วครับแต่สายตามันบอกอย่างนั้นเหลวไหลนะ้าคุณจะคิดอคติเช่นนี้กับแง่ายจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งนีืยังไงคุณหมอคนสวยทําเสียงตําหนิแล้วก็ตับบดบทโดยการกวักมือเรียกแง่ายผู้นั่งกอดเขานิ่งอยู่คนเดียวเข้ามาแล้วหล่อนก็ถามเพื่อขอความเห็นเจ้าคนที่มีสมรรถภาพเยี่ยมที่สุดคนนึงของคณะเดินทาง หันไปมองฝั่งทะเลสา์แล้วก็เบือนไปทางลูกเนินอันเป็นทางอ้อมอึดใจหนึง่งก็บอกหน้าตาเฉยว่ะสุดแล้วแต่ผู้กองกระเจ้านายทุกคนจะเห็นสมควรนะครับโทไอ้เทโรแดกทีนลอยไม่เดี๋ยวก็ถีบชายันสบดด่าอย่างหัวเสียง้างตีนขึ้นแต่แง่ท า, ายเดินออกพ้นรัศสมีตีนยาวๆของชายันไปซะแลว้ว ในการรวมหัวเพื่ อ, อย่างความเห็นไปยังทุกคนแม้แต่พวกพลานพื้นเมืองต่างก็มีความเห็นตรงกันหมดที่จะให้ใช้วิธีย่นระยะยอมเดินลุยน้ำในป่าทึบที่ลุ่มริมขอบทะเลสาบไปะตกลงเชษ่าตัดสินใจเลือกทางอย่างน้อยลองดูก็ได้เห็นถ้าไม่ดียังไงก็ค่อยย้อนถอยมาเริ่มต้นที่นี่ใหม่มันก็ไม่เสียเวลาอะไรมากนักนี่มองเห็นขอบฝั่งอยู่ใกล้ๆแค่นี้เอง จากบริเวณยอดเนินที่พักตั้งหลักห่างจากชายป่าที่ลุ่มริมฝั่งไม่เกินครึ่งกิโลชั่วไม่กี่อึดใจของการเดินต่ำลงมาเป็นลำดับทั้งหมดก็พบตัวเองเข้าไปอยู่ใต้เงาปกคลุมของไม้ประเภทไพนัสและอะโรกาเรียอีกครั้งที่แรกก็เว้นระยะห่างๆกันออกไปพอจะมองหินทองฟ้าได้บ้างต่อมาก็เริ่มจะทึบขึ้นเป็นลาดับ เท่าๆกับที่ระดับน้ำขังตามพื้นที่ก็ลึกลงไปทุกที่ระพินคงทำหน้าที่เป็นผู้นำอยู่เช่นเดิมด้วยสัญชาตยานจอมพรานของเขามีแนวคันดินหรือสันดอนโผล่อยู่เป็นระยะๆะะไประหว่างพื้นที่น้ำท่วมนั้นพรานใหญ่พยายามเลือกทางเดินไปตามสันดินเหล่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ทอดไปยาวไกลหรือว่าอยู่ในทิศทางที่ต้องการจะไปนักต้องตัดย่าลงน้า และไปขึ้นสันดินแนวต่อต่ อ, ตอไปเป็นลําดับระดับน้ําที่เคยลุยกันแค่หน้าแข่งก็เริ่มจะกินลึกลงไปถึงเขา่าและนับเวลาที่ยิ่งรุดหน้าไปในทิศทางที่ต้องการน้ําก็ยิ่งลึกลงทุกทีสังเกตได้จากสายตาที่เห็นและการก้าวลงไปยังอย่างแท้จริงขณะที่จะเปลี่ยนแนวสันดอนแถบหนึ่งไปสู่อีกแถบหนึ่งทุกคนระวังตัวกันตามปกติวิสัย โดยไม่ต้องกล่าวเตือนกันเลยแยกกันดูสูงต่ำและรอบตัวทั่วไปการเดินไม่อาจรีบด่วนได้เหมือนเช่นเดินไปในพื้นโลกหากแต่เดินกันไปในลักษณะจดจดจ้องจ้องมันยือกเย็นวังเวงใจยังไงบอกไม่ถูกในระหว่างป่าทึบที่พื้นดินมีน้ำขังหล่อเลี้ยงราวกับทะเลอยู่ตลอดการเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบและสนิทนิ่งราวกับภาพวาดผิดกันเป็นตรงข้าม กับที่อยู่ชายทุ่งเบื้องนอกซึ่งมีลมโชยอยู่ตลอดเวลาในที่สุดจอมพลานก็นำคณะทั้งหมดมาหยุดชะงักนิ่งอยู่ที่ปลายคันดินแถบสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่คันดินอีกฝั่งหนึ่งระยะห่างออกไปร่วมส0สิบเมตรเห็นโูเป็นสันอยู่เบื้องหน้าตรงหน้าเขาคือน้านิ่งสีเข้มเทว่ใาสาแจว๋วและเห็นมวลต้นไม้นาม้างอกงามอยู่ทั่วไปใต้ผิวนา้า เมื่อใช้ปลายไม้อย่างดูก็พบว่ามันลึกประมาณหนึ่งเมตรนั่นหมายถึงถ้าก้าวลงไปก็จะจมถึงเอวหรือโคนขาทีเดียวมีหนาซ้ำพื้นเบื้องล่างยังคงเป็นโคลนเหลวเนื้อกว่ามวลวัชพืชสาหร่ายและไม้น้ำทั้งมวลที่ขึ้นอยู่บริเวณ น, นั้นสายตาอันคมกริบของจอมพรานจับนิ่งไปยังพืชชนิดหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมา ก, ก่อนด้วยอาการไข้ครวนครุ่นคิด ลักษณะของมันเป็นใบเหมือนบัวกระโดกแต่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณเท่าตัวกลางใบรัศมีวงกลมสีเขียวสดอยู่ใต้น้ำระดับเหนือพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อยปรากฏกระจายอยู่ทั่วบริเวณทั้งสองฝากฝั่งสันดินที่พากันมาหยุดยืนกันอยู่สิ่งที่น่าประหลาดก็คือแต่ละใบของพืชอันมองประดุดใบบัวใต้น้ำชนิดนั้นไม่ปรากฏว่ามีใบไหนจะโผล่พ้นระดับน้ำขึ้นมาเลย มันแผ่ใบอยู่ใกล้พื้นเบื้องล่างชิดดินทั้งสิ้นใจกลางใบเป็นช่องเรียวลงไปอันคงจะเป็นแกนกลางของกา้านจะดูอีกทีนึงก็มีลักษณะเหมือนดอกลำโพงที่บานอยู่ใต้น้ำจำเรื่องมองใบหน้าของคณะเจ้านายทุกคนก็เห็นคนเหล่านั้นกว่าตาดูอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีใครให้ความสังเกตรหรือสนใจอะไรมากไปกว่าพิจารณาดูไม้น้าธรรมดาไป ลุยต่อน้ำไม่ได้ลึกเกินไปนักไม่ใช่เหรอเชี่าพยักหน้าร้องเตือนมาพร้อมกับถอดเข็มขัดปืนสั้นที่คาดเอวอยู่เอามาคล้องไหลไว้กันไม่น้ำเปียกถึงปืนพกได้หากระดับน้ำจะลึกถึงเอวชายันดารินก็ปฏิบัติตามแต่ทุกคนก็ยังเห็นพรานใหญ่ยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่ขยับขยืน่นกว่าปาไปรอบๆบ ทั้งใกล้และไกลออกไปรอบตัวอย่างแนวน้ำนั้นดินข้างใต้เป็นโคลโนเหลวนะครับในที่สุดเขาก็บอกมาเสียงต่ำๆถ้าทางไม่ปลอดโปรงนะักระดับน้ำแท้จริงนะ่าอาจไม่ลึกนะักแต่โคลโนมันจะช่วยให้ลึกลงไปอีกช่วงระยะที่เราจะลุยกันไปจนถึงสันดินฝากโนนก็ห่างไม่ใช่เล่นโดยเฉพาะพวกแบกของหนักน้าหนักของจะกดตัวให้จมลงไปอีก ผมเกรงว่าสัมภาระเราจะเปียกหมดครับอะแล้วเราจะทำยังไงล่ะทางเลี่ยงอ้อมไปด้านอื่นก็ไม่มีด้วยสิผู้กองชัยยันว่าเตรียมตัวลุยน้ำเต็มที่ขยับจะแย่เท้าก้าวลงไปเป็นคนแรกแต่ฝ่ามือกลัง้งกลงของพรานใหญ่เหนียวไหลวายไม่พูดคำใดเพียงแต่ยิ้มให้นิดนึงพร้อมกับสั่นศรีรษะแทนคาห้ามแลวดีดนิ้วเรียกแง่ใาสาเข้ามาแง่ใาสา เราต้องการยังว่าระดับน้ำจะลึกสักแค่ไหนความเหลวของโคลนตรงกลางนั่นด้วยเอาเป็นว่าแกทิ้งสัมภาระไว้นี่แหละเดินตัวเปล่าเป็นเรือนําร่องลงไปก่อนเราจะได้สังเกตเหินตามทางที่แกเดินไปแล้วเดินตามร่องน้ำของแกไม่ต้องห่วงหาบนี่เมื่อเดินไปถึงแล้วขึ้นไปรอสันดินนนดฉันจะแบกหาบนี่คู่ไปกระขยินไปให้แกเองเงี้ายยิ้มลำใมยอยู่ในหน่ะ ไม่พูดจาว่าฐานเกี่ยงงอนคำใดทั้งสิ้นจัดเตรียมกายให้รัดกลมอยู่อึดใจก็ทิ้งคานหากไว้คงมีติดตัวอยู่เฉพาะสัมภาระส่วนตัวและไร่ฝนค่อยๆแย่เท้าลงไปในพื้นน้ำนั้นอย่างแช่มช้าทั้งหมดเฝ้าแลดูการเคลื่อนไหวไปตามพื้นน้ำของแง่ทรายด้วยอาการปกติธรรมดายกเว้นพรานใหญ่คนเดียวซึ่งจับสังเกตดูทุกอิริยาบถแห่งการก้าวย่างไปนั้น ตาไม่กระพริบร่างสูงใหญ่ลุยน้ำไปอย่างแผวเบาเหมือนจะพยายามให้น้ำที่ปกคลุมพื้นที่อยู่นั้นได้รับการกระชอกสะเทือนน้อยที่สุดค่อยๆเลาะลัดเหยียบย่องไปตามกลุ่มสาหร่ายและพืชที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำโดยระวังไม่ให้กระทบหรือเหยียบลงไปในใบของเจ้าบัวประหลาดที่ตางแผ่เป็นกระด้งอยู่ใต้น้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 คราวนี้เองที่เชษดถาเริ่มจะสาเนียกได้กับความผิดสังเกตบางประการหันมาจ้องหน้าขมิงมีอะไรเหรอผูกก้กองจ้อมพลานเต็มได้วยความอึดอัดลำบากใจยังไงพี่กุลขยับปากเหมือนจะพูดอะไรออกมาบางอย่างแต่แล้วก็ระงับความคิดนั้นไว้ซะเพียงแต่บอกว่าเปล่าครับก็ไม่มีอะไรหรอกคือผมกำลังจะบอกว่าผมจะเป็นคนเดินนาหน้าไปเอง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 เขาตอบเหมือนจะตัดบทมาว่าก็ เ, าเกี่ยวกับร่องน้ําครับผมเห็นแงาทรายเดินมาตัวอย่างไว้ให้ดูก่อนแล้วผมเองก็จะเดินตามรอยของมันเพื่อพวกเราทุกคนตามไปด้วยถ้าผิดออกนอกเส้นไปมันอาจจะเป็นร่องน้ําลึกทําให้ขลุกคลักหรือสัมภาระเปียกใ่เปล่เปล่าเปล่าจบก็หันไปส่งภาษาบอกทําความเข้าใจกับพวกพรานพื้นเมืองทุกคนในความหมายอย่างเดียวกับที่ได้บอกกับคณะเจ้านายของเขาไปแล้ว ทุกคนพยักหน้ารับทราบภายหลังจากย้ำสั่งจนแน่ใจดีแล้วรลพินก็ขยับจะก้มลงแบกคารหาบของแง่ทรายที่คู่กับขยินขึ้นไหลแต่มาเรียเข้ามาตบแขนไว้สักก่อนบอกว่าไม่ต้องหรอกไพวันฉันใจสางปลามาหาบของคู่กับขยินแทนให้เอาเป็นว่าคุณนะทำหน้าที่เดินอย่างเดียวก็แล้วกันจะได้ดูรอยที่แง่ทรายล่วงหน้าไปก่อนได้ถนัดหน่อยพานใหญ่พยักหน้ายอย่างว่าง่าย มาเรียส่งภาษาบอกความกระสางปาเจ้าตองสูไม่บิดพริ้วหรือรังเกียดรังงอนใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าตนเองจะมีสัมภาระตะหากของมาเรียสภายอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่เหลือบา ก, กว่าแรงอะไรนักในการที่มันจะแบกคานหาบคู่กับขยินอีกอย่างน้อยก็ช่วระยะเพียงแค่เดินผ่านพื้นน้ำก่อนขึ้นฝั่งเมื่อเห็นว่าทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วรพินก็ก้าวลงสู่พื้นเบื้องล่างอย่างระมัดระวังเคลื่อนช้าๆไปเบื้องหน้า ตามรอยเท้าที่แงซทรายเหยียบย่ำไว้ก่อนแล้วจากร่องน้ำคุณที่ทิ้งไว้ให้เห็นโดยไม่ยอมก้าวผิดแนวไปเลยแม้แต่องศาเดียวทั้งหมดทยอยกันก้าวลงและตามหลังเขาเป็นลำดับทีละคนภายใต้กำหนดบงการของเชษฐาผู้เริ่มจะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากนยังไงบอกไม่ถูกเขาไป็คู่ของจันกบุญคาตามหลังพรานใหญ่มาเป็นอันดับสองโดยมีชัยยันขั้นถัดมาก็เป็นเกิดและเสย ขั้นโดยมาเรียคููหาบสุดท้ายเป็นขยินและสางปลาเดยมิดารินเดินตามและตัวท่านหัวหน้าคณะเองคุมระวังอยู่ท้ายขบวนคอยกล่าวเตือนให้ทุกคนระมัดระวังเดินตามรอยของพรานใหญ่ไวอย่างกวดขันที่สุดแม้จะยังไม่อาจเข้าใจอะไรได้แต่สังหรโดยสัญชาตญาณของทุกคนก็มีหยุดตรงกันหมดในข้อที่ต้องพยายามเคลื่อนที่ผ่านบริเวณ น, นันไปชนิดระวังตัวแจเหมือนยอก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 พวกหาบของต้องยกหาบสูงสุดช่วงแขนป้องกันไม่ให้สัมภาระหย่อนลงถึงน้ำในขณะที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนก็ต้องถือไรเฟิลชูขึ้นไม่ต้องรีบครับช้าๆก็ได้ส่งตัวให้ดีนะครับอย่าเสียหลักเซอออกนอกทางเชื่อทุกก้าวก่อนที่จะถอนเท้าขึ้นจากโคลนหาหลักให้มันคงสะก่อนนะครับพรานใหญ่ร้องเตือนมาเบาๆตลอดเวลา 2หรือสามครั้งที่ดารินถอนเท้าขึ้นจากที่จมโคลนเมื่อจะ ก, ก้าวต่อไปแต่ก็เสียหลักจะเซออกนอกทางโชคดีที่เชิดารู้เชิงและคอยเดินคุมอยู่แล้วจับพยุงน้องสาวไว้ได้สักก่อนไม่ให้ล่อนย่ำออกนอกรูกทางแล้วค่อยๆประคองกันไปชายันกมาเรียก็หวุดหวิดอยู่หลายครั้งต้องหยุดพยุงตัวหาสมดุลก่อนที่จะถอนเท้าขึ้นแต่ละครั้ง การเดินข้ามฝั่งทั้งข บ, บวนคราวนี้ดูเหมือนจะใช้เวลานานกว่าแง่ซายที่ล่วงหน้าไปก่อนอย่างแคล่วคล่องถึงเท่าตัวในที่สุดอีกสิบเอ็ดคนที่ตามเบื้องหลังก็บรรลุถึงฝั่งที่แง่ซรายรอยอยู่ก่อนแล้วโดยสวัสดิภาพเปียกบอนโชคน้ำกันไปครึ่งตัวใครก้าวขึ้นสู่ฝั่งก่อนก็หันกลับมาคอยช่วยฉุดอำนวยความสะดวกให้แกผู้ที่ทยอยติดตามมาถึงภายหลัง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 ออกจากสะโพกกันเกงลงไปจนถึงปลายขาบุนอุบอิบในลำคอมาเรียก็ขึ้นเป็นรูปร่างชัดเจนกว่าซะอีกเพราะอวบใหญ่กว่าแต่แม่สาวไม่สนใจกับตนเองเท่าใดนักเพียงแต่สลัดน้ำไล่สลัดขาไล่น้ำออกไปเท่านั้นสิงชัยยันไม่วายจะกระซ้าเพื่อนสาวมาว่านี่ตรวจ ด, ด้วยทั่วห น, น้อยไปิงเข้าไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้บ้า คนกลัวปริงหันมาร้องเสียงแหวอยังขวัญเสียพูดอะไรก็ไม่รู้คนจิงใจไม่ดีอยู่ด้วยรู้งี้ยอมเดินอ้อมซนะดีกว่าไกลหน่อยก็ยังดีไม่น่าจะเลือกทางเดินลำบากแบบนี้เลยแล้วหล่อนก็ดึงชายเสื้อที่ตามปกติสอดไว้ในขอบกางเกงปล่อยชายลงมาปิดให้ต่ำกว่าระดับสะโพกซะปล่อยให้รับพินไพรวันโล่งอกไปด้วยเงียบๆแม่ดอกฟ้าของเขารัตกุมอยู่ในท่ามกลางชายชะกันในไพรเถื่อนเช่นไร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 เนี่คุณใส่คลุมซชใส่ทำไมร้อนจะตายไปแมมสาวหน้าตื่นพาซื้อส่งเสื้อคืนให้เขาอาดีตนายทหารปืนใหญ่จุปากจึกจักน้าทนร้อนอุ่นหน่อยดีกว่าที่จะให้อีกหลายหลายคนพวกเราร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพวกพลานพื้นเมืองทั้งหลายนะี่คุณใจพวกนั้นคลั่งตายได้ออยังไงนะฉันไม่เข้าใจอะอยู่เมาส์ออฟวีนัแต่มันเด่นชัดขึ้นมาเหลือเกิน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 ขืนท้ายแกปีนต้นไม้แกก็ปีนขึ้นไปเก็บลูกกินอร่อยหมดทั้งต้นเท่านั้นพนันกันก็ได้ว่าอย่างดอร์ฮอฟมันสามีเก่าของคุณนะเทียบแกไม่ติดรอกไม่รู้หรอกเหรอคุณว่าตอนอยู่หนองน้งนําแห้งอ่ะตานี้นะ่ะมีเมียสาวๆคราวเดียวกันตั้งห้หกคนทุกคนติดแกแจทั้งทางที่แก่ๆอย่างนี้แหละถึงคุณก็เหมือนกันละเมอย่าทําเป็นอวดดีไปไม่ติดระพินสักคนเดียว ป่านนี้ตาบุญคาน่ะปล้ำเอาคุณเป็นเมียเป็นนานแล้วก็ลองดูสิจะถี่ไ้ตาจะถี่ไปชักตาตั้งเลยมาเรียหัวรา <c oughs> แตบดูก็เก่งที่หนึ่งลูกไม้สับ ป, ปะเดินก็มากเกินคนแต่เจ้านายเองสิกลับไม่เป็นเรื่องไม่เอาไหนเลยเสียแรงเป็นคนหนุ่มรู้ได้ไงว่าเขาไม่เอาไหนเคยแล้วเหรอมมสาวงเงียบกริบไปในทันทีนั้น ยักษ์ไหลดาริงกำลังปลดเข็มขัดปืนสั้นที่ถอดออกคล้องคอไว้จะเอาลงมาคาดเอวตามเดิมพอดีพรานใหญ่เดินเฉียดหน้าเข้ามาใกล้จะมีโอกาสถามข้อข้องใจเดินลุยไายกันมาถึงฝั่งนี้นะฉันสังเกตดูก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะเป็นอันตรายสักอย่างนี่แต่ทำไมคุณถึงให้พวกเราเดินกันอย่างระวังตัวแจหายใจไม่ทั่วท้องกันถึงอย่างนั้นด้วยละ่ะ ก็โชคดีมากสาหรับเราทุกคนแล้วไม่ใช่เหรอครับที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายกลับย้อนคํามาเรียบเรียกเอ๊ะเอ๊อยู่ดีๆทำไมถึงมารวนกันละ่ะไม่ได้รวนครับก็เมื่อกี้คุณชายก็ถามผมแบบนี้เหมือนกันและผมกำลังจะพิสูจน์อะไรบางอย่างซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมระแวงหรือเปล่ากล่าวจบระพินก็เรียกแง่า ย, ายเามา ชี้ไปที่ขอนไม้เขื่องขนาดโค้นขาผุพังเหลืออยู่ท่อนยาวประมาณสองฟุตซึ่งวางกลิ้งอยู่บนเนินดินเงียทายไปแบกขอนไม้นั่นมาทิเงียทายมองตามที่เขาชี้บอกแล้วหันมามองหน้าอีกครั้งเหมือนจะให้ทวนคําสั่งพอเมื่อพรานใหญ่ย้ําในคําสั่งเดิมจึงเดินไปอุ้มขอนไม้มีน้ําหนักนั้นเข้ามาดารินแปลกใจร้องเบาๆว่า คุณจะทำยังไงอะแต่แล้วก็เงียบเสียงไปเมื่อพรานใหญ่ยกมือขึ้นโบกสัญญาณให้สงบปากเฉยป่ะครับคุณหญิงเดีย๋ยวเพิ่งถามอะไรค่อยดูเอาก็แล้วกันเมื่อแงสายเดินอุ้มก่อนไม้มาถึงจอมพรานก็พยักหน้าลงไปยังพื้นน้ำที่ลุยข้ามกันมาแล้วบอกต่อไปว่าเอาละคราวนี้ทุ่มลงไปในน้ำนั่นทุ่มลงไปถูกใบบัวที่แพ่อยู่ใต้น้าที่เห็นนั่นแหละนะ หรือแกจะกระโดดลงไปให้กระทบใบนั่นฉันก็ไม่ขับเร็วแง้ซ า, ายเบิกตาจ้องเขานิดนึงใบหน้านั่นดูเหมือนจะซ่อนยิ้มไว้ยกขอนไม้ขึ้นชูสูงเหนือศีรษะด้วยมือทั้งสองแล้วทุ่งโครมลงไปตามคำสั่งลงไปยังผิวน้ำตรงบริเวณที่มองเห็นใบพืชประหลาดกลางแผ่เหมือนบัวกระดงอยู่ใต้ผิวชิดดินนั้นทันทีตามคาสั่งทันทีที่ขอนไม้อันหนักอึ้งกระทบน้าแต่กระจายตูมใหญ่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 ส่วนพวกพรานพื้นเมืองทุกคนพากันถอยกรูดออกมาห่างริมฝั่งด้วยสัญชาตญาณสีหน้าของตละคนราวกับถูกผีหลอกเชษฐาหันไปทางแง่ทรายจ้องหน้าขมิง้งแล้วออกคำสั่งแฮะตาว่าไหนลองอีกทีสิแง่ทรายลองให้เห็นชัดๆอีกทีดิแง่ทรายหมุนตัวกลับเดินไปหาท่อนไม้ใหญ่มาได้อีกท่อนนึงแล้วเดินแบกเข้ามาหมายตาไปยังใบประหลาดนั้นอีกใบนึง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 แต่ก็ต่มหายลงไปจากระดับพื้นดินใต้น้ำสู่พื้นโคลนอันคำนวณไม่ได้เบื้องล่างสุดบลัยละสิวะไี่รบผ่านมันมาได้ยังไงนี่โดยไม่ถูกมันเขมือบลากหายไปใต้บาดาลอย่างไอสองขอนไม้สองอันนั้นชชยันครางอ๋อยทาหน้าเหมือนจะร้องไห้ทุกคนหน้าซีดเพื่อดเชิถากระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นหันมาทางพรานใหญ่ซึ่งยืนหน้าเครียด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 แล้วกันนี่ก็แปลว่าคุณรู้หรือสงสัยอยู่แล้วสิว่าใบาบัวชนิดนี้นะ่ะกินสัตว์แล้วคุณก็แกล่งช้แงซสายเดินนำล่วงหน้ามาเป็นอะไรแงซสายจะได้ตายก่อนใช่ไหมดารินพูดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันแต่เชษฐถาและช้ยยันเพียงได้ยินพรานใหญ่พูดเช่นนั้นก็หยั่งความในได้ทันทีวุ่นวายอีกแล้วเนอยไม่รู้อะไรก็เฉยเฉยซะเถอะถึงยังไงเธอก็ไม่มีวันรู้จักแงสายดีไปกว่ารพินหรอก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 ยองหน้าเหมือนจ ะ, สะแสวงหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่บนใบหน้าเรียบเฉยป ก, กติกระเดียดไปทางเดิรเดือ่อซื่อนั้นแล้วเล่นงานทันทีนี่แง่ไส้เธอรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าใบไม้ใต้น้ำ น, น่ะ ม, นมันมีอันตรายเธอถึงได้เดินหลีกมันมาได้เดินไม่กระทบมันเจ้าคนฉลาดไปด้วยเล่ลึกศตานายหญิงแล้วก็รู้ในทันทีว่าตะขืนตอบหน้าตาเฉยว่าไม่รู้เป็นโดนตบแน่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 แกล้งหลอกก็เราเดินตามมาโดยไม่รู้ตัวอะไรเลยกว่าจะมารู้ก็ถึงฝั่งนี่แล้วโชคดีหรือเกินนะที่ไม่มีใครพลาดไปเหยียบถูกไใบผีนั่นค่ะพระพินไพรวันถอนใจยาวไม่ได้มองไปทางเจ้าอาดีตร้อยโทกองโจรกระเรียงคู่ปรับของเขาอีกเลยหากแต่พูดกล่าวแก้แทนให้ว่าโปรดจะถือเป็นความผิดของผมด้แง่ายเลยครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ทังผมและแง่าย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 มอดาริน <Mod> เป็นคนเอาเรื่องจริงๆต่อว่าชอ็ชอตด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่างไม่ลดละหล่อนกรูดง่ายและมักจะถือเป็นเรื่องห ง, งุดหงิดขุนใจเสมอถ้าหากมีเหตุการณ์กินในลองเชิงอย่างใดขึ้นในระหว่างเขากระแหนใสซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อนไม่พอใจทุกครั้งและมักจะใช้คําพูดที่ฉลาดด้วยเหตุผลชนิดที่อาจพลอยพาให้เชิฐาและชยยันต้องพลอยคลอยตามเห็นจริงด้วยเสมอก็ข้อนี้แหละ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 โดยไม่เปิดโอ ก, กาสให้ทันคิดหรือตั้งตัวได้ว่าแง่สายสมมติว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งขณะที่เดินผ่านกันมาบังเอิญถูกไอ้ใบบัวผีนะ่าเล่นงานแล้วจะแก้ไขช่วยเหลือกันได้ยังไงเมื่อนั้นเองเจ้าคนร้อยเลพ่พันไหวพริบก็พลันหลวมตัวให้แก่สุภาพบุรุษในราชสกุลผู้ฉลาดกว่าไม่ต้องรูกลัวหรอกครับในายใหญ่แง่ายยังยืนอยู่บนฝั่งนี้ทั้งคน พร้อมกระสายบาดในมือถ้ามันจะฉุดพวกเราลงไปใต้โคลนแงซสายก็จะคว้างบ่วงไปคล้องตัวไว้แล้วรังยึดกตะต้นไม้ใหญ่แถวนี้มันจะฉุดลงไปไม่ได้แล้วเราก็จะช่วยกันสาวสายบาดดึงพวกเราขึ้นมาจนได้ล้วครับเชิดาพยักหน้าช้าๆแฝงรอยเท่าทันทุกประการไว้ภายใต้สีหน้าเรียบปกติส่วนชา ย, ยันมองหน้าแงซ า, ายแล้วหันไปทางดารินไงน้อย คราวนี้พอจะมองเห็นชัดหรือยังว่าระหว่างครมนํานนทางของเรากับเจ้าองครักษพิเศษคนโปรดของเธอนั่นใครมันจะน่าไต่กว่ากันรพินน่ะเพียงแต่สงสัยเท่านั้นยังไม่อาจรู้แน่ได้ว่าไอใบอัปรีนะ่ะมันมีพิษสงหรือเปล่าแต่คําตอบของเจ้าเงียสัยกระเชษฐายกๆนี่มันก็บอกความหมายให้เรารู้ชัดอยู่แล้วว่ามันรู้ดีกว่ารพินซะอีกรู้จนถึงวิธีแก้ด้วยแล้วก็รอที่จะแก้ไขอยู่แล้วถ้าเราคนใดคนหนึ่งพลาด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 จับแขนไว้และฉุดหางแง่ทรายซึ่งยืนหน้าเซื่อออกมาฉันบอกแล้วไงวันเลิกสนใจซะเถอะน้อยไม่มีใครผิดหรือถูกมากไปกว่าใครหรอกในกรณีนี้ระหว่างไทรวันกับแง่ทรายถ้าเรามัวแต่คิดที่ใจสองคนนี่ทำอะไรต่ออะไรเปิดผอเผยออกไปให้เห็นชัดในสายตาของเราพวกเราจะปวดหัวตายซ ะ, ะเปล่าๆความจริงเราควรจะรู้เคล็ดสองคนนี้มานานแล้ว ต่อไปไม่จำเป็นจะต้องไปคาดคันสอบซักอะไรให้เสียเวลาพยายามอ่านทาทีของเขาทั้งสองคนให้ถี่ถ้วนหน่อยและเราก็คงจะวินิจฉัยได้เองว่าอะไรเป็นอะไรลักษณะของใบชนิดนั้นดูกันให้ชัดๆสิดูซิว่ามันเป็นพืชประเภทไหนปฏิกิริยาของมันแตกต่างกับพวกไม้กินคนบนบกอื่นๆที่เราผ่านมาแล้วหรือไม่เพียงใดคณะนายจ้างทั้งหมด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 จอมพรานเต็มไปได้วยความงินงงอัดอั้นปันใจตั้งแต่ออกจากกลมช่างเป็นต้นมาเขาไม่สามารถจะให้ความสว่างใดๆเกี่ยวกับสภาพของป่ามหัศจรรย์แก่นายจ้างของเขาได้เลยทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พรานพบล้วนเป็นสิ่งที่ในชีวิตพรานอันโชคโชนของเขาไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนอย่างเมื่อวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็ใช้ไหวพริบปฏิพานและแสัญช่อดายันอันเจนไฟของเขาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้ไขคลี่คลาย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 ปรดสั่งครับว่าจะให้ผมทํำยังไงแกก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะเดินลงไปและฉุดถอนมันขึ้นมาได้ง่ายๆเหมือนถอนสายบูวฉันอยากจะฟังความเห็นของแกและต้องการให้เจ้านายของเราทุกคนได้ยินด้วยแง่สายนิ่งเงียบไปครู่ทุกสายตาจ้องจับมาที่จอมพนเจนจรเป็นตาเดียวผู้กองคำนวณแล้วหรือครับว่ากําลังฉุด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 สิงอ์สายกล่าวต่อมาว่าสองคนบุกลงไปในน้ำคนนึงทาหน้าที่ล่อโดยเดินไปเหยียบให้ใบมันหุบอีกคนนึงเตรียมระวังคนที่จะทาหน้าที่ล่อมีสายเชือกผูกมัดตัวไว้อีกสิบคนที่เหลือบนฝั่งคอยโรยสายเชือกตามลงไปแล้วคอยยึดให้มัน่นเตรียมฉุดรั้งเมื่อมันหุบห่อเอาคนที่ล่อไว้แล้วพยายามจะลากลง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 ตามแรงฉุดเราจะได้เฉพาะดอกส่วนบนกับคนของเราที่ถูกมันหุบไว้ขึ้นมาไม่จำเป็นจะต้องอธิบายซ้าคณะเจ้านายทุกคนที่ยืนฟังอยู่สามารถจะเข้าใจได้ตามคำพูดของแง่สายนั้นโดยปลุกปลุกพวกที่รอคอยฉุดดึงอยู่บนฝั่งนะั้นไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ว่าสองคนที่จะลงไปในน้ำนะัคือใครและในระหว่างสองคนนี้ใคร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 ถ้าเป็นความจำนงของผู้กองผมก็เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอะไรใครจะเป็นคนเดินเข้าไปให้มันรัดตัวล่ะครับจอมพลานหัวเราะ <c oughs> ก็แล้วแกคิดว่าควรจะเป็นใคระระหว่างเราสองคนน่ะคนที่เป็นหัวหน้าและผู้นำของทุกคนครับระพินคงหัวเราะในลำคอเช่นนั้นเท่าทันเล่วาจาและเหลี่ยมคูซึ่งแสดงออกทุกเชือก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 ทั้งหมดเข้าใจวิธีการได้ดีแต่ดารินยังข้องใจอยู่เป็นอันมากรอนมองการจัดเตรียมตัวของรพินและงแง่ทรายแล้วมองไปทางพี่ชายคิดว่าจะมีอาการทักท้วงหรือห้ามพราหม์ใดๆบ้างแต่ก็เห็นเชิฐายืนมองสงบเฉยอยู่อดรอนทนอยู่ไม่ได้รอนก็โล่งขึ้นในขณะที่พรานใหญ่กับแง่ทรายกำลังช่วยกันต่อสายเชือกโดยทาให้กลายเป็นเส้นยาวสองเส้น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 ต่ผมเชือกใหรอบคอบที่สุดนะอยห้เกิดขาดขึ้นในระหว่างการดึงเป็นอันขาดเชีวยวละ่ะวางใจเธอนายใหญ่เสียงบุญคำร้องตอบมา ท, ทั้งทั้งที่สีหน้าอาการของแกก็ดูไม่เต็มใจนะักที่จะให้เจ้านายของแกเสี่ยงลงไปเล่นกับเจ้าเห็ดผีนั่นอีกครั้งรับรองว่าเชือกไม่ขาดแนะ่ต่อขึงข้ามเหวแล้วเดินเหยียบรือโหนไปตามสายเชือกที่ต่อไวก็ยังเคยแล้ว เรื่องชักเยอะนะมันเรื่องเล็กเว้นแต่เราจะสู้แรงมันไม่ได้ถูกมันฉุดตกน้ําไปหมดทุกคนก็ช่วยไม่ได้มาเรียเดินเข้ามาชิดดารินกระซิบว่าใจเย็นๆ น, น้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นเชื่อเถอะไม่เป็นไรหรอกไรวันกระแง่ทรายนะไม่ใช่คนโง่เลยในเรื่องแบบนี้เขกคงมองเห็นช่องทางอยู่แล้วล่ะรุนหาที่ไม่เข้าเรื่องพี่ใหญ่ก็พลอยเป็นไปด้วยอีกคนนึง ราชสกุลสาวบนสีหน้าไม่ดีนะเมเธอว่ากำลังฉุดของไอเห็ดมรณะนั่นมันจะมีสักเท่าไหร่และนอกจากแรงฉุดลงไปแล้วจะมีพิษอะไรจากใบมันอีกหรือไม่อาจมีพิษประเภทที่ถ้ากระทบเนื้อทำให้เป็นง่อยเป็นอมาพาตหรือสลบไปก็ได้ผู้ชำนาญในทางโบราณชีวศาสตร์สะดุดใจคิดอยู่ชั่ววิบตาหนึ่งในคาพูดของหมอดาริ แต่แล้วก็สั่นสีสัก่กท <c oughs> ี่ว่าคงไม่มีพิษอะไรนอกจากใบของมันนกน้อยนอกจากแรงฉุดที่จะดึงให้จมหายลงไปใต้ดินเท่านั้นส่วนรากเบื้องล่างของมันนะ่ยยังเป็นปัญหาอาจมีเซนที่ย่อยเนื้อหนังของเหยื่อเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยหรืออาหารของมันในอันดับต่อไปถึงเช่นนั้นก็ตามก็คิดว่าคงจะไม่สามารถย่อยเหยื่อได้อย่างปัจจุบันทันด่วนเหมือนสัตว์อื่นขบเคี้ยวอาหาร นอกจากว่ารอให้เหยื่อเน่าป่อยไปตามการเวลาแล้วก็ค่อยดูดซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงลำต้นภายหลังขณะกปล่าอย่างไตรตรองลึกดวงตาของแม่มสาวมองจับไปยังดอกเห็ดดอกที่เห็นใหญ่ที่สุดในละแวกใกล้ๆฝั่งนั้นห่างจากสองคนที่แงาซทรายโยนท่อนไม้ลงไปทำให้มันรูดดอกหายไปใต้โคลนเมื่อครู่นี้เล็กน้อยรศมีของใบหรือดอกที่แผ่กว้างออกไปนั้น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 กำลังพวกเราทั้งสิบคนที่ระดมกันให้เต็มที่คงจะรั้งมันไว้อยู่แน่นอนแต่ไอ้ส่วนจะถึงก็สามารถถอนรากให้มันหลุดขึ้นมาได้หรือไม่นะ่ะยังเป็นปัญหาเพราะเราไม่รู้นี่ว่ามันยังรากมั่นคงลงไปในโคลนข้างใต้ลึกสักขนาดไหนดารินถอนใจมาเบาๆสั่นศรีรษะช้าๆอย่างไม่เห็นด้วยอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่อาจคัดค้านอย่างใดได้อีกเพราะคนอื่นๆในกลุ่มของพวกหลอน ไม่มีใครขัดฝงังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายผู้เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดโดยตรงระพินกับแงสายต่อสายเชือกไนล่อนเสร็จสับทดลองดูจนแน่ใจแล้วว่าทุกบมต่อเหนียวแน่นมั่นคงชนิดที่จะไม่มีการขาดหลุดขึ้นในการใช้พลังฉุดดึงชักเย่อกันอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมปลุดเป้หลังติดตัวและไรเฟิลออกวางไว จเหลือแต่ตัวเปล่าแคล่วคล่องที่สุดมีเพียงมีดหมออันคมกริบยาวประมาณสอกเศษซึ่งขอยืมมาจากจันถือกระชับแน่นไว้ในมือและซักซ้อมทำความเข้าใจกับคณะในจ้างของเขาอีกครั้งเอาละครับผมจะเอาปลายเชือกข้างนึงผูกติดเอวไว้ให้แน่นแล้วจะเดินลุยน้ำลงไปเหยียบกระทบดอกให้มันหุบรัดแงทรายนั่นจะถือเชือกอีกเส้นหนึง่งเดินตามผมเข้าไปด้วย ในระยะพ้นรัดสมีที่มันจะรัดเอาไว้ได้ปลายเชือกของแง่ทายจะทำบวงกระตุกเพื่อคอยจ้องจังหวะสูงคล้องดอกของมันให้ลงไปชิดก้านที่โผล่พ้นดินระหว่างที่มันหุบใบรัดผมเขากล่าวช้าๆเพื่อทุกคนเข้าใจอย่างที่ถ่วนที่สุดสำหรับการประสานงานโดยพร้อมเพรียงชนิดคลาดเคลื่อนไปไม่ได้เลยหน้าที่ของคุณชายและพวกเราทั้งหมดที่รอยอยู่บนฝั่งนี้ก็คือ คอยผ่อนสายเชือกตามการเคลื่อนไหวของผมกับแง่ายไปทุกระยะโปรดระวังด้วยนะครับว่าอย่าผ่อนให้สายเชือกมีระยะหย่อนเกินไปนะักเอาพอตึงๆไว้ในขั้นแรกนี้ขอให้พวกเราทั้งหมดเข้าแถวกันในลักษณะเรียนชักเยอะจับปลายเชือกไว้ให้มัน่นระวังคอยยึดรั้งด้านผมไว้ก่อนอย่าเพิ่งสนใจกับสายเชือกทางด้านแง่ายก่อน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 ทุกคนฟังเขาอย่างตั้งใจที่สุดเชิากล่าวทบทวนแผนที่เขาบอกนั้นเพื่อซักซ้อมอีกครั้งกันผิดพลาดแล้วพยักหน้าโอเคผู้กองทางฝ่ายผมเข้าใจดีที่สุดตามแผนที่คุณกำหนดนี่แล้วลงมือได้ระพินไพรวันหันไปมองแง่ายแทนความหมายเสือนั่นยิ้มพลายรอเขาอยู่ก่อนแล้วในมือถือปลายเชือกด้านซึ่งทาเป็นบ่วงหูรูดไวเรียบร้อย ถอดสิ่งของสัมภาระติดตัวทั้งหลายออกจนเหลือแต่ตัวเปล่าแล้วเช่นกันเขาจึงสะบัดแขนขาทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายอีกครั้งและเอาผ้าเขามาสองผืนพับเป็นเบาะรอบกลางลำตัวก่อนที่จะผูกรัดเชือกไนล่อนอย่างแน่นหนาติดกับเอวโดยให้สายเชือกนั้นรัดตรงบริเวณที่ใช้ผ้าขาม้าพัดไวอีกทีหนึ่งกันไม่เชือกรัดหรือบาดลงไปถึงผิวเนื้อ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 ให้พวกที่คุมปลายเชือกพันทบไว้กับต้นไม้ทันทีซึ่งจะเท่ากับใช้ลำต้นขนาดใหญ่เป็นหลักต่อต้านแรงฉุดอันเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดแทนที่จะใช้กำลังของคนโดยตรงทั้งสิบซึ่งอาจจะเสี่ยงเกินไปแล้วก็บงการให้ค่อยๆโรยสายเชือกตามระพินไปขนาดพอสายตึงทุกระยะจอมพรานเหลวกลับขึ้นมาและเห็นความฉลาดรอบคอบในข้อนี้ของท่านหัวหน้าคณะก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจ เขาปลอดโปร่งและไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยในการได้นายจ้าหรือผู้ร่วมเป็นร่วมตายอย่างอดีตนายพันโททูตทหารบกผู้นี้แง่าสายเองก็ค่อยๆแย่เท้าก้าวลงไปในน้ำตามหลังเขาเว้นระยะห่างประมาณสองเมตรปล่อยสายเชือกทิ้งไว้บนฝั่งโดยยังไม่มีใครต้องระวังยึดไว้ก่อนในขนาดนี้นอกจากขยินจะหยิบปลายให้ทอดยาวเป็นแนวออกไปสาหรับ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 มอดารินร้องบอกมาหน้าตาเฉยอีกประโยคหนึ่งชายันเกาหัวทำหน้าอยู่ยี่น้อยนี่อะไรก็ไม่รู้สิคนกำลังจะทำงานพูดแย่โน่นแย่นี่ทำลายขวัญอยู่ได้หู ป, ปากสทัทีเด้อผู้กองไม่ต้องห่วงหรอกถึงยายนี่ก็ไม่ช่วยคุณพวกเรายังอยู่อีกตั้งเก้าคนไม่ปล่อยให้มันดูดคุณหายลงไปได้หรอกประโยคหลังเขาตะโกนบอกกระพินลงไป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 ซึ่งร่างกายสูงใหญ่กำยำยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นปักหลักยืนระงงานมืออันแข็งแรงทั้งสองกระชับสายเชือกไว้แน่นคนถัดมาก็เป็นชัยยันจันบุญคำและเกิดครบตามจำนวนห้าคนของห้าคนชุดแรกต่อจากนั้นสายเชือกก็ถูกพันโอบลำต้นอโรการีหักทิศทางย้อนกลับมีเซยสางปา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 แผนตามคำสั่งของเขาพวกพรานพื้นเมืองทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีแม้แต่ขยินและสั่งปาพระบุญคำทำหน้าที่ล่ามอธิบายให้เจ้าสองคนทราบว่านายใหญ่สั่งเช่นไรทุกคนขณะนี้แลยเห็นพรานใหญ่ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณน้ำขุนอันเป็นตำแหน่งที่เห็ดมรณะสองดอกรูดหายลงใต้เลนไปขณะที่แงซายโยนขอนไม้ลงไปใส่และมีอาการเหมือนจะใช้เท้าเขี่ยวควานหาอะไรอยู่ตรงนั้น ข้าวหน้ามีแววครุ่นคิดพิศวงเออะไรขึ้นเ่ะอระพินเชฉถาร้องถามลงไปโดยเร็วตรงโคนก้านของดอกที่รูดหายลงไปเมื่อตะกี้นี้รู้สึกว่าจะเป็นโพรงหรือหลุมลึกลงไปใต้ดินมากทีเดียวครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมนักว้างร่วมสามฟุตลักษณะเป็นหลุมกลมดิกทีเดียวเสียงก็รายงานขึ้นมาอย่างตื่นเต้นระวังนะ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 พุ่งไม้ลำขนาดข้อมือนั้นไปปักสวบลงตรงหน้าของระพินผู้รอคอยอยู่ระพินเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งเหน็บมีดที่ถืออยู่ในมือไว้ที่เอวแล้วช่วยไม้ยาวที่เชษฐาพุ่งมาให้ถือกระชับไว้ทั้งสองมือยกมือค่อยๆกดแย่ปลายด้านหนึ่งต่ำลงไปยังพื้นน้ำตรงหน้าซึ่งคงจะเป็นบริเวณหลุมที่เขาค้นพบทั้งหมดเห็นเขากดปลายไม้จมลึกลงไปเป็นลาดับ จนกระทั่งมือที่กำด้านปลายสุดอีกด้านหนึง่งต้องกดจมมิดหายลงไปกว่าระดับน้ำและตัวพรานใหญ่เองก็อยู่ในลักษณะที่ต้องก้มหน้าเกือบจะจุ่มลงไปในน้ำด้วยโอ้โหลึกถึงขนาดนั้นทีเดียวเหรอละพินเสียงช้ยันกระเชิดถาอุทานออกมาอย่างตกใจพร้อมกันดารินกับมาเรียก็เบิกตาพโพลงจ้องหัวใจเต้นแรงตาห็นจอมพรานหยุดชะงักเหมือนจะลังเลอยู่นิดนึง แล้วก็ก้มต่ำลงไปอีกถึงพื้นข้างใต้แล้วล่ะครับเสียงเขาบอกมาเบาๆควานไม้ที่ปักลงไปขยับยังอยู่ไปมามีลักษณะของมันหยุ่นๆ ย, ยังไงบอกไม่ถูกเนื่อการเหมือนจะเคลื่อนไหวได้นิดหน่อยด้วยครับไม่ทันจะขาดประโยคขาก็อุทานเฮ้ยออกมาคำนึงยังตกใจพผ ง, งะถอยหลังมาสองก้าวทาให้พวกที่ยืนคอยฟังข่าวจ้องเขม็งอยู่บนฝั่งผวาไปตามๆกัน ร้องถามลั่นเป็นเสียงเดียวทำไมนะมีอะไรเหรอจอมพรานทำหน้าพิกลเอาแขนเสือ้อายน้ำที่กระเซน็นมาเปรอะใบหน้าท่าทางขยักขย้งขนลุกขนพองมันหดตัวพรวดพลาดขยับหนีลึกลงไปอีกครับอาการเหมือนถูกไม้ไปเขีย่ยถูกขอยทาอย่างนั้นล่ะครับเอ๋ถามจะไม่เข้าทีซะละมัง้งปุกองคุณกะแงใายถอยกลับึ้นมาเถอะเลิกลมความตั้งใจเดิมซะดีกว่า เช่าชักไม่สบายใจเหมือนกันบอกลงไปเสียงต่ำๆพร้อมกระบอกมือเรียกเดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่าเย็นๆไว้ผมคิดว่าไม่กระไรนักหรอกระดับที่มันหดลึกลงไปใต้เลนประมาณวาเศษเท่านั้นเองที่เห็นว่าลึกมากก็เพราะไม้อันนี้ต้องอย่างผ่านผิวน้ำข้างบนลงไปด้วยถ้าจะวัดจากปากช่องชิดพื้นดินนี่มันก็ไม่ลึกมากนะัก และอาการของมันขยับหนีหดลงไปได้อีกนิดเดียวเท่านั้นพร้อมกับตาวเขาก็ดึงไม้อันนั้นขึ้นมาชูดูเหนือสีสักให้ทุกคนมองเห็นมันเปียกน้ำจมตลอดทั้งท่อนอันยาวเหยียดก็จริงแต่ระดับที่เพื่อนโคลอนอันหมายถึงบริเวณที่ยังจากปากโพรงลงไปสู่ก้นเบื้องล่างใต้ดินนั้นมีระยะอยู่ราวไม่เกินสองเมตรไม่มีใครสามารถภายใจหรืออ่านความนึกคิดของเขาถูก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 โดยเดินหลีกหลบหลุมที่พรานใหญ่ปักเป็นเครื่องหมายให้เห็นอีกประมาณไม่เกินสามสี่เก้าจะถึงขอบดอกด้านนอกสุดของเห็ุมรณะที่บานอ้าเขียวขจีอยู่ใต้น้ำระพินชักมีดหมอของจัน์ออกมาถือไว้ในมือกลมสำรวจเงื่อนของเชือกที่ผูกเอวไว้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจที่สุดว่ามันยังมั่นคงเป็นปกติดีอยู่หลายต่อหลายครั้งที่นักผจญภัยอย่างเขา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 เพราะมันมีระดับเทลาจากขอบลงไปสู่ใจกลางพร้อมหรือยังแงาสายเขากระซิบถามไปเบื้องหลังโดยไม่ได้เหลียวกลับพร้อมครับผู้กอจอมพลานสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วทันใดก็ย่างเท้าเหยียบขึ้นไปบนขอบดอกของเจ้าเห็ดมหัศจรรย์นั้นทันทีงงงนันผิดคาดหมายไปอย่างยิ่งเขาเก้าวเข้ามา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 สอเกแล้วก็สามเก้าัดเข้าสู่ใจกลางดอกอันเลหเห็นเป็นพโพรงอยู่นั้นจนกระทั่งล่วงเข้ามาถึงครึ่งของรัดสมีกลีบดอกปัจจุบันทันด่วนนั้นความรู้สึกของตอนเองก็เหมือนกับว่าถูกธรณีสูบ ป, ประสาทหูสำเนียกเสียงหัวบสนันเหมือนใครเอากระด้งขนาดใหญ่กระเพือเข้ากระทบกันสัมผัสทางกายที่ระหนักชัดว่าตนเองยืนอยู่นั้นบัด น, นี้เสียหลักเอียงวูบลงไปหาส่วนที่เทล่า และเหมือนจะมีพลังมหาศาลอะไรบางชนิดดูดวูบักษุประสาทที่เลยเห็นท้องฟ้าอันสว่างอยู่ก็พลันมืดวัดเหมือนมีม่านเข้ามาตลบขึงกั้นอย่างรวดเร็วประดุดอุ้งหัดของพระการแล้วพร้อมกันก็เวลเสียงตะโกนกึกกล้องบนฟังจกพักพวกว่าชุดไวเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันสับสนอลวนไปหมดในความรู้สึกเหมือนพลัดหนลงไปในนรกนี้ จำได้แต่เพียงว่ามือซึ่งถือมีดเตรียมพร้อมอยู่แล้วเสือกพรวดสวนเข้าหาสิ่งที่มันหุบหอก็มาท่วมศีสษนนั้นอย่างเต็มเหนืยวพร้อมกับแวะกระชากมันออกไปซึ่งสัมผัสของคมมีดที่ตะออกไปไม่ผิดอะไรกับทะลวงเข้าใส่หนังหนาหยุนๆยุนตัวเองกำลังจะถูกดึงจากพลังฉุดเบื้องล่างจมลงสู่ใต้พื้นผิวน้าและพร้อมกันก็มีกาลังฉุดอีกด้านหนึ่งจากเอวพยายามจะดึงรั้งไปในทิศใดทิศหนึ่ง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 ก็เถิดจะทําให้เลือดในกายจับเป็นก้อนทุกคนเห็นร่างของจอมพรานหายวัดไปกับตาเรากับเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นโดยการตวัดวัดขึ้นคอหุ้งของดอกเห็ดมรตยูที่กระดกขอบทุกด้านขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมเพรียงกันผลระดับน้ําที่มันเคยจมแช่อยู่และดูเหมือนคอมาคือมาอะไรชนิดหนึ่งกลืนอรพินไฟวันไว้วาภายในพร้อมกันก็พยายามจะลดตัวมุดลงน้ำ เสียงที่ตะกอนสั่งการเป็นเสียงของเชื้ทารคนแซ่สั่มไปด้วยเสียงอุทานยังตกใจลืมตัวของทุกคนแล้วพริบตาต่อมาทั้งสิบคนบนฝั่งก็ออกแรงฉุดรังสายเชือกนั้นวาอย่างสุดกําลังที่มีอยู่โดยมีขยินเป็นหัวแรงอยู่ด้านหน้าวูบแรกทั้งสิบคนที่มีอาการเหมือนเล่นชักเยอะตกอยู่ในสภาพรวนเรระสัาระสายกันไปหมดเพราะพลังของเจ้าเห็ดมรณะ ที่พยายามจะลดตัวลงใต้ผิวน้ำภายหลังจากห่อเอาพรานใหญ่เข้าไปแล้วมันหดตามก้านดอกของมันลงไปได้ร่วมสองฟุตทำใม้คนเหล่านั้นหัวปากหัวปามราวกะช้างฉุดและกำลังดึงอยู่ปึดปืดด้วยพลังมหาศาลพยายามจะลดต่ำลงไปอีกให้ได้พันเชือกรากต้นไม้ไว้เชื่ถาร้องเสียงหลงเมื่อรู้สึกว่าสายเชือกทางฝ่ายตนกาลังจะถูกดึงเคลื่อนตามลงไปทุกที เพราะแต่ละคนยังตั้งหลักไว้ไม่ได้ถนัดและเมื่อนั้นเองมาเรียกับดารินผูดส่งถือเชือกไว้ในส่วนปลายสุดก็ฟ้าสายเชือกวิ่งวนพันรอบต้นอโรกาเรียอย่างรวดเร็วทันทีที่ส่วนของเชือกพันรอบต้นไม้ยึดไว้ได้เป็นหลักมั่นพลังชุดดึงของไอเหตุปีศาจก็หยุดชะงักอยู่เพียงแค่นั้นแต่เชือกที่ขึงโยงระหว่างมนุษย์กับพืชมริตายูซึ่งกําลังพยายามจะดึงเยื่อลงไปเบื้องล่างบัดนี้ตึงเปรยะ ดอกที่หุบสนิทของมันจมหายลงไปใต้น้ำได้ครึ่งดอกไม่มีใครสามารถจะบอกได้ถูกว่ารพินไรวันถูกกดจมลงไปใต้น้ำแล้วหรือไม่เพราะมองไม่เห็นภายในกลีบอันหุ้มห่อหนาแน่นนั้นไอ้แง่ซายไอ้ชิบหายมึงยืนโดหาหาหอกอะไรอยู่ทำไมไม่เอาเชือกคล้องดอกมันไว้มันเอ้มึงก็ไปเล่งไม่เห็นเหรอตาพานข้าบุญคาแพตะโกนสุดเสียงขณะที่ออกแรงดึงสุดริสจนขี้ถแต เท่าที่ทุกคนเห็นแง่สายเจ้าคนลึกลับคนนั้นยืนสงบอยู่เบื้องหน้าของดอกเห็ดมรุตยูที่หุ้มห่ออัรพินไว้ดูเหมือนกําลังจะทําอะไรอยู่กระวงในมืออย่างใจเย็นเป็นทองไม่รู้ร้อนมันเป็นวินาทีดับจิตที่ทุกคนเต็มไปได้วยความโงงงคลางแคลงไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งสิน้นและดูจะตกตะลึงกันไปหมดในพฤติการอันใจเย็นผิดปกติของแง่สาย เรากับจะแกล้งให้ระพินไรวันดับดิ้นสิ้นชื่ออยู่ภายใต้เงื้อมหัดมริตยูนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะปฏิบัติการอย่างใดลงไปได้ในขณะนี้ทั้งสิน้นนอกจากภาระจำเป็นสุดยอดเฉพาะหน้าซึ่งจะทอดทิ้งละมือไม่ได้นั่นคือการช่วยกันออกแรงยึดสายเชือกไว้อย่างเต็มเหนียวป้องกันไม่ให้เจ้าเหตุมรณะรูดดอกหายลงไปใต้น้าได้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 ผูกเป็นบวงรัดโดยไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นพอเรียบร้อยก็หันกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้กำลังชุดดึงของพวกพ้องบนฝั่งทั้งหมดย้ายมาอยู่ที่เชือกเส้นใหม่นี้ตามที่ได้นัดและตกลงกันไวหลายคนจึงเพิ่งจะเข้าใจอะไรต่ออะไรขึ้นจากภาพที่เห็นนั้นพรานใหญ่พลาดอย่างถนัดใจที่สั่งให้แง้ายผูกเป็นบวงเตรียมพร้อมไว้ก่อนหุบรัดเขาแต่ลืมคิดไปเสียแล้วว่า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 โดยเลือกฟันตัดลงไปตามแนวเส้นใหญ่ๆสำคัญเหล่านั้นเรากับจะรู้จุดอ่อนของมันดีอยู่แล้วเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่อดีตร้อยโทรกองจนกระเรียงหวดมีชาชับลงไปบนน้ำกระจายว่อนไปทั่วทุกคนเห็นกลีบดอกอันหุบประกบกันอย่างหนานแน่นรอบด้านเยื้ออ้าออกร่างของพรานใหญ่หลุดรัวจากที่ห่อรัดออกมาครึ่งตัวดินรนปะกายหาอากาศหายใจ าการแลไม่ผิดกับปลาสำลักน้ำแง่สายควา้าสายเชือกที่ยังรังดึงติดเอวเขาอยู่ในขณะ น, นี้กระชากสุดแรงเกิดระพินงกระเด็นหลุดพ้นออกมาจากกลีบดอกที่บางส่วนยังห่อรัดอยู่สีสะปากตูมจมดิมลงไปในน้ำจากองค์รักพิเศษของดารินเพนเขาหิ้วคอเขาขึ้นมาจากน้ำได้ประคองหิ้วปีกนำวิ่งน้ำแตกกระจายตรงเข้ามาหาฝั่งและส่งเขาให้ขึ้นไปนอนสะบักสะบอม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 เพราะยังเห็นยันกายขึ้นมาคลานสีขาอยู่กับพื้นได้พร้อมกับสะบัดหัวอยู่เราเร์ๆแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะตรงเข้าไปดูได้ในภาวะเข้าได้เข้าเข็มเช่นนี้เฉษฐาและชัยยันร้องเร่งให้กำลังใจพักพวกทุกคนระดมออกแรงกันอย่างเต็มกำลังเท่าที่มีอยู่เสียงเอ็ดอึงไปหมดเห็ดมหาการเริ่มลู่ดอกเอียงเทไปตามทิศทางแรงฉุดของฝ่ายมนุษย์แล้ว พร้อมกับผิวน้ำที่ซันไหวเป็นระลอกอันเกิดจากการฝืนกำลังต่อต้านราวกับสัตว์มีชีวิตฝ่ายมนุษย์ใช้วิธีออกแรงฉุดกระชากเป็นจังหวะเพื่อเกิดความพร้อมเพรียงกันที่สุดอึดใจต่อมานั่นเองก็ปรากฏเสียงลั่นปืดขึ้นจากพื้นเหลวใต้น้ำจนแผ่นดินบนตะลิงไหวรู้สึกได้อย่างถนะัดเร็วช่วยกันให้เต็มที่มันกาลังเคลื่อนแล้ว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 และผลจากการถอนขึ้นมาอย่างพรวดพลาดในขณะที่ออกแรงกันอย่างเต็มเหนียวนั่นเองทั้ง11คนถากันถอยหลังชนกันเองล้มระเนรนาศส่วนเจ้าเห็ด ม, มรณะก็ถูกลากตามน้าอู่เขามาริมตะลิงท่ามกลางสายน้าที่แตกกระชอกุ่น้นคลากไปหมดแลไม่ผิดอะไรกับลากควายทั้งตัวทั้งหมดรีบตะ ก, กายขึ้นมาโดยเร็วพร้อมกับเสียงโห่ร้องลั่นอย่างยินดีของพวกพรานพื้นเมือง พวกนั้นกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจในชัยชนะเชียทาร้องสั่งให้ช่วยกันชุดลากมันขึ้นมาบนฝั่งทั้งยวงตัวเขาเองดารินมาเรียและชยยันละมือจากเส้นเชือกพากันวิ่งตรงเข้าไปที่พรานใหญ่ซึ่งบตด น, นี้พยายามจะยันกายขึ้นมาอย่างยากเย็นอาการยังมึนงงกระปรกกระเปรียหมดเรี่ยวหมดแรงต่างช่วยกันเข้าไปประคองสอบถามอาการกันแซดแทบฟังไม่ได้สัก รปินไพร์วันนั่งเหยียดแขนเหยียดขายอยู่กับพื้นไปเหยียดน้ำโชกไปหมดทั้งตัวครู่หนึ่งต่อมาอาการของเขาก็ดูจะดีขึ้นสลัดน้ำออกจากศีรษะและในช่องจมูกไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงครับผมหายใจไม่ออกไปชั่วขณะเท่านั้นมันรัดแน่นเหลือเกินครับราวกั ง, งวงช้างก็ไม่ปานนี่จะช้า ก, กว่านั้นนิดเดียวก็คงแย่และนึกไม่ถึงรับว่าพลังดีบีรัดของมันจะมากมายถึงเพียงนั้น แต่ตอนนี้เขายังช่วยนะครับเขาพูดหอบๆ ห, หน้ายังสีขาวแน่ใจนะผู้กองว่าคุณไม่เป็นอะไรจอมพรานพยุงกายลุกขึ้นมายืนเต็มส่วนศัพท์ดยการประคองของชัยยันกมามเรียในขณะที่พี่น้องราชสกุลจ้องสำรวจเปงมาอย่างไม่สู้จะวางใจนักแต่แล้วก็เบาใจขึ้นถนัดเมื่อเห็นระพินก้าวออกเดินได้ด้วยอาการเป็นปกติเขาปรีไปที่ชายฝั่ง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 โดยสายเชือกที่ยังมัดแน่นติดอยู่ตรงบริเวณคอดอกของมันให้เพยเยอะเกยพ้นตะลิ่งขึ้นมาต่อจากนั้นก็ลากพรวดพรวดพ้นชายตะลิ่งเป็นทางยาวไปกับพื้นดินอย่างง่ายดายสุดช่วงระยะอันยาวเหียดเป็นยวงของมันตั้งแต่ปลายดอกที่หุบเป็นลักษณะบัวตูมจนกระทั่งปลายรากด้านล่างสุดที่เป็นหนวดฝอยรุ่มราบหนาขยักขยแงราวกระหนวดปลาหมึก สังเข้ามาไายล้อมจ้องรูปร่างลักษณะของมันที่แลดูถนัดตาชัดเจนขึ้นและนิ่งเงียบงันกันไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความรู้สึกพิลึกพิลั่นบอกไม่ถูกไม่น่าจะเป็นประเภทพืชเลยนะมันเหมือนปลา ม, มึกใครคนหนึ่งครางออกมาเบาๆดูให้แน่ซิว่ามันตายสนิทหรือหมดพิษสงลงแล้วหรือยังดารินกระิกระพินไพรวันกัดนิ้ฝีปากเบาๆ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 ซึ่งทอดเป็นลำตรงยาวลงไปอีกหนึ่งเมตรจึงเชื่อมอยู่กับส่วนอันน่าเกลียดขยะแย่งที่สุดจากที่เห็นอยู่ในขนะดนี้ส่วนนั้นแล้วเหมือนถุงบรรจุ ข, ของเหลวสีสกปรกกองพเนินเทินทึกรูปร่างครุขระตามผิวนอกเป็นกระป๋อหรือมิฉะนั้นก็พวงของลำไส้สัตว์อะไรชนิดหนึ่งมันไหวเต้นเยอยากอ ย, าอยู่ไปมาขนาดของมันอวบใหญ่เราองสามโคก มียวงเล็กยวงน้อยแยกเป็นติ่งออกไปทั้งส่วนบนและส่วนล่างรอบตัวไปหมดกระทบแสงแดดที่ส่องลงมาในขณะ น, นี้แลเป็นมันและเลื่อมและยามที่จ้องพินิดกันอยู่เดี๋ยวนี้ดูพระหนึ่งว่ามันจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวตนอยู่ได้น้อยๆเป็นลอนระลอกเหมือนลูกคลื่นถัดจากกระเป๋อส่วนกลางอันใหญ่โตมโหฬารนี้ลงไปจึงเป็นส่วนรากฝอยที่แผ่ออกไปรุงรงังรอบได้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 ไอ้ตรงนี้ของมันดูเหมือนท้องหรือกระเพาะของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีผิดดูแล้วขนลุกเหลือเกินถ้าตาไม่ฝาบ ก, ก็รู้สึกว่ามันจะขยับไหวเป็นรอนได้ด้วยนะคะพี่ใหญ่ลักษณะของมันน่าจะเป็นสัตว์มากกว่าพืชซะแล้วเพียงแต่ว่างอกรากยึดอยู่กับดินเท่านั้นเธอคิดยังไงเมประโยคหลัง หลอนหันไปถามมาเรียซึ่งยืนจ้องนิ่งอยู่ด้วยความประหลาดใจขีดสุดไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆชันเอาอะไรไม่ถูกเลยนะบอกได้อย่างเดียวว่ามันเป็นสิ่งน่าขยะบขยงและมีอันตรายที่สุดแล้วไม่สงสัยเลยว่าทำไมมันถึงสูบดูดเอาเยื่อของมันลงไปเป็นอาหารได้เยื่อที่ถูกใบดูดลงไปจะต้องลงไปสู่กระปาะอันหน่าเกลียดนั่นและบดย่อยสลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลาต้นตรงนั้นเอง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 บุญคำไม่สบายใจตั้งแต่เห็นร้านใหญ่ลงไปแล้วแต่ไม่กล้าห้าม